จเจริญพรท่านสาธุรณชนพุทธบริษัททุกๆท่านวันนี้ก็เป็นการประชุมสนธนาธรรมผ่านทางซูมอีกครั้งหนึ่งที่ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมได้ถ้าใครมีคําถามอยากจะถามอะไก็เชิญเข้ามาในห้องได้ถ้าไม่มีคําถามอยากจะฟังเฉยๆก็ไม่ต้องเข้าก็ได้ดูข้างนอกห้องดูผ่านทางไลฟ เป็นบ ja, ุ๊กยูทูบก็ได้แต่สำหรับผู้ที่ต้องการจะถามคำถามก็เช so ิญเข้ามาห้องแต่ก็ต้องอาจจะต้องรอคิวมันเราก็จะไล่ไปตามุกคนที่ใครเข้าก่อนก็จะได้ถามก่อนคืนนี้ก็มีพระคุณนโมเด็กชายนโมเป็นเด็กชายคนแรกที่เข้ามาในห้องกรรารครับพระชาด้ินเสียงชัดเจนนะครับ ชัาเจนนออจะโมคดีว่าวันนี้ใช้อุปกรณ์หนึ่งครับอาจารย์ใจกัมวลเรือ่องภาพเสียงค่ะดีทุกอย่างมันไม่มีปัญหาเลยเชิญมีอะไรอยากจะพูดพูดได้เลยก็คือก็วันนี้ก็ามามีคำถามมาสอบถามแล้วก็มีการบ้านจะมารายงานอาจารย์ครับก็คือการบ้านเรื่องของการพิจารณากระดูกะครับอาจารย์ ก็ทําให้อ่าผมก็ลองไปปฏิบัติดูแล้วครับอาจารย์แล้วก็เหมือนทุกครั้งที่มองคนนะครับก็จะเห็นพยายามเห็นเขาเป็นแค่โครงกระดูกอะครับแล้วก็พอาจารย์ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะสามารถพิจารณากระดูกได้ดีอะครับเวลาที่เหมือนกัเป็นนั่งสมาธิเราเปิดเทปของหลวงปู่สิมฟังนะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้อยู่ไหมครับหรือว่าควรเป็นแบบเรามองแล้วเราเห็ น, นครับอาจารย์ หมายถึงยังไ ง, ไงนั่งสมาธิแล้วอย่างไงนั่งสมาธิแล้วนึกภาพตามที่หลวงปู่สิมท่านเทศะครับอาจารย์ท่านเทศยังไงท่านเทศเหมือนพูดถึงโครงกระดูกอะครับแล้วเราก็นึกภาพตามอะครับแล้วก็จะไม่ได้นึกไปเป็นอย่างอื่นที่ท่านไม่ได้พูดถึงนะครับอาจารย์ถ้าเรานั่งสมาธิเราก็ต้องให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นถ้าอยู่ประโครงกระดูกก็อยู่กับโครงกระดูกอย่างเดียวไม่ไป ไม่ไปเห็นอะไรอย่างอื่นไม่ไปคิดอะไรอย่างอื่นท่านการท่านเจริสมาธิขึ้นมาถ้า่ท่านท่านเป็นปัญญานี่เวลาไม่ออกจากสมาธิเราพระนักปยญญามองกระดูกในทุกๆคนทั้งของเราและของคนอื่นด้วยทนำกายแล้วข้าเป็นของประด่ดน เ, เน ด, ดินไปเดินมาก็คือของประื่นนำเดินไปเดินมาคนที่เราเห็นก้เป็นของกระดุ เราสามารถเห็นได้ทุกครั้งนี่ยก็แสดงว่าเราเก่งเห็นไหมเห็นทุกครั้งที่เห็นพ่อเห็นแม่เพื่อนเห็นเนยเห็นโคมาดุททุกครั้งห่าต้องพยายามเหมือนจินตนาการเอาก่อนนะครับอาจารย์ไม่สามารถแบบมองไปแล้วเห็นได้เลยครับอาจารย์ก็นึกใช่ไหมนึกว่าคนนี้เขาไม่ก่อกระดุกก็ดูตามศีรษะเขาเป็นโงก็กะโหลกศีรษะอยู่ที่ที่ศีรษะเขาอยัางนั้ นั่นคแบบกระ็อกซี่สะนองมาแล้วแขนขาก็ามีกระดูกทั้งนั้นใช่หมะไม่เนื้อม อ, องเป้าพาเห็นทั้งโครกระดูกไหมได้ไหมต้องลองดูครับอาจารย์แลอย่างนั้นก็ให้นึกถึงโครงกระดูกเขาวเราก็ลั ง, ลงคุยกับเรากำลังเจอะโครกระดูกกันโครงกระดูกเจอะโครงกระดูกนี้นได้ไหม จะต้องลองดูกรับพระาจารย์ผมก็ยัยังไม่ได้ทำทำกันเฉพาะช่วงนั่งสมาธิช่วงเดียวเลยก็พยายามอยู่ครับพระอาจารย์แต่ว่าถ้าผมเปิดตาครับผมจะเน้นไปที่พยายามฝึกสติตมากกว่าครับเอ่อเหมือนแบบระลึกรู้ถึงอริยบทที่เรากำลังทำอยู่ครับพอาจารย์จะไม่ค่อยได้ฝึกกระดูก่าไรแต่ เมื่อไหร่ที่นึกขึ้นได้ก็จะลองดูครับแบบมองตัวเราเองมองแขนเราก็จะพยายามนึกว่าเป็นแค่กระดูกอะไรเงี้ยครับถ้าเราเอาเนื้อออกอะไรเงี้ยครับใช่โอเคแล้วก็ไม่ได้ไเสียโครงกระดูกเป็นอารมณ์เราถือร่างกายเป็นอารมณ์อยู่เวลาขึ้นไหมก็รู้ว่าร่างกายมังขึ้นไหมกำลังทําอะไรอยู่ใช่นะครับอาจารย์ แต่ไม่ได้เห็นโครกระดูกเคลื่อนไอหวฮะฉับสองอย่างครับอาจารย์คื อ, อรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กับพยายามมองตัวเองเป็นโครงกระดูกครับอันนี้คือที่ฝึกปฏิบัติอยู่ครับรทุกวันนี้ค่ะอาจารย์แล้วก็มีอยู่สองครั้งครับอาจารย์ถ้าผมจาไม่ผิดเมื่อวันอาทิตย์ครับเดินทางไปจังหวัดระยองกับครอบครัวครับอาจารย์แล้วก็ ตอนขากลับครับพระอาจารย์ตอนขามาก็เปิดฟังเทศฟังธรรมปกติครับแล้วตอนขากลับเหมือนคุณแม่ เ, เหมือนมีรถจะมาเบียดรถเราครับแล้วก็คุณแม่ก็เบรกแบบกรทันหันนะครับตอนนั้นก็คือมันก็ค่อนข้างที่จะตกใจครับอาจารย์เพราะว่าเขาแบบเบรกกระทันหันเลยครับอาจารย์เราหลังจากนั้นอพอคุณแม่บอกว่าไม่มีอะไรแล้วครับเราก็ ถึงได้นึกว่าเฮ้ยข่าว่ากี้เกิดแม่เราเบรกไม่ทันแล้วเขามาชนเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่น่ารอดแน่เลยเรายังไม่ฝึกปฏิบัติไปไม่ถึงไหนเลยครับอาจารย์ก็เลยหลังจากนั้นจนกลับมาถึงกรุงเทพก็พยายามพโทรพูดโ ท, รโทรครับอาจารย์แล้วก็มีอยู่อีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์เมื่อเมื่อวานนี้ครับอาจารย์ตอนตอนขากลับมัครับอาจารย์ผมไปจังหวัดระยอง ครับอันนี้ไปทริปของโรงเรียนครับอาจารย์แล้วก็ตอนผมขากลับผมเห็นรถบรรทุกที่บรรทุกหมูที่เขากําลังจะเอาไปฆ่าครับอาจารย์ก็เกิดความสลดสังเวชนะครับอาจารย์แล้วก็แบบว่ า, านึกถึงตัวเราว่าเราก็คงจะเคยเป็นหมูแบบนั้นนะเขาก็คงเอาเราเคยเอาเราไปฆ่าแล้วก็หลังจากขากลับก็เหมือนทริปแรกนะครับก็พูดโทพูดโ ท, ทต่อ อาจารย์ผมทําถูกต้องไหมครับอาจารย์ก็น่าจะคิดว่าเราก็เป็นเหมือนรูู้อ่ะเราก็มีคิวรออยู่แล้วเนี่ยมันจะไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้อ่ะหมูมันอาจจะมีคิวมันดีแต่คิวเราอาจจะเป็นเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนที่มีต้นเกิดอุบัติเหตุก็ได้เราก็ลงย้อนกลับมาที่ตัวเราว่าเราก็ไม่ต่างจากเขา เราก็มีชิวของเราอยู่แต่ว่าเราไม่รู้บ อ, อะไรเท่านี้ไม่รู้วันไม่รู้เวลาแต่เราก็ถ้าวันหนึ่งก็ต้องตายเหมือนเขาแหะมองคนเอื่นล้วก็ต้องมองกลับมาที่ตัวเราโองปัญญายิ่โกู่รเจ้าบอกเห็นอะไรที่ไม่เที่ยงก็โองปัญญายิโ่โงกลับมาที่ตัวเราจะได้ไม่ประมาทจะได้เตรียมตัวตายกันจะได้ไม่โลภไม่ สะสมไม่เสียเวลาหาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่ไม่สามารถจะเอาติดตัวไปได้นมาสร้างนิพพานไปขัป้นเดียวกันนิพ่านไปกัป้นดียวกันการหลุดพ้นจากความทุกไปขนียวกัในการพิจารณาใจรับปล่อยวางทุกอย่างอยากไปอยากอยาไปอยากอยาก ไ, ไปได้อะไรอยากจะได้ความ คามปสัสจาความโลภความกลัวความหลงอาจารต้องลอง ป, ปฏิบัติตูค่ะอาจารย์น้องคิดนทางปัญญาต้องคิดอยู่เรื่อยเรเราก็เกิดมาแล้วต้องมีความตายเป็นธรรมดาลงว้นความตา ย, ยไม่ได้ไม่ว่าใครก็ตามที่เกิดมาแล้วทุกคนเป็ น, หนเหมือนกันหมดชาหรือเมลาก่อนหรือหลั ง, งนั้นเี่ ครัอาจารย์แล้วกเ็เรื่องการนอนพื้นคะระบอาจารย์ก็ตอนนี้ก็กลับมานอนพื้นที่พื้นแล้วครับอาจารย์แล้วก็เวลาที่มีเรียนดนตรีหรือว่ามีการประชุมอะไรก็จะพยายามเด็เที่ยัยงไม่ไปอยู่ในห้องพักครับอาจารย์วันที่อาจารย์บอกค่รัอห้องพักนี่ถือว่าเป็นวัดนะวันที่สงบที่เราจะไปไหว้ไปกราบไปปฏิบัติทราม ไม่ควรใช้ห้องพระทำกษษษษษษิจกรรมอย่างไหเพราพระเป็นของสูงพระพุทธธรรมพระสงฆ์น่เป็นของสูงเราควรจะยกย่องเทิคถึงบูชาเคารพคับอาจารย์แล้วก็วันนี้มีคำถามมาสอบถามครับอาจารย์คือเวลาที่ผมสวดมนต์หรือว่าฟังบทสวดนคะคะอาจารย์เราเกิดว่าฟังไม่ ฟังไม่จบบทอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็กดปิดไปก่อนหรือว่าหยุดส่วนไปก่อนเนี้นครับพระอาจารย์ผมสงสัยว่าอันนี้บาปไหมครับหรือว่าไม่บาป ค, ครับพระอาจารย์ไม่บาปแลคือจะไม่ได้บุญต่อตัดบุญหยุดการฟังนี่เป็นบุญเพราเราหยุดฟังก็เหมือนกับหยุดหยุดหยุดทำบุญบุญที่เกิดจากการฟังฟังธรรมะก็ทําให้จิตใจเราสงบได้ แล้วถ้าเราเข้าใจความหมายแล้วก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดความรู้ความฉลายขึ้นมาแล้วถ้าเราหยุดบ้างเราก็จะเสียส่วนนี้ไปแต่ถ้าเรามีความจํำเป็นจะต้องไปทําภารกิจอะไรอย่างไรก็ก็เป็นเป็นเรื่องธรรมดาที่เราไม่สามารถฟังได้ตลอดเวลาครับอาจารย์และไม่บาการฟังเป็นการสร้างบุญ ไม่ได้เป็นการการไม่ไม่ไม่ไม่ฟังก็เป็นการไม่ไม่สร้างนะอาจารย์แล้วก็สงสัยต่อครับอาจารย์ว่าคือเราก็ไปฟังที่หลวงพ่อปิยังท่านสอนเรืองการเดินจบกงค่ะแล้วก็มีข้อนึงที่สงสัยคับพระอาจารย์ท่านพูดถึงการเหมือนว่าไม่ไม่ให้ปิดตาตอนเดือนนะครับอาจารย์ผมได้เกิดความสงสัย ว่าทำไมนะครับเพราะว่ามีอยู่บางครั้งที่พบว่าตัวเองสงบกว่าเวลาปิดตาเราเดินนะครับอาจารย์อ๋อปิดตาเดินแล้วก็ชนนูน่นชน <c oughs> นี <c oughs> น่เลยทำไมเวลาเวลาที่ปิดตาก็ต้องในเวลาที่เราอยู่เฉยๆเม่เวลาหน้าเฉยๆไม่ขึ้นใหม่ <c oughs> ขึ้นไหมต้องเปิดตาดูและดูข้างหน้ามีอะไร จะเดินไปเตะนู่นเตะ น, นี่ชวนนั่นชวนนี่เรื่องนู น, นหัวลบเ่นอเ น, นั้ครับอาจารย์ใช่ครับมิค้ไม่ปิดตาหรอกเวลาเดินนะเดินนำกองนี่ใน ก, การปิดตาครับแล้วก็พระอาจารย์ครับผมสงสัยครับที่ อ, อผมก็ไปฟังมาอีกครับของถ้าจะไม่ปิดหลวงพอ่อเทียนหรือหลวงปู่หลวงพ่อที่ท่านสอนแบบว่าการปฏิบัติ ฝึกสติแบบเคลื่อนไหวอะครับมผมเลยเกิดความสงสัยว่าการขยับเคยื่อนร่างกายอะครับสามารถทําให้จิตสงบได้เหมือนกับการภาวนาพุทโธไหมครับไม่หรอกการเคลื่อนไหวของร่างกายนี่เป็นเพียงแต่ตามจริงมันเป็นความเข้าใจผิดนะคือที่เราใช้ร่างกายข้ามเคลื่อนไหวของร่างกายเพราะว่าเราอยู่เฉยๆไม่ได้ทั้งหวันนะเดี๋ยวเราต้อง ล้างหน้าแปลงฟันอาน้ํากินข้าวทําทงานอะไรต่างๆเราก็ใช้เวลาเหล่านี้มาให้เกิดประโยชน์ในการเจริญสติดได้สติดได้ด้วยการให้เราคอยเฝ้าดูว่าเรากำลังทําอะไรอยู่ไม่ให้ใจเราไปคิดเรื่องอื่นไปอยู่ที่อื่นเป็นไงบางทีเราทํางานอะไรอยู่แต่ใจเราไปโน่นไปเมื่อวานนี้ก็ได้ไปพรุ่งนี้ก็ได้ไป ท, ที่ใกล้ที่ไกลอันนี้เป็นการไม่มีสติเฉั้นถ้าเราอยากจะฝึกสติแล้วก็อาศาัยการเคลื่อนไวหวการทํางานของร่างกายนี่เป็นที่ถูกใจได้ผูกใจผูกใจคือให้ใจไม่ลอยการถูกใจนี่ก็คือการให้มีสตินั่นเองทำให้ใจให้มีสติให้อยู่กับที่ไม่ให้เคลื่อนไหวไม่คิดตูดแต่งประมาณนั้น ที่นี้ท่านกำลังดัดแปลงว่าท่านนั่งอยู่เฉยท่านมาเลยเอาเือเอาไมา้มาเคลื่อนไหวแล้วให้ใช้นั่นเป็นเป็นอารมณ์ของการเจริจสติขึ้นมาซึ่งถ้านั่งยเฉยน่าจะดูลาหายใจจะสบายกทําไมจะต้องไปเอามือยกยกมือขยับมือไปแล้วก็เดินดูไปอันนี้มันไม่เป็นธรรมชาติเข้าใจไหมนันจะเป็นการปฏิบัติที่เป็นธรรมชาติ แต่ก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่กล้าที่จะมาผิดนะถึงนะเียนแต่ว่าเราเราดูแล้วว่ามันไม่มันไม่ใช่ถ้าอยู่เฉยๆก็ดูลงสิดูลงหนใจก็ออกไปนั่งนั่งเฉยๆหรือถ้านั่งแล้วทำอะไรอยู่ว่าดูถ้ามือเรากําลังเนี่ยกําลังนับของนี่ก็ได้ก็ดูดูมือไปตอนนี้นับของนับได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยก็ดูก็ได้แต่ถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรแล้วก็เอามือมาทํา เคลื่อนไหวนี่มันรู้ทําไปทำไปอาจารย์ได้ครับแต่ก็ไม่ห้ามนะอยากจะทำอย่างไีก็ได้แต่มันมันจะสงบไม่สงบเท่ากาาับนั่งดูนมเฉยๆเพราะว่าใจของเราจะสงบได้นี่ร่างกายต้องนิ่งก่อ น, นอาจารย์การเคลื่อนไหวร่างกายแบบลงปูเทียนคล้ายๆกับการเดินจงกรมไหมครับอาจารย์เดินจงกรมกนเดินจงกรม คือนไหธรรมดาคนเรานั่งเราเราเราเราเอามือมาเคลื่อนไหวหรือเปล่าตามปกติแล้วมันคนทั่วไปมีใครก็ทําหมือนบ้างว่ะใช่ไหมเดินจงกรมก็มีคนเดินทุกวันการเดินก็มีการเดินอีกเป็นประจำโบจ่าบอกให้ทําในสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติที่เราทําเป็นปกติแต่ทีนี้ไม่ไม่ทราบว่าท่านอาจจะ นโยบายของท่านเนะี่ยนี่เราก็าไม่กล้านี่เราไปไปวิเคราะห์นะเป็นเรื่องของท่านแต่เป็นเราเราไม่ทําอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวนี้เวลามีข่าวที่ออกตามสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าตามโทรทัศน์นะครับเกี่ยวกับพระสมองค์เจ้าครับทำผิดวินยัยเราก็จะคิดก่อนว่าเอ๊ะเรื่องจริงหรือเปล่าเราก็จะ อนี้ก่อ น, นะครับหรือถ้ามีข่าวอะไรหรือพระเราเห็นพระปกติเดินหรือรับเงินหรืออะไรงนี้ผมก็จะแบบว่าก็คิดตามที่พระอาจารย์บอกนะครับว่าหนึ่งก็มีพระที่พยายามฝึกอยู่ในวินัยอยู่แล้วก็มีพระที่เป็นพระอารหันต์แล้วก็มีพระที่อาจจะไม่ปฏิบัติตามนะครับเราก็ยัางมอารู้ก็พยายามคิดอยานี้เราก็แยกแยกว่าเป็นบุคคลเป็นเรื่องของบุคคลนั่นไป อยากให้หมาว่าเป็นเรื่องของพระทา้งทางประเทศพระรูปนี้ไม่ดีก็ก็ไม่ดีสําหรับพระรูปนี้ไม่ได้โยงว่าพระรูปอื่นจะเสียไปด้วยพระดีรูปนี้ก็ไม่ได้มายควทําให้พระทั้งรูปดีตามใช่ไหมพาาหาระฐานรูปแบบนี้ทําให้พระรูปอื่นเป็นพาาาระฐานตางด้วยใช่ไหมเป็นเรื่องของปัจเจกับคุคคลเป็นเรื่องของอินดิวิชวล พันธ์ยันไหมอินดิวิวลนะม่ชเป็นเรื่องของส่วนรวมไม่ใช่ว่าคนหนึ่งทาแล้วเป็ น, นมิลชวเป็นในหมดทุกคนไม่ใช่ครับยได้ครับเดี๋ยวต้องลองฝึกค่ยัก็ยมยมทาบาปก น, นิยัติคุกคันยิแล้วทให้โยมคนหนึ่งเป็นบาปไปด้วยปะ่ะไม่ครับพันธ์ยันแล้วทไมไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ตื่นเต้นเวลาภาเป็นขึ้นมากลายเป็นเรื่องเรื่องใหญ่โตขึ้นมา แต่เวลาโยงค่ากัน <moon> ฟัน <Show> ก <ing sounds> ันอยู่ทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคือก็อาจจะตั้งเป้าว่าพระจะต้องเป็นเทวดาคือจะต้องบริสุทธิ์ทุกรูปใช่ไหมครับอาจารย์อาจจะเป็นเพราะว่าพระอาจจะเป็นเพราะภาพมันถือศีลมากกว่าอ่าคลวะทั่วไปหรือเปลรับอาจารย์ถ้าเป็นภาพที่คนคิดไงคิดว่าเป็นถ้าเป็นพระแล้วจะต้องจะต้องทํำบาปไม่ได้เลยท่าไม่ได้เลย ครับอาจารย์พอการทําขึ้นมาก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาอาจารย์ก็เอาแต่เฉพาะรูปนั้นไปไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ได้พูดเพื่อปกป้องคนทําผิดคนเสียคนเสียก็เสียไปผิดก็ผิดไปจับสึกไปก็เสร็จไปอันนี้เป็นเรื่องอันนึงถูกต้องอยู่แล้วต้องทําอย่าไม่ใช่ปล่อยให้มาทําให้ส่วนอื่นเสียหายตามไปด้วย เหมันอนคุณมีของในบ้านเนี่ยมีของบางอย่างเน่าคุณเอาของทั้งบ้านที่แไปเปล่ามีของเน่าอยู่ชิ้นหนึ่งไหมไม่ครับคุณจักใช่ไหม่ะแ้วเลือกของไหนที่มันเสียมันน่าคุณเอาไปทิ้งของไหนที่ยังดียังเก็บไว้ใช้ได้ก็เก็บไว้สิใช่ไมค่ะอันนี้ก็เหมือนการผ้าเน่าก็โยนทิ้งไปแล้วก็ไม่ต้องไปหาพ้าเน่าพ้าเสียก็อย่าเข้าไปไปหาพ้าดีผ้าดีก็มี ครับอาจารย์จะลองไปพิจารณาดูครับอาจารย์ไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องเสืส่อมศรัทธาไม่ต้องอะไรนะมันเป็นเรื่องปกติของสังคมของสองที่มีคนอยู่ร่วมกันมากๆเนี่ยมันก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีปะปนกันเข้าไปครับอาจารย์พระธรรมวินัยนี้ก็มีไว้สําหรับกัการแยกแยกเนี่ยนะถ้าไม่มีพระธรรมวินัยจะไปแยกพระได้เหรพระไหนดีพระไหนไม่ดีครับ พระที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยก็เป็นพระดีปฏิเขาเรียกว่าสุปฏิปันโนเห็นไหที่ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยก็ถือว่าเป็นพระไม่ดีแต่ไม่ได้หมายว่าพระไม่ปฏิบัติองค์เดียวไม่ดีทําให้พระที่อื่นๆปฏิบัติดีกายก็ไม่ดีไปด้วยครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ ถ้าไ ก, กิคนในบ้านของคุณถูกจับจะไปติดคุกติดตารางคนหนึ่งพวกคน เ, ง, เ, คเงินไม่ดีไปหมดเลยตามไปเรื่อยเราถ้าคนคนหนึ่งโดนก็น่าจะไม่เลวทางบ้านแต่ว่าก็ผมว่าน่าจะถูกสังคมมองนะคะแม่แสังคม ช, ชอบชอบด่าคนอื่นไม่ชอบด่าตัวเอง ช, ชอ้ยยกตนของท่านนะยชอบคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น อาจารย์แล้วก็คำถามสุดท้ายนครับอาจารย์คือพอเวลามาสนใจทางธรรมนะครับอาจารย์แล้วก็อยู่กับเพื่อนฝูงอย่างเงี้ยครับเรามีเพื่อนที่เขาไม่ได้ศรัทธาทางนี้หรือว่าเขาไม่ได้สนใจที่จะว่าเป็นคนดีอะไรเงี้ยครับอาจารย์ก็มันบางทีมันทำให้เราแบบไม่ค่อยอยากจะคบหาเท่าไหร่แล้วก็นิ่งๆเฉยๆไว้อันนี้ เขาถูกต้องเขอถูกต้องเมื่อเราไปด้วยกันไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเข า, าศภาสมาสำคัญแต่ไม่รังเกียจกันไม่ขาดความเมตตาก็ายังมีไมตรีจิตยินดีพร้อมที่เป็นเมตขาอยู่เสนอเองแต่เราทํากิจกรรมร่วมกันไม่ได้เช่นถ้าถ้าหน้โมชอบเตะฟุตบอลแต่เพื่อนเขาไม่ชอบเตะฟุตบอลก็าชอบไปเล่นเล่ น, เ ล, นเล่นเทเบิลเทนหรือสิ่งนี้แล้วจะไปด้วยกันได้ไหมไม่น่ารอดครับอาจารย์อ่านั่นแหละ ก็อย่างนั้นแหะแต่ต้องต้องโกรธกันเกลียดกันไหมไม่ต้องครับก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมครับอาจารย์อ่ไม่ใช่เหตุผลการทาอะไรเมื่อเรามาทาทำเรามานั่งสมาธิเขาไม่มาด้วยเราจะไปฟังค่าวเขาได้หรอเปล่าเขาจะไปเล่นเกมแทนเขาไปเข้าไปเลยเขามันไปเล่นเกมของเราแล้วเขาไปนั่งสมาธิของเราถ้าเท่านั้น่ถ้าถ้าวันไหนทากิจกรรมเหมือนกันเช่น ชอบไปดูบาสเกตบอลด้วยกันก็ไปดูด้วยกันก็ได้ใช่ไหมไม่ในชะครับจะตัดการเป็นเพื่อนไปหมดทุอย่างนี่ไงครัอาจารย์อด้ครับวันนี้ก็หมดคําถามแลครอาจารย์รขอบคุณคุณอาจารย์การทำต้องใช้เหตุผลใช้ปัญญาแล้วมันจะได้อมันจะได้ไม่เสียหายแต่ถ้าเราใช้อารมณ์เนี่ยพอไม่ชอบอะไรปั๊มนี้ก็ไม่ชอบปวดเลอะไรอย่างนี้ไม่ถูก ได้ครับจะลองกลับไปฝึกปฏิบัติครับอาจารย์โอเคครับ Next Jamal a n Jati กลับสำพิธีกรรครับยด d ี้ไปไหน d ด d ี้ไม่อยู่แล้ออยอยู่อีกห้องหนึ่งครับเราไม่เรื่องมีอะไรไหมวันนี้ก็คือตอนนี้การศึกษาเรื่องมงคลสามสิบแปดประการครับศึกษา ทำข้อไหนได้บ้างหนึ่งถึงสิบครับหนึ 1> 1่งถึงสิบนะทำได้หมดเลยเลยอือรู้จักเลือกรู้จักเลือกครบคนไหมเลือกครบันดีคนไม่ดีอ่าไปครบสองข้อแรกใช่ไหมใช่ครับแล้วข้อที่สามบูชาบิดามารดาผู้มีกุศลทั้งหลายนี่เข้าใจไหมว่าเป็นยังไงเข้าใจเข้าใจครับก็อย่างที่เขาเลพีพ่อแม่กราบไหว้พ่อแม่ เชื่อฟังพ่อแม่อันนี้เรีว่าเป็นการบูชาทุกคนพ่อแม่แล้วข้อที่สี่เป็นอะไรจำได้ไหมอาใส่อยู่ในที่ที่ที่เหมาะสมใช่เชื่อครับก็ที่อยู่อาศายมันก็มีทั้งที่ที่ไม่ปลอดภัยก็มีที่ปลอดภัยก็มีไม่อยู่ใกล้โรงงานมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยใช่ไหมมีพิกมีความคพิษนีอะ เราว่าไปอยู่ในที่ที่มีแต่คนไม่ดีอยก็ไม่คนจะไปด้วยใช่ไห ม, ไ, หมไม่มีอะไรถามไหมเรื่องโมคนเรื่องโคนสามสิบแปดไม่มีคําถามครับแต่มีคําถามเรื่องการนั่งสมาธิครับมาไหมคบก็คือการที่ตอนที่เรานั่งสมาธิครับมันจะมีความคิดสองแบบครับก็คือที่เราคิดเองก็ ที่มันโผล่ขึ้นมาขึ้นมาเองเหรอครับต้องทํายังไงกับความคิดเหรอครับออให้เราอยู่กับความคิดที่เราคิดเองให้เราคิดพุดโทโธพุโทโธคืคิดส่วนมนส่วนความคิดอื่นมันจะแทรกเข้ามาเราไม่ต้องไปสนใจมัน ต, ตอนนี้มันยังมีกําลังมากแต่ถ้าเรามีพุโทโธพุโทโธพุโทโธมากขึ้นมากขึ้นเราไปความคิดแทรกเข้ามาก็จะน้อยลงน้อยลงไป แต่านั่งสมาธิเราต้องต้องใช้ความคิดความคิดที่ดีมาหยุดความคิดที่ไม่ดี <inst immune> ดเป็นพุทโธนี่เป็นความคิดที่ดีและสวดมนต์นี่ก็เป็นความคิดที่ดีพิธีติสมุทควาอารามสัมมาสัมพุโทโธนี้สวดไปเรื่อยๆความคิดไม่ดีต่างๆก็จะค่อยๆหายไเวลานั่งหนูหนทำยังไงนั่งสมาธิหนูทำยังไง ในกานั่งสมาธิทำยังไงคิดอะไรหรือเปก็มีคิดบ้างไม่ <c oughs> เราเราไม่พูดโธเลยลนะนั่งสมาธิไม่ไม่ใช้พูดโธรศท <c oughs> พูรับกพูโธอยู่ครับต้องอยู่มาพูดโธรศัพให้พูดโหายนะครับต้องรักษาพูดโธรเหมือนเงินในกระเป๋ า, านะเข้าใจเงินในกระเป๋านี่ไม่ยอมให้มันหายใช่ไหมเข้าใจครับพูโทก็เหมือนกับ เงินเมีคนณค่ามากกว่าเงนในกระเป๋าเราอีกเวลานั่งสมาธิต้องมีต้องรักษาพุทโธให้อยู่นะอย่านั่งเฉยเฉยนะอย่นั่งเฉยเฉย อ, อยใจคิดอะไรแปลกแปลขึ้นมาแล้วคิดถึงผีคิดถึงอะไรขึ้นมาแล้วเราจะเราจะกลัวขึ้นมาะคครรัับบไม่นอนปล่อยให้มันคิดนะพอไปคิดถึงผีคิดอะไรต้องแสดงว่าเราพุทโธเราหายแล้วต้องเรียบเร็ว <Okay. S 1> พุทโธกลับมาแล้ว ะเวลาไปอยู่ที่ไหนถ้าเจอความกลัวก็แสดงว่าเราไม่มีพุโทโธนิ่เ ร, เรียกพุโทโธกลับมาถ้าอยู่พุโทโธพุโทโธไปตั้งเยอความกลัวก็หายไปผีก็หายไปผีมันเกิจากความคิดอึ่างไรคิดขึ้นมาสร้างขึ้นมากานั่งพุโทโธพุโทโธเพให้จิตเราเนื่งต่อไปถ้าเราอยู่พุโทโธไป แล้วมถ้าไม่มีความคิดอื่นต่อไปพุโทโธก็จะอยู่เองแล้วเราก็จะมีความสุขจะมีความสบายครับหเวลานั่งเนี่ยหยุดพุดโทโธนะถ้าอยู่พุโทโธก็ถือว่าไม่ได้นั่งสมาธิแล้วนะครับร้าใจไหมพอใจครับ หรืออีกวิธีหนึ่งถ้าไม่ใช้พุทโธก็ดูลมหายใจที่ปลายจมูกดูดูได้ไหมเวลานั่งสมาธิดูดได้ครับดูว่าลมกาลังเข้ากำลังออกดูตรงจุดที่มันสัมผัสเข้าออกไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาให้อยู่ที่จุดเดียวอันนี้ก็ทำให้ใจนิ่งได้ใจนิ่งแล้วใจจะสบายในความสุเมกากกว่าได้เล่นเกมมกากกว่าได้กินขนม เข้าใจไหมเข้าใจครับโอเคโมกุลนะส่วนโมกุลก็พยายามศึกษาไปเรื่อยๆแล้วพยายามทําไปเรื่อย <38 S 2> ๆครับครับสามสิบสามสิบแปดข้อนนี้พยายามศึกษาไปทาความเข้าใจไปแล้วก็อาจลองลองทำตามที่ครูเจ้าสอนให้คำนะครับโอเคนะไม่มีอะไรใช่ไหม ไมมีแล้วคะขอบคุณขับคุณพระคุณพระอาจารย์ต่อไปคุณดิสยาอากดาราที่ว่าักสการค่ะพระอาจารย์อาจารย์ได้ยินเสียงไคะได้ยินได้ค่ะเออนานครนีบ้าหรือดาราที่ว่านราที่ว่าค่ะคือเวลาเข้าสมาธิค่ะบทที่เขาจะเข้า แต่เวลาเขาจะถอนออกเขาก็ถอนออกแบบมันมันควบคุมไม่ได้ก็สติมันหมดใช่ไหมน้ำมันหมดมันก็จอดใช่ไหมเ่าก็ไปคุณเติมน้ำมันน้อนก็มันก็วิ่งไม่ได้ไกลถ้าคุณติมน้ํามันเยอะมันก็วิ่งได้ไกลสติถ้าสติของคุณเยอะมันก็นั่งนานถ้าสติน้อยมันก็นั่งในมันก็นิ่งได้ได้สั้นๆมันต้องพยายามเติมสติก่อนที่จะนั่งนะคต่น้ำมันก่อนที่จะขับรถไปไหนมาไหน แสดงว่าจริงๆเรื่องของการ ม, มีสเขาเรียกการที่จิตมันนิ่งอย่างเงี้ยค่ะมันก็สามารถควบคุมได้ใช่ไหมคะเป็นได้ถ้ามีสติสติเป็นเครืควบคุมให้จิตให้นิ่งบางคนเก่งๆนี่นั่งได้เป็นวันเป็นคืนนย่างี้แต่ว่าเขาก็ต้องถอนออกมาอยู่ดีหรือเปล่าใช่เพราะร่างกายมันต้องมันมีการดูงไร่างกายมันต้องกินข้าวล้องขับถ่ายต้องอะไร แสดงว่าที่ควบคุมก็คือเราตอนเหมือนขับรถหรือเปล่าคะที่เราควบคุมมันก่อนแล้วก็แต่ว่าถ้าสมมุติจะไปเอไปเจออะไรข้างทางหรืออะไรอย่างเงี้ยเราควบคุมมันไม่ได้เป็นแบบนี้หรือเปล่าคะพอเจอข้างทางแล้วอย่าไปสนใจแลราขับของเราไปเรื่อยๆอย่าไปว่าเดี๋ยวข้างทางก็มีขายของเซลลพิเศษขายน้าขอมลดราคาแวะตอบซื้อก่อนเลย เราจะกลับไปบ้านอยากไปล้องจากรถอยากไปหยุดรถอย่าหยุดถ้าเราดูลงไม่อยากหยุดดูลงถ้าเราพูดโทไม่อยากหยุดพูดโทแล้วพอถึงบ้านเสร็จแล้วเราถอยออกมาก็มันก็หมดกำลังมันพอพอถึงบ้านป้ากิเลศมันอยากจะออกไปที่ห้นอกนะครับมันก็ขับออกมาเนี่ยรถของเราเนี่มีคนขับสองคนสติคนหนึ่งแล้วก็ ตันหาเกเรคนหนึ่งถ้าคนไหนมีกําลังมากกว่าันก็ดันให้เข้าไปทางทางหนึ่งถ้าอีกฝ่ายนึ่งมีกําลังมากกว่าก็ดันออกไปค่ะแล้วเราทํายังไงให้คนชวนกลับบ้านเขาไม่ไม่ต้องชวนไอ้ชวนอยู่บ้านแล้วทำยังไงให้เขาไม่ไม่พาเราออกกับอีกทีอะคะก็เห็นว่าอยู่บ้านมันสบายกว่าอยู่ข้างนอกนีะถ้าเราเจอความสมบาบหวั่นไหวแล้วเราก็ไม่ต่อบไปก็ไม่อยากจะไปข้างนอก ก็ไปข้างหน้าก็ร้อนวุ่นวายมีเรื่อ ง, ม, องมีรามีปัญหาต่างๆเยอะแยะันนั้นก็ขั้นปัญญาเนี่ยต่อไปพอปีเลยอากจะไปเที่ยวเอว่าไปเที่ยวเหนื่อยเสียเงินเสียธรรมกำลนงก็ความความสุขก็หายไปหมอยู่บ้านก็นเหงาอีกเี้ก็ต้องออกไปเที่ยวอีกคืออย่าอย่าอยากออกไปกับมัไม่มีความยากออกมันไก็จะอยู่บ้านได้อย่างสบาย แล้วเขาก็สามารถออกมาเพราะว่าเราอยากออกเองไม่มีเพื่อนชวนออกอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้ามันมีความสุขมีปัญญาแล้วไม่อยากจะออกเพื่อนชวนก็ไม่ออกนอกจากมีหน้าที่มีภาระที่จะต้องทำแ ล, ละเอาถึงจะออกพระพุทธเจ้าเองต้องออกบิณฑบาตตอนเช้าอยู่ทำหน้าที่เล ร, ร่างกายอยู่แต่ถ้าไม่มีหน้าที่ท่ก็อยู่ว่าถึงท่านนอกจากมีหน้าที่ต้องไปสแสดงทําที่ไหนท่านก็ไป แต่ท่านจะไม่ได้ไปได้วยความอยากในเหมือนพวกเราอยู่บ้านอยู่บน อ, อนุ่นๆท่านต้องไปนู่นมานี่แล้นะนั้นให้ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปนะอยู่บ้านไม่ไหวใช่ไหมเบื่อแดงนั่นแหละเพราะเรายังเรายังไม่มีสติปัญญาที่จะหยุดความอยากได้อยา่างถาวรค่ะเข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเร า, า, าจะนําไปปฏิบัติค่ะพยายาม ฉลาดสติขับเบ้องต้นนี่เอาสติให้ได้ให้ก่อนแล้วค่อยมาศึกษาดานปัญญาเอาสติกดมันไว้ก่อนดันมันเข้าไปก่อนแล้วพอมันได้สัมผัสกับความสิทธิอยู่ในบ้านแล้วมันต่อไปเวลามัเจะก็เอาปัญญามาเปรียบเทียบกนแล้ว่อาออกข้างนอกบ้านกันว่าอันไหนจะสุขกว่า ก, กันอันไหนจะทุกข์กว่ากันแสดงว่าตอนเขาดันออกก็เราก็เอามันเปรียบเทียบได้เลยใช่ไหมคะ ได้ถ้าเรามีปัญญาก็เปรียบเทียบกันระหว่าอยู่ข้างในกนัอยู่ข้างนอกมันไร ด, ดีกว่ากัน <c oughs> อยู่ข้างนอกมันอาจจะสนุกได้นู่นได้นี่แต่มันสนุกแบบยาเสร็จติดใช่ไหมเวลาได้เสร็จก็มีความสุขแต่เดี๋ยวพอไม่ได้เสร็จที่นี่ก็หมดกิ น, ลนแล้เอาไว้ละว่าเองนะแล้วออพอตอนพิจารณาเสร็จดูเปรียบเทียบ ว, ว่าอยู่ข้างนอกก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ แล้วอยู่ๆก็ดึงกลับไปที่บ้านเองเรามันก็เปลี่ยนใจไม่ต้องเดินว่าเปลี่ยนใจตอนนั้นอยากจะออกแล้วพอ อ, ออกไปครับรถติดเงี้ยไม่ไปไไหร<า>ือเปล่านะเห็นทุกข์ให้เห็นทุกข์กันการออกมาทางตาหูจมูกนร่งๆต้องเจอทุกข์อย่างใดอยไม่ช้าก็เลยทํานึกถึงทุกข์แล้วไม่ออกดีกว่าอยู่บ้านสบายๆนะอยู่บ้านติดแอร์เย็นสบาย ข้าวก็มีกินขนมก็มีกินอะไรทั้งอย่าง ก, ก็มีถ้าอย่างนั้นก็คือเพราะเขาจะอยู่พอพิจารณาเขาจะเข้าเองก็ปล่อยเขาเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวพรายังไงเดี๋ยวเขาก็ออกมาอีกทีใช่ประมาณนี้นะครับก็ไม่ออกถ้าเข้าเข้าแล้วก็วไม่ไมออกนอกจากว่าถ้ามีความจำเป็นมีมีธุระจริงๆมีเหตุมีผลไม่ใช่แต่ถ้าอารมไม่มีความอยากมีแต่ยังมีความยังมีหน้าที่อยู่เช่น อาจจะต้องไปรักษาร่างกายนั่งกายมีนัด ก, กับหมนะออะไรนี้ก็ไปหรือถึงเวลาต้องเติมอาหารให้ร่างกายอ อ, อกไปซื้อกับข้าวออกไปซื้ออะไรลองนี้ซื้อเสร็จก็กลับบ้านไม่ไปไหนไม่ถลายถลายไปว่าไปเที่ยวที่นั่นไปช็อปที่นู่นซื้อกระเป๋าซื้อน่องท้าอะไรเพิ่มซื้อแต่ของจำเป็น ค่ะถ้าไม่มีความอยากนะถ้ามีความอยากมันจะอ้างมูนอ้างที่ไปแต่ความจริงมันอยากจะออกมากกค่ะคามันลู้แก่ใจนะคนเราถ้ามันถึงจุดอิ่มแล้วมันจะรู้ว่ามันอิ่มไม่มันไม่อิ่มแต่ถ้ามันไยังหิวอยู่มันก็หลอกตัวเองไม่ได้มันก็อ้างไปเองนั่นเองแต่ความจริงมันยเงหิวว่ารูปเสียงกลิ่นต้อ แล้วมันอึดอัดไมแล้วมันหิวแล้วอยู่บ้านมันอึดอัดมันเศร้ามันเซงมันเบื่อแต่ถ้าไม่มีความเห็นความอยากมันไม่อเซงมันไม่เซงมันไม่เศร้ามันถ้ามีความสงบอยู่ในใจแล้วถ้ามันเริ่มหายไปเริ่มเกับความเส็งมันก็จะได้ใช้ปัญญาบอกนะเกิดความอยากก็แล้วก็หยุดความอยากเห็นเมื่อเห็นท้อไปแล้วมันทุกข์มันอยากไปดีกว่าพอหยุดความอยากว่ามันความเซงก็หายไป ความเือก็หาไปจานระย์นะให้พยายามฝึกสติให้มากในเบื้องต้นจนกว่าจะเข้าสมาธิให้มันนิ่งให้สงบได้น า, านๆแล้วขั้นต่อไปก็มาฝึกซ้อนด้วย ป, ปัญญาว่าการออกมาข้างนอกนี่เหมือนกับมาหาความทุกข์รูปเสียงเก่นแล้วผู้าบอกเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันไม่สมัครสมอมันไม่ดีไปตลอดใช่ไหม เดี๋ยวดีบ้างเดี๋ยวไม่ดีบ้างพอเจอไม่ดีเข้าก็อยากจะกลับเข้ามาอยากจะกลับบ้านขอบคุณพระอาจารย์มากค่ะโอเคท่านต่อไปคุณวิไลบอลยมหญิงอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองนะค่ะกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะวันนี้มาฟังธรรมกับพระอาจารย์ค่ะแล้วเดี๋ยววันศุกร์นี้จะไปใส่บาตรพคุณพ่อไปใส่บาตรพระอาจารย์นะคะใช่สาวถค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์ค่ะ เช่นคุณเองผิกสการจาออกคอรทมลต่อนมามสกุลครับอาจารย์ว่ามาเลยชัดเจนได้ยินชัดเจนครับมีคำถามครับอาจารย์ปกตินี้ผมจะถือสินแปดเฉพาะวันพระแล้วก็เริ่มมาถือสินแปดต่อเนื่องครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา mm hmm. ถือแบบเข้มก็ไม่ดูทีวีก็มีเวลาปฏิบัติได้ต่อเนื่องมากขึ้นครับก็แล้วก็สามวันที่ผ่านมาก็เจริญสติเกือบทั้งวันนะครับตั้งแต่ตื่นยันหลับก็ได้เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เดินเดินจงกรมสลับกับนั่งสมาธิกับแล้วก็ช่วงวันที่สามเนี่ยตอนเย็นเนี่ยผม ไม่เคยพิจารณาปัญญาครับพอออกจากสมาธิเนี่ยเฝเอิญว่ามันรู้สึกว่ามันเหมือนสดชื่นผิดปกติครับเหมือนมันอิ่มก็เลยเอา้ามาลองลองลองทดลองพิจารณาปัญญาดูครับ<ม>ก็ทีนี้ก็เลยลองนึกคิดพูดกับตัวเองเหมือนกับสอนสอนตัวเราอะครับอาจารย์<ม>ว่าร่างกายมีเที่ยงเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายพัดผ้พาพเป็นธรรมดา แล้วก็เย็นว่าอันนี้ถามพระอาจารย์ไปตอนวันอาทิตย์แล้วอะครับพระอาจารย์ให้ให้ไปดูว่า เ, เป้าหมายที่เราที่ตั้งไว้เนี่ยมันได้แบบนั้นจริงๆหรือเปล่าครับก็ก็ไอตัวแก่เก็บตายนี่น่าจะได้นะครับแต่ว่าไอตัวพัดภาคมันมันยังติดอยู่ครับต้องทำยังไงครับอ่ามันละตานกพัดภาคไมนใช่ ถ้าตายได้มันก็พัดท่าได้โอ้ใช่ั้มคือเราเราไปมองแค่ตัวเราเราไม่ได้ไปมองคนอื่นใช่ไหมอ่าทั้งของคนอื่นทั้งทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องตายนม้แต่รถมันะ็ยต้องตายใช่ไหมอืมมันต้องจะรออย่างไรอย่างไหรสม บ, บัติเก้าของเงินทางอาจจะโดนไฟไหม้จะโดนจอมาพ้นมาจี้นาระมยถูกเขาชอบโกงอะไรไป เราก็เตรียมตัวเตรียมใจยอมรับกับความจริงอยอยาไปทุกข์ทำไมเพราะของตำหวจไม่ใช่เป็นของเราพิจารณาหน้าตาใช่อหมของมันมั็นของเรายืมเข้ามาเออจะขอก็มาขอคืนไปของภายนอกนี้ไม่เท่าไหร่ครับมันติดไตรงลูกเนี่ยครับอ่าลูกับภายนอกไม่ใช่ไหมหมายถึงสิ่งของนะครับ คิดว่าน่าจะได้หมายถึงว่าทรัพย์สมบัติอะไรพวกนี้ทรัพย์ได้อยู่แต่คนยังติดอยู่ครับคนมันก็ดินน้าลมไฟเหมือนกันไม่ใช่ร่างกายมันทํามาจากอะไรครับนะก็ต้องไปพิจารณาต่อแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็เลยลองมาดูอสุพะครับทีนี้เอออสุภะนี่มันมันเป็นเจริญสติหรือว่าเจริญปัญญาครับปัญญาหรือว่าทั้งสอบ มัญยาแต่มันต้องมีสติมันถึงจะได้ถ้าไม่มีสติมันก็เดี๋ยวเร็ไปคิดทั้งอื่นมันชอบดูเรเบลอยมากกว่าดูพระปัญญาครับผมก็เลยแต่ว่ายังนึกภาพไม่ออกครับะอาจารย์ตอนนั้นไม่ออกผมสื้อโฆษณาตอนนีก็มาดูดูรูปดูอะไรมันก็ยังนึกไม่ออกมันก็เลยไปลองหาคลิปปรากฏว่ามีครับอาจารย์เป็นคลิปที่เขาผ่าสดเออจริงๆเลยครับเป็นภาพเคลื่อนไหวก็ เหมือนพระอาจารย์บอกเลยครับตอนที่เขาเลาะหนังออกครับเหมือนพลาสติกที่หุ้มของไม่สวยไม่งามอะไรจริงครับมันเห็นแล้วหูขนาดนี้เลยเหรอเขาผ่ามาแล้วเห็นเป็นทีละชิ้นทีละชิ้นเลยครับก็อันนี้อันนี้เราต้องดูบ่อยๆใช่ไหมฮะเพื่อให้ภาพมันจำจนจาได้เราไปเวลาเห็นก็เห็นทะลุเข้าไปข้างในได้แล้วพอเกิดการมาลมปุ๊บมันจะขึ้นมาเองใช่ไหะไอ้ภาพวกนี้ ถ้ามันถ้ามันจําได้มันจะขึ้นมาถ้ามันจําไม่ได้มันก็ไม่ขึ้นมาเพราะมันมันมันจะไปจําแต่ภาพสวยๆมากแทนอ๋อมันมันจะเป็นอัตโนมัติเลยป่ะอาจากก็อยู่ที่ว่าเราฝึกมันอ่าก็้องไปดูทดลองดูเคยเคยทดลองแต่แบบมันอยู่ได้ชั่วคราวแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้เห็นศพเป็น เห็นกระดูวแวบๆ แ, แต่คือภาพมันไม่ชัดเจนครับถ้าเวลาเรามีการมาลองถาเราลองดยเช่ไหมไม่ถึงหน้าสุภาได้แล้วคำถามก็คือว่าการพิจารณาทางปัญญานี่มันมีลำดับขั้นตอนอหรือไม่ครับว่าจะพิจารณาอะไรก่อนหรือหลังครับเพื่ออาจารยได้ไปหายากง่ายก็คือของไพ่อกใช่ไหมเงนินทองของเงินทอง แล้วก็เข้ามาของที่ใกล้ตัวเราครอบครัวเราบิดามารดาพี่น้องบุตรธิดาภรรยาอะไรนั่นเราต่ตอแล้วก็ร่างกายของเราโอ้ร่างกายของเราที่หลังสุดก็มันมันยากก่าใช่ไหมการคือเราต้องปล่อยของของง่ายให้ได้ก่อนก่อนที่จะมาป่อยของยากใช่ไหมอืม แต่๋วเาคิดว่าเรามาทําปล่อยขอยงยากเลย แ, แล้วจะปล่อยของเขาง่ายได้ตรที่มาจะหลอกเราไม่ได้ว่าเราปล่อยแล้วแต่เรายังไม่รู้ว่าปล่อยจริงหรือเปล่าเราก็ต้องไปพิสูจน์ต้องไปทดสอบดูเอาร่างกายไปไปไปเสียงของขับเ ป, ป็นความตายแล้วดูว่าปล่อยจริงหรือเปล่าก็ต้องทําให้มันมากขึ้นนี่แหละนั่ใช่ ของภายนอกก็เราอย่าไปอยู่ยังน้องอยู่แบบไม่มีอะไรสักพักไปอยู่ว่าสักเจ็ดวันสิบวันไม่มีอะไรอยู่แบบขอทานอยู่แบบเด็กวัดนี้ก็ตอนนี้ก็งานก็ไม่ค่อยได้ทำํำส่วนใหญ่ก็จะมาเรื่องทำเป็นส่วนใหญ่ครับแต่มั่น้องสิ้นเนื้อบรรดาตัวเราจะอยู่ยังไงเราก็ไม่อาสัยวันอยู่แต่ว่า ก, ก็มันก็ติดที่ทางทางทางภรรยา เขาไม่ไม่ไม่ค่อยให้ไปแต่ว่าผมก็ปฏิบัติที่บ้านใช้บ้านเป็นวัดครับใช่แต่ถ้ามีโอกาสยังไม่ไดเหมือนของจริงมันก็ยังมีมีต่างกันเยอะครับมนทรัพย์สมบัติในข้าวของอะไรต่างๆที่คอยสนับสนุนบิเรตเราอยู่อะใช่ครับแล้วมาอยู่แบบมอวีมอวีไม่มาอยู่บนเขาไงกางคืนผมผมไปมารอบหนึ่งแครับอาจารย์ แต่เดี๋ยวไปเดือนหน้าครับต้องไปบ่อยๆไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปนั้นเยอะๆไปนานๆในฝรั่งบ า, างคนมาอยู่เป็นปีเลยไม่ต่างชาติ เ, เพราะคุยกันเขาให้แค่ได้แค่สามเดือนครั้งเองเขาให้แค่นั้นแต่แต่ผมก็ทำที่บ้านไม่มีคำถามครับคือ ค, คือเป็นการทดสอบปัญญาของเราเลว่าเราฝ่อยได้จริงรึเปล่า S <S <S เรามองว่าเปล่อยได้แต่เรายังอยู่กับมันเแสดงว่ามันตายพูดอย่างหนึ่งใจเป็นอีกอย่างใช่ไหมพี่ปัญญาผมปล่อยได้เดี๋ยวเกิดไปเห็นก็มีไปแอบคุยกับผู้ชายคนหนึ่งขึ้นมาใจยุ่งขึ้นมาค่ะจะร้อนขึ้นมาค่ะก่นอนหน้านี้ก็ก็เคยคิดเหมือนกันนะครับว่า <S <S เถ้าถ้าพ่อจาจันพ่อาจารย์เคยเคยเคยเคย เคยพูดให้ฟังเหมือนกันนะครับผมบ<อ>กม็มเลยต้องแน่นอ น, นมันไม่มีอะไรแน่นอนครั บ, บก็แรกๆก็ไม่ได้นะครับคิดเหมือนกั น, นะแต่ว่าหลังๆก็คิดว่าได้นะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่ ม, มแบบแยกแยกห้องนอนกันเขาก็โอเคขึ้นนะครับนั่นก็ยังมป็นความคิดอยู่ก็ยังไปเจอของจริงจริงๆขึ้นมาก็ยังไม่รู้ว่าจะจะเรื่อง่ายไปใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็ แต่ถ้าคิดบ่อยๆโยนั่นมันติดตามติดใจมันมันน่าจะปล่อยได้แต่คิดแล้วบอกให้เข้าใจแล้วปล่อยได้แล้วนี้ไม่แน่ไอตอนเห็นภาพสพนี่ออืผมนั่นเลยครับอาญารนหมดเลยครับกล้ามร่องคือไม่เลือเลยมันมันมโอ้โหเขาผ่าออกมานิดดึงถะลกออกมาไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับไม่เคยเห<ด>็นนะเช่นในอินเทอร์นเน็ตนะ ใช่ครับผมพิมพ์คำว่าอสุภาเข้าไปครับโอ้ดูตกใจเลยครับครับมีครับเป็นภาพเพื่อนไหวเขาผ่าทั้งผู้หญิงผู้ชายครับเป็นถ้าขลือกขยะขยันเลอกอะไรไมยขยัเหมือนกันครับตอนแรกๆครับแต่พอดูเที่ยวที่สองมันก็นิ่งๆครับนิ่งขึ้นดูได ก็มา <คน S 2> สองใจเราคนดูไม่ได้น แ, แสดงว่า ส, สมาธิยังมีกำลังน้อยอ๋อแต่ภาพมันขย雅ขยแยงถ้าถ้าจิตไม่แข็งผมว่าดูไม่ได้บางคนงงเป็กาบอุเหียนก้นเครับแสดงว่าจิตอ่อนหน้าถ้ามีปฏิปิรียถ้าจิตมีอุเบคามากมันจะนิ่งจะเฉยจะเดินไปตามาเป็นกรนได้ ยังการฝึกสติสมาธิ เ, เป็นบาทท้ายนักปัญญาะครับ ใ, ในเรื่องที่มันจิตไม่อยากที่เรื่องที่กิเลสไม่ชอบชอบมองครับแต่เราต้องบังคับให้มันมองเพื่อมันจะได้จะ ไ, ได้ปล่อยได้ ไ, ได้ละกิเลสได้ดีแล้วหลังมาถูกทาง น, ะนี้ก็หน้าที่ของคุณทําให้มากขึ้นนั่นแหละใช่ไหให้มากขึ้นบ่อยขึ้น มันทุกอย่างที่เราพิจารณานี้มันฝังอยู่ในใจไม่ให้หรวง ไ, ไม่ได้ก็พระอาจารย์ให้จัดเป็นตารางอรัเรื่องความเพียรนะครับอตอนแรกทำเป็นคร่าวๆก็ยังไม่ก้าวหน้าทีนี้ลงเป็นเวลาเลย ม, มันมั น, <ใ>นมั น, ม, น ม, มันได้เยอะขึ้นครับก็แบบมีเวลาเยอะขึ้นเ ห, นเหลือเชื่อเลยครับพอาจารย์ แล้วเราเหมือนทําเป็นเช็คลิสต์ไว้ครับทุกวันทุกวันทาานําตาิดไปครับการการทําตารางนี่ก็เหมือนแบบอธิษฐานนะส่วนเช็คลิสต์ก็เหมือนกับเป็นสัจจะต้องสอบวา่าเราทําตามตารางหรือเปล่าเรื่องเราท ะ, ล ะ, ละเลทลายมั้ยหรือไม่อั น, น, นแล้วก็แล้วก็พอผิดผมก็หยอดเงินในกระปุกแบบที่พักการพอครับก็ทําโทษเลยครับอผิดหนึ่งข้อก็ห้าร้อยครับหย่อดไป ทำงั้นไปทําบุญทำปริโยให้กับมันครับครับไม่งั้นมันก็จะทำไม่งั้นมันก็จะรอเลยไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไครับเมื่อก่อนเดี๋ยวหยวนอยู่เรื่อยเลยว่าทำเอ้ยเดี๋ยวดูหนังสักเรื่องเอ้ย เ, เดี๋ยวดูข่าวสักหน่อยมันไปเรื่อยครับอาจารย์ใช่ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่แน่วแน่เอาจริงจังมันโดนมันหลอกแน่ๆถ้าพัดเอ้าเดี๋ยวเอาซีรีส์สักเรื่องอย่าเงี้ยตอนหลังผมเลยยกเลิกเลยครับเ น, น็ตฟิกเลิกเลย ไม่เอาละมันติดดูแลได้อะไรลองใช้ปัญญาทำได้ครับดูแล้วก็มันก็เพลินไม่ได้อะไรเยอแล้วมันก็ผ่านไปเป็นของการฆ่าเวลาสำหรับคนที่ไม่รู้จะทำอะไรนั่นเองใช่ครับแต่เรามีเวลาเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรแล้วเราจะปล่อยให้เวลาในท่านมีเสียไปกับการเรื่องินสาระทั้งนั้นนะดีแล้วล่ะคือมาถูกทางแล้วท่าที่สามนี้ก็ทุนอย่างก็โอเคแต่ว่าขอให้มัน อย่าให้มันถดถอยให้มันเพิ่มมากขึ้นก็แล้วกันอย่าถดถอยอย่าเลิกนี่มีการา่วมกันแล้วก็พยายามเพิ่มขึ้นไปก้าวขึ้นไปข้างหน้าให้มากขึ้นมากขึ้นไปครับขอขระคุณครับอาจารย์ก็ได้กำลังใจเพิ่มมากขึ้นครับอก็เข้ามาฟังเนี่ยทุกคนเราทุกคนฟังแล้วแต่ละคนได้ยินได้ฟังแล้วแต่ละคนช่วยกันคนที่เขายังไม่ได้ทำถึงหนักก็ได้ยินแล้วก็จะทำให้มีกระจิตกระใจที่อย่างจะทำครับ มันก็เรื่องทำให้ได้ประโยชน์ทาให้มีความสุดก็ให้เรื่องดูข่าวปกติดูทุกวันนะครับทีนี้อาทิตย์ที่ที่ผ่านมานี่ลองไม่ดูเลยออะมันก็มันก็อยู่ได้นะฮะมันมีแต่เรื่องคนอื่นนั้นไงเลยะอาจารย์ชไม่รู้จะไปฟังอทำไมเอามาแบกบนป่าใช่ไหมดูแล้วก็มานั่งวิจดวิจดออกมากังวลทีได้ครับเรื่องวิพากษ์วิจารณดาเขาไม่ไชาใจโดยรู้สึกตัวได้ครับมีแต่ไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นนั้นไงเลย ครับโอเคดีมากไปที่ท่านต่อไปเป็นธรรมวานให้หายไปพักหนึ่งใช่ไหมเนี่ยนีเรียนนะน ว, วัศ ก, การเจ้าค่ะพระอาจารย์ไปนอนโรงพยาบาลอ๋อติดโควิด น, นะไม่ใช่เจ้าค่ะตั้งแต่วันที่สิบสามมันสงการเจ้าค่ะมีอาการคือโยมมีวิบากตั้งแต่เด็ดคือเป็น เป็นไมเกรนมากมากเสร็จแล้ววันนั้นเนี่ยวันวันสงกานเป็นมากแบบผิดปกติคือคือยมเอาไม่อยู่เลยอะคะ่ะมันอาเจียนแบบอาเจียนพุ่งบ้านหมุนแล้วก็ปวดศีรษะมากแล้วน้องเขาพาไปเอาไปโรงพยาบาลก็จะแอดมิดแล้วเขาก็พยายามเช็ค CT สแกนเขาคิดว่าเป็นปัญหาทางสมองอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ก็ยังไม่พบนะคะว่าเป็นอะไร hmm. ก็มีนัดหมอ เขาต่อไปว่าเขาก็บอกว่าถ้ายังหาไม่เจอว่าเป็นอะไรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเพราะว่ามันต้องหาว่าอะไรที่มันทริกเกอร์ได้ให้เป็นแรงขนาดนั้นแบบเป็นสี่วันติดต่อกันที่โยไม่สามารถดูลมไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ต้องพูดโธเอาแต่พูดโธเท่าไหร่เนี่ยมันก็มันก็เหมือนกับจิตใจมันอ่อนแอตลอดเวลาเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามัน พลื้นไส้ปวดศีษะแล้วก็บ้านหมุนตลอดเวลาชั่ไม่ไหวสติ<า>ชั่ไม่ไห ว, วไ ม, ไวไม่ไม่ไหวเล ย, ย every single second เลยที่แบบว่าไม่สามารถเลยค่ะซึ่งยมรู้สึกว่ายมอ่อนแอพอหลังจากนั้นหลังจากสี่วันที่ดีขึ้นก็มานอนพักที่บ้านเป็นสิบวันยมรู้สึกยมอ่อนแอมากทั้งร่างกายและจิตใจแล้วยมก็แบบ จะมากราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าเกิดขึ้นข่าวหนะ้าโยมจะต้องทำยังไงที่ที่จะอยู่กับความเจ็บปวดทรมานนั้นทีดูมันเฉยๆยดูมันเฉยได้ยอมรับสภาพว่ามันเป็นอย่างนี้อย่าไปเปลี่ยนมันอย่าไปกดมันอย่าไปอะไรบางขั้นให้มัเฉยเฉไปปล่อยวา เจ้าค่ะโยมคีดว่าโยมพลาดอันเนี้ยค่ะที่โยมโยมเพยยาถ้าเกิดความอยากันนี่จะทําให้เครียดไงให้าเกิดความอยากให้มันหยุดอยากให้มันหายใช่ใช่เจ้าค่ะโยมไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากอย่าไปอยากมันเป็นอนัตตามันหายยมันหายเอมันหยุดมันหยุดมันเองอันนี้มึงอยากจะเป็นนะหวานมันเป็นไปเอาให้กูจะดูมึงแน่เจ้าค่ะมึงจะหมุนก็หวานมันหมุนไปเจ้าค่ะท่าอาจารย์ โยมจะจาไว้ค่ะพระอาจารย์คารุโยมก็ยังมีกลับมาจากโรงพยาบาลโยมก็ยังมีเดินในห้องเดินๆแล้วก็วูบลงไปนั่งท่าเดินไป ไ, ได้ก็นอน<ม>นั่งมาได้อย่าไปเืยมันอย่าไปฟืยมันอย่าไปเ่ยหมอาพยายามจะหาว่าโยมเป็นอะไรในสมองแต่โยมกาลังคิดว่าหรือมไม่ต้องหาทีโยมเยมื่อไหร่ มันไม่นับก็อยู่ของมันไปเท่านั้นเองจะได้ไม่วุ่นวายมันต้องไปวุ่นวายใจอมันมันก็มีเกิดขึ้นตั้งอยู่แลดับไปนี่มันจะอยู่ตรงไหนนะอยู่ตอนช่วงเกิดไรือยู่ที่ช่วงตั้งอยู่ไม่อยู่ที่ช่วงดับไปมันก็มีแค่นี้แหละถ้ามันยังมันยังอยู่ที่ตั้งอยู่ก็ให้มันตั้งอยู่ไปอย่าไปอยากให้มันดับไปถ้ามันไม่ไหวก็ปล่อยหมดเลยแบบมันดูเฉย เราก็พุทธเถาเพื่อพเพื่อดึงใจให้เราปล่อยว่าไม่ได้พุทธเถ้าเพื่อให้โลกมันหยุดใ่ไหเราไม่ต้องการหยุดหยุดโลกเราต้องการหยุดหยุดใจเราหยุดความอยากของเราเราไม่ต้องการหยุดโรคเราต้องการหยุดใจเราเจ้าค่ะเจ้าค่ ะ, คะหยุดใจเราให้ไม่ไม่ให้ไปยึ่งกับโรคไม่ให้ไปยึ่งกับร่างกายแล้ว โยมกับมาจากลมพารันโยมก็โชคดีได้หนังสือตอบปัญหาคาใจเล่มหกอ่เจ้าค่ะอะแล้วก็เจ้าค่ะคุณหลาส่งมาให้แล้วก็พอโยเปิดหน้าแรกที่เป็นไฮไลท์เนี่ยแบบโยมโยมเหมือนตื่นเลยแล้วค่ะตื่นจากหลับแบบว่ามีอันนึงโยขออนุญาตอ่านนะคะไม่ยาวแล้วแบบผอาจารย์บอกว่าต้องสอนใจว่าไม่มีอะไรดีกว่านี้ไม่มีอะไรเลวกว่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเท่ากัน มันเป็นศูนย์ถ้าไม่ไปให้ความหมายไม่ไปปรุงแต่งว่าดีหรือไม่ดีมันก็เท่ากับศูนย์มันอยู่กับเราก็ให้มันอยู่ไปเมื่อมันไปก็ปล่อยให้มันไปถ้าใจไม่ผูกพันไม่ยึดติดเวลาเราอยู่เวลาอยู่เราก็ไม่เดือดร้อนเวลาไปเราก็ไม่เดือดร้อนคือนี่คือวิธีหาความสุขวิธีสร้างความสุขให้กับใจด้วยการคิดให้ถูกต้องตามหลักธรรมชาติ กับ ย, ยอมเตะยอมตื่นเลยเจ้าค่ะอยอมรู้สึกว่านี่คือแบบเราไปให้ค่าความเจ็บปวดเราให้ค่าการอยากหายเราไปให้ค่ากับยา ก, กับหมอกับทุกสิ่งที่เราไปเกาะเกี่ยวอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วพอไม่หายเราก็เลยเครียดอะไทุกอยเจ้าค่ะงั้นยอมก็คันเป็นธรรมชาติเหมือนฝนอ่ะ มันจะตกงานเท่าไรแล้วเราปล่ายมันตกไปเดี๋ยวมันถึงเวลามันหยุดอะไรเงี้ยเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะถ้าถ้าเกิดมีโมเมนต์ไหนที่ที่มันเกิดมาแรงแล้วมันแบบจะตายเอานี่เราเราจะทำอะไรตายในข้อปล่อยมันตายในจะทํางานเดี๋ไปห้ามันได้เลยเราใจเราแค่นี้เราคือทํายังทําวางใจไงฮะวางใจคอยมืนเดิมก็เหมือนปล่อยหมดเหมือนตอนมันกอดตอนกอดตาแล้วก็ต้องปล่อยแล้ว เจ้าค่ะปล่อยร่างกายคือร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ปั่นแต่อย่าให้ความสําคัญกับมันอย่าให้ความสําคัญกับมันออใช่เจ้าค่ะกรรมทุกอย่างมันสูงไงร่างกายก็สูงใช่ค่ะเจ้าค่ะแต่เราไปให้คุณค่ามันเป็นตัวเราของเรามันมีคุณค่าขึ้นมามันก็เลยเกิดความรากความขอมขึ้นับขอบคุณพระอาจารย์มากเลยใช่ โยมวิธีนี้จ้ะบางทีอ่านก็เข้าใจแต่ถึงเวลานาไปปฏิบัติมันก็ยังปฏิบัติไม่ถูกนะใช่ไหมคือค่ะก็ต้องก็ลองดูแต่ถ้ามันปฏิบัติหน้าถูกเนี่ยมันจะจําได้ตลอดจะไม่ไหนต้องบ่อยๆใช่ไหมต้องให้ก็ลองทำไปเรื่อยๆแล้วก็จะมาแล้วก็รู้เองว่าถ้ายังปิดท่านอยู่ยัง เรื่องมันก็ยังไม่จบจิตก็ยังไม่สงบแต่ถ้ามันถ้าปล่อยจริงๆก็จ็ตมันไม่จะสงบกลับขอบพระคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะยมวิเท่างนี้เจ้าค่ะอ่าคุณสาธกาจากไชน่าเชิญค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีอะไรคะ่ะมาฟังธรรมค่ะฟังสายทือกจากคุณมอพ์ิเชีต่อจากกรัทตานา ธรรสการพระอาจารย์ครับวันนี้มาร่วมฟังธรรมะจากพระอาจารย์ครับขอบคุณครไัมนะไม่มีคําถามอะไรครับพระอาจารย์ได้ได้น้อมนําคําสั่งสอนของพระอาจารย์ไปปฏิบัติทางศีลภาวนาอย่างต่อเนื่องครับพระอาจารย์ะดีมากขอบคุณครับขอให้ถือการปฏิบัตินี้เป็นหน้าที่หลักของเราเลยนะครับพระอาจารย์โอเคบุญญาณภาพต่อ พระอาจารย์อุบลราชธานีกลับมามาตรการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะแต่ขออนุญาตกลับเรียนถามพระอาจารย์ว่าที่เท้าของอาจารย์ได้มีคําถามได้มีคถามได้มีคำถาวยเาเเรื่องไม่ไม่ไม่ต้องพูดเดี๋ยว่อเดี๋ยวมันยาวเดี๋ยวพูดไปแล้วมันเป็นเรื่องยาวไม่มีอะไรปกติทุกอย่างนค่ะค่ะค่ะ ค่ะร่วมรับฟังและกับพระอาจารย์ก็ค่โอเคสาธอ่าแม็กซ์เพื่อนน้าบนมันสการครับพระอาจารย์สุชาติครับสวัสดีค่ะวันนี้ผมมีคําถามเพี้ยบๆครับอ่าผมเคยยินมาครับว่าเหมือนเพื่อนของแม่ผมอ่ะครับเขาได้ชอบไปเหมือนแบบอ่าเหมือนแบบไม่รู้ผมไม่รู้นะแตะ่แม่ของผมบอกว่าครับเหมือนแบบ อะไรนะเหมือนน่าจะไปบูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับน<ช>วทีนี้อะค่ะผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราบูชาท้าวเวสสุวรรณใช่ไหมครับแล้วเราเหมือนแบบมันเหมือนผิดวิชาหลักไหมอะคร่ะก็บูชาก็มันเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้ของเราไปบูชาเขาทำไมบูชาคนที่เกี่ยวข้องกับเราเลยค่ะพ่อแม่ของเราเนี่ยอ๋อโอเคครับบูชาแบบคนที่เขามีพระพุทธเจ้กกเรา ตอบแทนบุญคุณให้กับเขาอย่างพ่อแม่ของเราเนี่ยเราควรจะบูชาควรจะช่วยพ่อแม่ทํางานในบ้านเอย่าสร้างงานให้พ่อแม่ทําำนะงานงานไหนที่เราพอจะทําได้เราก็ทําเองั้นงจานได้ก็ล้าเองโ อ, โอเคครับแล้วผมขอถามหน่อยนะคะว่าในนรกอะครับมันจะเหมือนผมเคยยินมาว่ามันมีคุมพันธุ์อะครับที่จะไปเหมือนแบบ อ่าทำรายสัตว์นรกอะค่ะแล้วผมก็อยากจะรู้ว่าครับว่าภูมพันธุ์เหมือนแบบมีหน้าที่อะไรบ้างอะครับไม่มีแล้วเวลาอยู่ในนรกก็มันอยู่ในกองไฟนะครับอ๋อแล้วผมก็รู้จากนายลิลเลียบานเพราะผมเคยยินมาครับว่าคนจะมาคุยกันเกี่ยวกับนรกเกี่ยวกับอ่านายลิลเลียบานอะคร่ะไมเรียนนล้วไม่มีแล้วอ๋อเหรอครับ แล้วผมมีคําถามสุดท้ายครับ mm hmm. คนที่พูดจาไม่ดีมันจะมีวิบากกรรมไหมครับใครเจอคนไหนเขาพูดไม่ดีกับเราพูดดีเขาก็จะพูดดีกับเราเห็น mm hmm. ไหมเราไปด่าเขาก็าจะดา่าเราครับเราชมเ้าเขาก็จะชมเราครับ oh, hey ทาอะไรก็ได้อย่างนั้นไมได้ ก, กดแห่งกรอืบ mm hmm. ทําดีได้ดี mm hmm. ทํำชั่วได้ชั่วขอบคุณมากนะครับพระอาจารย์ <Okay. S 2> สุดท้าดครับาวันดีจ้า ใ, นะน ใ, น ใ, ใช่ไหมคําถามใดสองคนนี่คนคนละเรื่องไหมใช่ไหมท่านเดี่ยวดูระดับจิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันโอเคคุณไพภูนตาคุณไพภูนจะรอทมอครับนมันกา ร, รอาจารย์ครับพอดีหายไปสามสัปดาห์ <c oughs> วันนี้พระองค์จะยังปฏิบัติเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิเป็นประจําสม่ำเสมอนะครับอาจารย์ <c oughs> วันนี้ก็เลย จริงๆก็ไม่มีคำถามอะไรครับเข้าเพียงเข้ามากราบนมัสการพระอาจารย์ครับฟังเราฟังธรรมเทศนาที่พระอาจารย์อ่าได้ได้ได้บรรยายให้ทางทุกๆกท่านที่เข้ามามารับรับฟังครับพระอาจารย์ครับไม่มีคำถามนะครมีคําถามครับอาจารย์ครับที่อาจารย์สายทิพย์จากคอนแกนหรือสารคามหน่อกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้อยู่สารคามเจ้าค่ะมาจอนหนังสือเลย เอ่อเอ่อพรุง่ง น, นี้มีประชุมค่ะ ก, ก็เลยวันนี้ก็เลยอยู่ <c oughs> วันนี้ไม่มีสอนค่ะพระอาจารย์เสีงปิดแทร็คอยช่องปิดแทร็คใช่ค่ะก็ช่วงนี้ก็กินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายขึ้นค่ะพระอาจารย์มันเหมือนเป็นสนับสนุนให้ถือสินอีกข้อได้ได้ดีขึ้นด้วยค่ะอตอนนี้เริ่มถือสินแปดค่ะพระอาจารย์แต่ว่าอีกข้อนึงอาจจะยังไม่ไม่ถึงกับบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนเพราะว่า อย่างเข้าไปดูเฟซบ o ๊กก็เพื่อนๆทําอะไรยังไงกันบ้างคะ่ะ youtube <Okay. S 1> ก็เข้าดูข่าวแต่ว่าไม่ได้กดเข้าไปดูเหมือนเดิมแล้วค่ะพระอาจ <Okay. S 1> ารย์พอก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่ว่าก็ปัดผ่านๆเผื่อจะมีอะไรที่แบบอย่างธรรมะอะไรเงี้ยคะ่ะช่วงนี้ก็จะฟังธรรมฟั ง, ฟ ง, ฟงธรรมะมากขึ้นเพราะว่ามีเวลามากขึ้นคะ่ะพอถึงสินแปดแล้วเวลาเหลือยเยอะเลยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ไม่ไม่ค่อยได้อ่าไปทําอะไรอ่า ความคิดแทบจะไม่ออกไปข้างนอกเลยค่ะอย่างถ้าหนูอยู่คอนโดก็เหมือนอยู่กับเราอยู่กับการปฏิบัติแล้วก็ฟังธรรมแล้วก็ทํางานแต่ทีนี้พอทํางานค่ะพระอาจารย์รู้สึกว่านั่งสมาธิแล้วมันมันลงไม่ลึกก็เลยเซตวันวันเอ่อหนึ่งวันในสัปดาห์ค่ะเป็นวันที่ปลอดการทํางานจะไม่ทํางานเลยค่ะเพราะว่าจะปฏิบัติต่อเนื่องในร่างกายคิดทำได้ค่ะเพราะรู้สึกว่า ถึงจะแบ่งแบบไม่ได้ไปยุ่งกับคนภายนอกแต่พอทํางานตัวเราเซฟไว้มันเหมือนมีเวลาทํางานออ่านหนังสือเยอะเนี่ยค่ะมันก็นั่งแล้วมันมันไม่ลงเหมือนมันดึงมาสงบไม่ได้ค่ะก็เลยก็เลยคิดว่างั้นขอขอหนึ่งวันจะไม่เอาอะไรเลยค่ะเราเห็นความแตกต่างกไหมระหว่างวันตอนนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งเซฟตารางค่ะพระอาจารย์วันนี้วันนี้เพิ่งเพิ่งได้เริ่มค่ะว่าตั้งเวลาว่า แต่ละวันเซตไปว่าวันไหนที่กลับบ้านก็มีชั่วโมงการเดินทางไปถึงบ้านดูแลคุณพ่อสักกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ตอนที่เหลือก็เป็นงานแล้วก็ธรรมะมีมีแค่สามงานเลยค่ะอาจารย์งานธรรมะ mm hmm. ดูแลคุณพ่อ mm hmm. แค่นั้นเลยค่ะนอกนั้นไม่ได้มีเซตเรื่องอื่นจะเป็นว่าถ้าเปื่อกมันมีกิจกรรมที่จําเป็นต้องทํากับ mm hmm. กับหมู่คณะก็ไฟไฟแต่ว่าก็มีไฟไหมครับไปไปใช่ค่ะไม่ได้เซตตารางไว้ mm hmm. ให้เผื่อ เผื่ออะไรเลยค่ะก็รู้สึกสงบดีค่ะแล้ววันนี้มีมีอ่านั่งเราเกิดเวทนาขึ้นมาค่ะอาจารย์แต่ว่าไม่ได้นั่งสมาธินะคะนั่งแล้วรู้สึกปวดเส้นประสาทขึ้นมาแป๊บแป๊บเราก็เลยว่าเอ๊ะปวดเส้นประสาทงั้นเดี๋ยวดูหน่อยสิว่าความปวดมันอยู่ที่ไหนพอเราไปดูตรงที่แบบปวดที่ที่เท้าค่ะอาจารย์พอจะดูปุ๊บมันหายไปเลยค่ะแล้วก็เอ้าวยังไงเนี่ยแล้วก็ไม่ปวดยนมันเป็นนันนิจจ์มัน ค่ะก็เลยเออว่าจะดูสัหน่อยเพราะคิดว่าจริงจริแล้วคำว่าปวดมันอยู่ตรงไหนกันแน่เพราะว่าก็บางทีเราดูแล้วมันก็จะมันมันเหมือนเกิดขึ้นแล้วมันก็หายเกิดขึ้นแล้วมันก็หายเหมือนไม่มีจังหวะของมันนะคะอาจารย์มันไม่ได้ปวดตลอดเวลามันไม่ได้มันไม่อาจจะไม่ได้หายเพราะว่าเราไปดูมันพอดีจังหวะที่เราจะไปดูมันหายครั้งหน้าเราไปดูมันอาจจะไม่หายก็ได้น้นอย่าอย่าไปหวังว่าอย่าไปคิดว่าทุกครั้งที่เราดูมันแล้วมันจะหาย อาจจะพอดีใช่ไหมคะพระจังหะพอดีก็ได้ค่ะทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่ขาค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าบางทีเราอาจจะเช็คจากความฝันใช่ไหมคะว่าเราน่าจะเป็นยังไงบ้างถ้าเผื่อเป็นอะไรไปเมื่อเมื่อเมื่อคืนฝันว่าตัวเองเหมือนเหมือนอ า, อาจจะไปอยู่ในสวรรค์ น, นะคะพระอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยสวรรค์มันสวยมากแล้วก็มีความคิดว่าเอ้ะมันสวยอย่างนี้อันนี้อันนี้ตลบนะคะพระอาจารย์ว่า เอ้ถ้าเดินคนเดียวคงไม่ดีถ้ามีคนเดินด้วยน่าจะดีอันนี้เป็นเป็นกิเลสมาแล้วก็มันมีเทวดามาเลยค่ะพระอาจใส่ชุดรออ่าเหมือนแบบเป็นฝรั่งใส่ชุดเป็นพระเอกหนังแล้วก็มาเดินกับเราหนูก็เอ้พอเข้ามาก็เอ้ไม่ได้อยากมีนะมันก็ไม่ได้อยากมีนะแล้วเขาก็หายไปก็เลยแบบตลกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นเห็นในใจตวเองว่าเอ้มีการบอกว่าเอ้สวยๆทีนี้มีใครมาเดินด้วยก็ดีนะแต่ไม่ชื่ออยู่แต่ไม่แร แต่ว่าพ่อพอลก็มาก็เอ้ยไม่ได้อยากมีแล้วเขาก็หายไปเลยค่ะอาจารย์ก็เลยแอบคําตัวเองว่าเออที่เราบอกว่าเราเราไม่เราบอกเพื่อนแล้วว่าเราปิดเรื่องนี้ไม่เอาอย่างเงี้ยค่ะมันก็คงจะยังมีอยู่นิดนิดหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ยนิดนยังมีอยู่ก็มีประมาณเท่านี้ค่ะอาจารย์ช่วงนี้ก็ฝันดีมาตลอดค่ะพอาจารย์ไม่ไม่ไม่ค่อยมีฝันกลาง้งแ่จิตเราทำกรรมอะไรทำไทยค่ะจิตเราสบายก็เลย แท้จะไม่ฝั่นร้ายไม่เหมือนสมัยก่อนค่ะพระอาจารย์สมัมก่อนนานแล้วที่แบบเราอความคิดไม่ค่อยดีหรือว่าโกรธทนง่ายอะไรเนี้ยค่ะฝันว่าจระเข้ไล่เสือไล่ช้างไล่อะไรตลอดเวลาตอนนั้นกับตอนนี้คือแบบไม่มีพวกนี้เลยค่ะอันที่สองของความเมตตาก็คือจะนอนหลับจะไม่ฝันร้ายเดินก็เป็นสุดหลับก็เป็นสุด ยัจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทมหาทั้ง่ายมันทความดีเขาไม่ทำบางโอเคงั้นมีคำถามอะไใช่หมวันนี้วันนี้ไม่มีคำถามจะพยายามปฏิบัติให้ดี่งยงขึ้นไปค่ะค่ะเพิไม่มากขึ้นไปนะอย่าให้ถอยห้ามถอยหลังนะมีแต่เดินหน้าหรือตั้งอยู่แล้วไมไม่าหน้ากเดยนหนยก็ไม่ถอยหลังค่ะค่ะพระอาคงจะต้องเป็นสติที่ต้องที่ยังขาดเยอะอยู่ค่ะ โอเคสาธุค่ะท่านอาจารย์อาจารย์พงศ์พิรายต่ออารยายเปนังนันบ้าครับอาจารย์สบายดีนะคะเหมือนเดิมค่ะแล้วที่เท้าไม่เป็นไรนะฮะห้ามถามมันก็อมันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องขอาอาจารย์ตอบเมื่อคืนนี้อ๋อเหรอเมื่อคืน ค่ะวันนี้ไม่ได้มีคำถามค่ะแบบฟังแล้วก็วันนี้รู้สึกได้ทุ่ม ท, น, ทนดีค่ะโอเคลายดีค่ะวันนี้ลาันะค่ะขอให้ท่ทานท่านปลอดภัยทุกคนนะขอบพระคุณค่ะขอบค่ะคุณฟังว่าะไรต่อศีราชาวันนี้ไม่มีคำถามเจ้าค่ะเอ็น okay. ไปที่คุณแดนต่อคุณดอนธานี กรรมสัสการ์ค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามค่ะเคคนเกิดบ้านิมขอทํำามาเป็นกันนะครับการกรรมสัสการครับเป็นไหว้ปักไหวพระอาจารย์หน่อยันนี้นครับอันนี้เอาบวก อ, อะไรครับบวกจริงพยายามทาหน้าที่ก่อนครับพระอาจารย์ครับอ่อดีว่าช่วงที่ผ่านมาได้ลองฝึกเนี่ยครับนั่งขัดสมาธีเพจครับอาจารย์ แรกๆก็ทํายากอยู่ครับแต่ก็พยายามทำํำทุกวันยืดขาก่อนแล้วก็นั่งให้มันได้ท่าที่เเหมือนที่หลวงพ่อจันทร์เขาสอนนะครับก็รู้สึกว่ามันพอนั่งได้เสร็จมันก็มีความตึงนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็เหมือนดีกว่านั่งคัดสมาธิสองชั้นนะครับก็ได้ถ้านั่งคัดสมาธิแบบขวาทับซ้ายก็ได้ไม่ว่าจะนั่งแบบสมาธิแพทย์ก็นั่งแล้วแต่ สครับรู้สึกว่านั่งแล้วเพราะนั่งคดสมาที่เพนเนี้ครับเอความง่วงน้อยลงมากกว่าเดิมีครับเหมือนแบบมั น, ม, ม, นมันได้มันมีเวทนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เราก็เ อ, อจับอยู่ตรงที่ลมหายใจอะครับญญาอาจารย์ครับออาจารย์ครับจะอยากจะถามนิดนึงครับอย่างเ อ, อการที่ เอ่อที่ที่ทมีในข่าวนะครับที่แบบขโมยเงินเอาเอาเงินไปใช้ก่อนแล้วเขาเอาเงินมาคืนี้ครับอย่างเงี้ยเขาบาปมากขึ้นหรือน้อยลงไหมครับถ้าเงินไปแล้วมาคืนจริงๆมันก็ ก, ก, ก็ก็ถือว่ามันแต่ว่าบาปบาปที่ทํำไปมันก็มันลบล้างไม่ได้แต่เอาเอาเอาเงนมาคืนเหมือนก็ได้ทําบุญ เนื่องถ้ามันขโมยไปเท่านั้นแล้าเอามาคืนกเกท่านั้นมันก็น่าจะมีกําลังสูสีกันนะกำลังบอกอย่างนั้นครับครับก็เอ่อก็คือก็แต่ก็ยังดีกว่าเอาไปเลยถูกไหมครับอาจารย์แน่นอนแล้ดีกว่าไม่ไม่ทําเลยจะดีกว่าทำแน้วเอามาคืนมันก็อย่างถือว่ามันมันพลาดไปแล้วมันมันทําบาปไปแล้วแล้วก็เอามาคืนก็ไม่สามารถไปล้างบาปที่เราทําได้แต่อย่างนั้อยเราก็มาทำํำบุญ เหมือนกับอามาต้านเอาบุญมาต้านแบบได้นได้ถ้าอย่างอย่างเออ่บางทีเจอเงินแล้วก็เก็บเอาไปแล้วก็ประหย่อนตู้ครับแบบเราเราคึดว่ามันอย่างเงี้ยมันดีกว่าหรือว่าจริงๆเราไม่ควรหยิบเลยครับาา ถ, ถ้าจะาถ้าถ้านจะพูดตามตามกฎแห่งกรรมแล้วก็อย่าไปหยิบอะไรทีบเพราะมันยังยิ่งกิดเจ้าของเขามาเดินหาหาไม่เจออืม อา่าจะไม่เาเก็บไว้ของเราเองก็ถือว่าเราเอาทรัพย์ของคนอื่นไปแล้วะแล้วก็วววไปทําบุญก็เหมือนกันนะครับเงินไปคืนคนที่เราขโมยของมงินขโมยที่เราไม่เจอคนที่เป็นเจ้าของก็เลยไปให้คนอื่นแทนอืมนี้ถ้ า, าถ้าถ้าถ้าไม่ต้องการที่จะบาดแล้วก็อย่าไปแตะมันเลยนอกจากว่าเรารู้ว่าเราสามารถที่เราดูว่าเจ้าของหรือหาตามหาเจ้าของคืนก็ได้มะทำไง แต่ทางโลกเขาเนาะมันรู้นะว่าเขามีกฎมาเรื่องทำอย่างนี้ย่เอ่อถ้าถ้าทางมันจะมีอย่างนี้ครับสมมติถ้าเราไปเก็บพวกสิ่งของพวกของได้ใช่ไหมครับเราไปแจ้งความอะรใหเจ้าหน้าที่ทราบนะฝากเจ้าหน้าที่ไว้ใช่เจ้าหน้าที่จะเก็บไว้หนึ่งปีครับถ้าเกิดตามหาเจ้าของไม่ได้ก็เขาก็จะเรียกคนที่เก็บกลับไปรับประมาณนี้ครับอทีนี้ถทางทางคนมายทารกฎแห่งการมันก็ยังถือว่าเอาของคนคนอื่นไปที่ไม่ได้รับอนุญาต แล้วอย่างนี้สมมติถ้าเราเวลาเราทําเงินหายครับพระอาจารย์แล้วเราก็ตั้งกฎว่าใครเก็บไปก็ขอให้เหมือนเราได้คำชัยใครเลครเลยเก็บไม่เก็บมันก็ไม่เกี่ยวออครัเพราะเขาไม่ได้ทราบโดยตรงจากเราในเวลาอนุญาตให้เข้าไปได้ครับเห็นว่ามันทําให้ใจเราสบายเราไม่เป็นผูกตุพันกันเราปล่อยวางเงินก้อนนั้นได้ ครับแล้วก็อคาดใจครับอาจสมมติถ้าเกิดคนที่อยู่หมู่บ้านนี่ครับแล้วบางบ้านเขาไม่จ่ายค่าส่วนกลางคืออาจจะไม่ได้เป็นแบบมีนิติบุคคลนี่ครแต่ว่าเหมือนเรารวมตัวกันแล้วก็จ้างพวกอเรรอรปภเก็บเงินเพื่อจ่ายค่าน้ําค่าไฟนีครับทีนี้บางบ้านที่เขาไม่จ่ายนี่ครับเขาเขาเขาบาปไหม เขาไม่จ่ายบาปไม่เขาก็ไม่ได้บุญนั่นเองเหมืนถือว่าเป็นการทําบุญเราเสียสละเงินก้อนนี้เพื่อมามามาทำประโยชนให้กับส่วนรวมครันคนที่ไม่เขาไม่ร่วมเขาก็เหมือนเขาก็ไม่ได้ทำเหมือคนบางคนไปว่าเขาไม่ไม่ทําบุญบางคนไปก็ทําคนทําก็ได้บุญคนไม่ทำก็ไม่ได้บุญ ก็คือเราก็ทําอะไรเขาไม่ใช่ผมก็เพราะว่าก็แล้วแต่เขาสุขไหมครับก็ต้องแต่ว่าแต่ว่าที่หมู่บ้านเป็นกฎมีอะไรกติกาอย่างไรถ้าไม่มีก็ถือว่าท่าไม่อยากจะทําก็เป็นความสมลักกรอะไรอางนี้ตอนที่ถามเ่าคิดว่ามันเหมือนกับการทําบุญไปทำบุญเพืจะได้ให้บ้านเราสาสอานะไรเพราะมีลุกบ้านพยายามบอกว่าใครไม่จ่ายก็อยากให้แบบคน กรรมการจิตอาสาไปประจานหน่อยบอกเราบอกเราไม่ชวนทะเลาะดีกว่าเลยครับแต่คนไปประจานไปด่าเขาก็รบกวนใช่ครับก็เลยบอกก็บอกเฉยๆไปดีกว่าครับก็เลยบอกคนว่าเออใครสะดวกจ่ายก็จ่ายและการถ้าไม่จ่ายเราก็ต่างคนต่างดูรักษาบ้านตัวเองก็ก็เท่านั้นครับอ่าเท่านั้นเนียก็เท่านั้นใช่คุณอ่าที่นี้ขออ่า ขอคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ตอนนี้ก็คือเหมือนพอนั่งสมาธิทุกวันเรารู้สึกมันก็รู้ตัวบ่อยๆครับไปเดินไปไหนเราก็จะรู้สึกตัวเร็วขึ้นใช่ไหมครับทีนี้บางทีมันจะเกิดลักษณะขนลุกขนชันครับแต่ส่วนตัวก็คือก็ปล่อยมันไปเท่านั้นใช่มันเป็นอารมณ์อย่างนแต่มันไม่ไม่ไม่ไม่เป็นใครอะไรไม่เป็นปนช มันเหมือนพอรู้สึกพอมีสติปุ๊มันก็รู้สึกเย็นๆแล้วก็ผลลุกแล้วก็รู้สึกเออก็นึกถึงอาจารย์บอกก็รู้สึกมันใบเท่านั้นอย่าไปให้ข้ามมันไม่ข้ไม่ไปทุกข์กับมันก็ไม่มีปัญหาเลครับไม่ไปยึดไปติดมันไม่ใช่อยากให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอไม่เป็นก็เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาออมันติดติดบุญติดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับติดติดอะไรครับ แล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ก็ไปงานแต่งเพื่อนก็มีอารมณ์ไคล้ายๆน้องนโมครับคือก็เห็นเพื่อนเขากินก็เราก็ปล่อยเขาไปคือเราก็รู้สึกมันคือในส่วนตัวก็คล้ายๆน้องนโมคือเราก็อยู่ได้คุยได้ครับแล้วก็กินน้ำเปล่าไปแล้วก็ <c oughs> เอ่รู้สึกว่าเออแต่ก็มองดูเขาเขาสึกเออการที่เขาอยากกินมันมันมันทุกจริงๆเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่อยากกินมันก็ไม่ทุก <c oughs> จะพยายาม่อไปครับอาจารย์ครับกับนวัตการครับเเ็นคจอดูกอ่าาจา่นมาเช่นับนวัตการค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ค่ะวันนี้มีคาถามอ๋ออยู่ขอนพวกเราอยู่ขอนแก่นค่ะอาจารย์ค่ะเอ่อวันนี้ตัวเองมีคาถาม อยากจะเรียนถามอาจารย์สองเรื่องนะคะเรื่องแรกนี้เป็นเรื่องของออมาตาปิดตุมงคลสูรนะค ะ, ะข้อมาตาปิดตุนะคะการอุปถาบิดามานดารเล่นดูเล่นดูาิดามดใช่ะทีนี้เนี่ยอย่างในบางกรณีเนี่ยที่เราเกิดจากพ่อแม่แต่เรามี ผู้ประการะที่ทำให้เราเติบโตขึ้นมาเนี้ยเป็นอีกคนนึงเอ่อหนูเข้าใจถูกไหมคะที่เราก็สามารถนับถือคนที่เลี้ยงดูเรามาให้โตเป็นเสมือนพ่อแม่เพิ่มมาด้วยอีกหนึ่งคนก็เําทหน้าที่เป็นพ่อแม่ของเราเลี้ยงดูเราแล้วอว่คือก็ทำาขึ้นหนึ่งส่วนพ่อแม่ให้กำเนิดก็ทําขึ้นหนึ่งพ่อแม่กำเนิดก็ไดให้กำเนิดร่างกายนะ นักเขาอาจจะมีเหตุทําให้เขาไม่สามารถมาเล่นอู่เราได้ก็เป็นพ่อแม่คนนึงมามารับหน้าที่แทนค่ะค่ะสาธุค่ ะ, ส, คะส่วนอีกข้อนึงเป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องการนั่งภาวนาค่ะก็คือหนออูนั่งภาวนาโดยที่ก็คือนั่งขัดสมาติปกติอะค่ะแต่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนจิตวอกแวกเก่งแล้วมันก็มักจะเกิดเ อ, อเวทนาก็คือ คือเจ็บตรงบริเวณข้อต่อระหว่างสะโพกกับกับต้นขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ว่าไม่อยากที่จะออกจากการภาวนายังมีความรู้สึกว่าอยากภาวนาต่อไปเรื่อยๆแต่สู้เวทนาไม่ไหวเนี่ยถ้าเราสู้ด้วยการสวดมนต์ไปก็สวดด้วยการท่องพุทโธไปหนูพยายามแบบสุดๆเลยก็มันยากงาน่ะสวดไปในย่างไหนอ่ะสวดไป สวดไปไอ้ที่พี่สวดพระปภาวั น, านสามมา ท, ม ท, มทําเป็นทำเป็นทูลดวกตาบอดไม่ต้องไปสนใจกับความเจ็บแม่คือคืออัี้คือที่บอเราทั้งทยนี้คือเอ่อมันไม่ไหวเถ้ามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยในช่วงมันไม่ไหวเพราะไม่อยากมันไม่เคยทำมันก็เลยไม่ไหวนั่นเราก็ต้องฝึกก่อนนั้นต่อไปเราต้องฝึกสวดเยอๆะๆสติเรากำลัง น, น, น้อยมันความอยาก<ช>จะสวนมันมน้อยใช่ค่ะ มันต้องฝึกส่วนไปเรื่อยๆก่อนที่ยอมจะมานั่งเหมือนกับคนที่อยอวิ่งเนี่ยมันต้องฝึกวิ่งอยู่เรื่อยๆถึงจะไปวิ่งแข่งกับเขาได้ใช่ไหมถ้าไม่ฝึกไปวิ่งวันแรกไปวิ่งมันก็หอ บ, บในนิดเดียวมันก็หอบพระอาจารย์คะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆแต่ยังไม่อยากออกจากยังไม่อยากออกจากการภาวนาคืออยากจะภาวนาต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเอาชนะให้พุทโธมันอยู่ให้ได้เนี่ยมันพอที่จะเปลี่ยนท่านั่งเนี่ยมัน มันพเปลี่ยนหน้ามันก็เหมือนเริ่มต้นใหม่ก น, นมันก็เหมือนเริ่มต้นค่ะเพราะจะลองดูค่ะเคยลองพยายามถ้าไม่เปลี่ยนหน้ามันจะดีกว่าเพราะว่าเพราะว่างานเรายัางทับต่อเราเราเราสู้ต่อแต่พอเราเปลี่ยนห้านี่จะแล้วเราเราเร า, เราพับไปแล้วเรากลับไปเริ่มต้นที่สูงใหม่แล้วมาถึงเก้าสิบเก้าแล้วถ้าเราต่อไป่ได้ก็จะได้ร้อยหนึ่ง น้อยกว่าพอเราเริกแล้วหรือม้จะนั่งต่อนะครับมันก็เหมือนกลับไปที่สูงน่ำๆหน่อยค่ะตอนนี้ก็ก็มีปัญหาตรงนี้แล้วค่ะพยายามฝึกพยายามฝึกพุทโธพุทโธไว้เยอะๆก่อนที่มันนั่งแล้วพอถึงเวลามันเจ็ดจะได้จะได้ใช้พุทโธพุทโธพุทโธช่วยมได้ค่ะพอดีตัวเองเป็นคนจิตใจวอกแวกเยอะมากค่ะเพราะว่าพุทโธสติเราน้อยฝึกสติน้อย พยายามถึกสติตั้งแต่ตื่นจนหลับใช่ค่ะขอบคุณพระอาจารย์ค่ะ <laughs> <laughs> <laughs> จะได้พยายามต่อไปค่ะพยายามถึกสตินะตอนนี้เป็นกุญแจสําคัญที่สุด น, นะพระเจ้าบอกไม่มีอะไรสําคัญท่าับสตินะค่ะเห็นความสําคัญจริงๆค่ะ <laughs> ตอนที่นั่งภาวนานี่แหละค่ะว่าตัวเองจิตล็อกแรกมากค่ะค่ะมีอะไรไหมก็สัปดาห์ที่แล้วเอ่อเอ่อใหเอ่อเจอดีเพชชัน โจมตีเอาตอนที่หลับครับเพราะตอนที่อยู่ปกติเนี่ยก็คือจะพยายามมีสติเอาไว้ตลอดก็จะเห็นว่าใจิตใจมันจะเป็นไซเคิลช่วงที่มันขึ้นมาแล้วมันก็จะช่วงที่จะค่อยๆ mm hmm. ดองไปมันก็จะเห็นครับแต่ว่าก็ประคองได้ด้วยด้วยสติอยู่ครับ mm hmm. แต่มีวันที่พอหลับไปพอตื่นขึ้นมาคือเหมือนโดนน็อกวูบไปเลยครับก็คือมันหายไปเลยมันไม่สามารถที่จะเกาะอะไรได้เลยแต่พอ พอมันเริ่มฟื้นขึ้นมาก็พยายามที่จะเอาสติเข้ามาจากพยายามพุทโธต่อมันก็สามารถช่วยให้พยุงขึ้นมาได้ได้เร็วขึ้นแล้วก็ตอนที่มันวูบลงไปมันรู้สึกว่ามันไม่ได้ลงไปลึกดำดิ่งหรือดาวไปจนสุดขอบเหวขนาดเท่าเดิมครับอาจารย์ก็กลับมาได้ได้ได้มากขึ้นแล้วตอนนี้ก็เห็นประโยชน์ของสติมากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะเจริญในแต่ละวันให้ได้มากขึ้นไป ย, งยิงขึ้นครับท่านอาจารย์ ดีมากเนียสติสำคัญมากนะถ้ามีสติแล้วความความซึมเศร้า d e p r e s s มันจะไม่เกิดไม่ได้ครับครับผมขอบคุณมาครับขอบคุณค่ะกัมรกัคุณอจากบอวินชนบุรีบอวินชนบุรีน้ามาสการค่ะไม่มีคำแหงค่ะไม่นงไปอยู่มานล้วใช่ไหมล่าสุดรอบสุดท้านนี้ไปมานานเลย รอบสุดท้ายเออวันที่หนึ่งมั้งคะวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่ะวันที่หนึ่งเมษาพอเมษาค่ะก็รอบใหม่รอบใหม่19ค่ะรอบรอบใหม่3คืนค่ะ3คืนนะโอเคค่ะมีอะไรไหมไม่มีนะไม่มีค่ะคุณยินดีต่อจากอเมริกาเซาแลนด์สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ ไม่มีคำถามการเหมือนเดิมค่ะเดวิดกลับความความคิดถึงอาารเหมือนเดิมค่ะแของแรงขคุณในเชิญค่ะขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์คุณหมอวินคุณหมอวีรพันธ์เชิญการนาสันครับ่าอาจารย์ครับอาจย์ได้ยินเสียงไหมครับอชัดเจนชัดเจนวันนี้มาทำมาตาปิดตูอุปทานนั่นะอาจารย์เป้าพ่ออยู่โรงพยาบาลครับผม คุณพ่อมาเปลี่ยนเขาครับผมมีให้กําลังใจคุณพรอกลับก็ไปคุยคำอาจารย์ครับก็ตอบนี้ไม่ไปภาวนาก็ดีครับอาจารย์สติอยู่ตลอดครับอยู่บนเขามันต้องระวังตัวตลอดเวลาครับอาจารย์ครับแล้วก็กได้ม่เสกอยู่ได้ไหมไม่เสกเบื่อไหมอะไรไหมโอ้ความรู้สึกเคยอยู่ได้อยู่ได้สบายเลยครับอาจารย์ครับ แต่ว่าแต่ว่ามันก็ยังต้องมีภาระที่ต้องต้องลงมาอยู่ดีครับอาจารย์แต่ว่าถ้าอยู่อย่างนั้นก็คนโดยความรู้สึกแค่สามสี่วันนี้อยู่อยู่อยู่ได้สบายครับอาจารย์ครับก็สิ้นเนื้อปนนาตัวอาจารย์หมอคนไร้บ้านไร้ครับพันที่อยู่อาศัยคนไร้ที่รอดคนไร้รอนเลยรอดไม่มีไม่มีหมอนไม่มีผ้าห่มลองดูครับไม่ไมมีเสืออย่างเดียวครับอาจารย์ครับ ก็ได้รู้ว่าเออจริงๆพระที่พระอาจารย์สอนว่าเอาที่นอนแข็งๆนอนยากๆนอนจะริิ่งทําให้เราภาวนาเยอะนนี้จริงนะครับพระอาจารย์เพราะว่ามันนอนไม่ได้ครับใช่ถ้ามันสบายมันจะนอนนะครับผมได้นอนนิดเดียวครับแล้วก็รอบนี้ได้อดอาหารสองวันครับอาจารย์ครับก็ก็อยู่ก็อยู่ได้ครับอาจารย์ครับได้อดทนดีครับผมมีอะไรไหมไม่มีแล้วครับพอาจารย์ครับเป็นรายงานพระอาจารย์แค่นี้ครับ ไในนี่คุณมาดีต่างหากขอบคุณครับมีกอากาศนะกลับหลวงพ่อคะ่ะหลวงพ่อได้ยินหนูปะคะได้ยินวันนี้อยู่ทากอากคะ่ะหลวงพ่อหลงพ่ อ, พอช่วงที่ปฏิบัติถ้าสมมุติว่ามันสบายๆบาะคะ่ะหลวงพ่อ มันจะมองเห็นว่าเวทนาที่เราเกิดเนี่ยมันเหมือนเราแค่รู้เฉยๆมันจะแบ่งแยกเลยอะคะ่ะว่าเออเวทนาเกิดแล้วก็ส่วนความสงบอะไรเงี้ยค่ะหรืว่ามันมันเหมือนเราแค่รู้เฉยๆอะคะ่ะพูดเป็นผู้รู้ไม่ได้ผู้รูาา้ไม่ได้เป็นเวทนาผู้รู้ไม่ได้เป็ค่ะมันเหมือนมันมันอยู่คนส่วนอย่างเงี้ย<ช>ค่ะหลวงพคนดูคนเล่นค่ะเวทนาเนี่ยมันตัวเล่นค่ะ ก็ อ, อยู่ค่ะถ้าถ้าถ้าแบบเนี้ยเราจะไม่รู้สึกว่าเรามีความเจ็บปวดหรืออะไรเลยอะค่ะหลวงพ่อมันมันรู้เฉยเฉยแล้วก็ mm hmm. อยู่ได้นานกับเกือบเกือสองชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็ดี <c oughs> ค่ะ mm hmm. แล้วแล้วเสร็จแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ได้ทุกวันค่ะหลวงพ่อแล้วทีเนี้ยหนูมาเข้าใจว่าสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยทุกสิ่งเนี่ยมันมันอยู่แค่ตรงใจที่ใจเราที่จิตเราว่า ถ้าเราวางได้อ่ะหลวงพ่อมันรู้สึกมันสบายมันโล่งโล่งไปหมดเลยค่ะหลวงพ่อใช้ชเวลาเนี่ย เ, เยลวลาวางเรถือ ว, ว่าเรามีอุเบกขาค่ะหนูเข้าใจแบบนี้ถูกถูกใช่ใชไมหมคะหลวงพ่อมีปฏิบัติก็แน่ใจแล้วเป็นอุเบกขาจะได้ปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ค่ะแล้วแล้วหนูก็เลยคิดว่าเอ้าแล้วที่เรานั่งต่อสู้นั่งมันเหมือนมันมีความคิดอยู่สองอันก็คือว่า มันทุกอย่างอ่ะมันอยู่มันอยู่แค่ที่เดียวอะค่ะหลวงพ่อใช่ใช่ใช่ไหมคะเราต้องมันอยู่ที่ใจเราค่ะท่านทุกอย่างยู่ที่บ้าเราใจเราไม่ปล่อยวางใจเราอยาพอเราปล่อยวางเราก็หยุดหยาทุกข์กหายไปค่ะแล้วแล้วที่บอกว่าไอ้คาว่าอุ ป, ปทานอะไรก็คือไอ้ความยึดค ว, ดวา ม, มนนะอุปทานก็คือความยึดเนีหยความอยา มันก็กลายเป็นว่าอยู่อยู่แค่ที่เดียวกันเพียงแต่ว่ามันมีความคิดอยู่สองสองอย่างใช่ปะคะแล้วก็ว่ า, วาปล่อยเลยปล่อยได้ยึดนใช่ถใชถ้ายึดก็เท่ปล่อยก็เมถ้าปล่อยก็สบายก็สุดค่ะมันเห็นช<อ>ัดเจในในใจของเราเองหนูเพิ่งมาถึงแบบเหมือนเออเหมือนเหมือนเพิ่งเห็นแสงสว่างว่า อ๋อที่ที่มันทุกข์หรืออะไรเงี้ยมันอยู่แค่ตรงใจเราถ้าเราละได้วางได้มันมันหลุดออกมาเลยค่ะหลวงพ่อมันก็สบายมันก็เบาเบาไปแต่ว่ามันทําไม่ได้ตลอดค่ะหลวงพ่อมันทําไม่ได้ตันงไงมนแฝงยังไปยึดอยู่ยังไปยึดไปอย่างอย่างอะไไม่ได้ค่ะหลวงพ่อหนูก็พยายามเลยโอเบคค้ามีกําลังไม่พอมีกําลังน้อยแล้วก็ยึด ถ้ามีกําลังมากมันก็ปล่อยค่ะแล้วแล้วพอพอเวลาเราออกจากที่เรานั่งปฏิบัติเนี้ค่ะหลวงเพราะมันเหมือนเหมือนเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเราปฏิบัติแล้วเราเจ็บเราปวดมันเหมือนก็เราก็ลุกเดินออกมาปกปติไม่ได้มีทุกข์มีอะไรเงี้ยถึงมันรู้สึกว่าเออมันถ้าเราทําถูกเราปฏิบัติถูกเนี่ยมันมันสบายตั้งแต่ทั้งทางกายแล้วก็ทางใจมาเลยอะค่ะหลวพ่อใช่เพราะัจจุบัน น, นั่นเป็นกฎงั้น ให้สร้างภาพจิกให้กับร่างกายฉันเนี่ยค่ะหลวงพอ่ออันนี้เรื่องเรื่องปฏิบัติหนูมีเท่าเนี้ยค่ะหลวงพอ่อแต่ทีนี้หนูจะรบกวนถามหลวงพ่อว่าเออสมมุติว่าคือหนูมีรูปแบบเป็นเด็กพิเศษแล้วมันเขาจะมีไรายได้ให้ทุกเดือนนะคะหลวงพอ่อเขาเรียกเงินอะไรของเขาก็ไม่รู้ค่ะชนะชนะใช่ใช่ค่ะแล้วทีนี้หนูถ้าเกิดหนูอยากเอาตังเขาไปเนี่ยเพื่อเอาไปทําบุญ ทำบุญหรือว่าบริจาคบ้างอย่างเงี้ยแล้วหนูเนี่ยจะกลายเป็นคนเอาเอาของของลูกไปโดยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเอาเขาเรียกว่าเป็นเป็นรักของไหมคะหลวงพ่อเพราะว่าเราเขาประสงค์เขาก็ให้เรานั่นแหละเป็นคนดูแลถ้าเราดูแลเขาเขาทว่นบริบูรณ์ก้าวไม่เป็นแบบคือหนูหนูแค่ว่าหนูก็เอาเงินที่มาเงินที่ก็สนับสนันมาเรื ก, ก็กงคอนั้นนั้นที่เราไปฝากกระเป๋าเราเองแล้วก็เอามงินของเราไปทำบุญแทนกะ็ได้ คือคือหนูมองว่าที่หลวงพ่อสอนว่าถ้าคนไปทําบุญหรือทําทานเนี้ยมันต้องเหมือนเสียสละจากส่วนที่เป็นเงินของเราหนูก็ยามเงินของลูกแต่งเงินขางลูกแล้วก็มาสนับสนุนลูกทำเงินของลูกไปหนูอยากให้เขาได้บุญบ้างเพราะว่าเขาต้องเขาต้องเขาต้องรู้จักตอนนี้เขาต้องไปกนคนคิดเองแล้วแล้วอยากจะทําเองนั่นต้องรู้ว่าเป็นเงินของเขาเองด้วยแล้วถ้าเกิดหนูบอกเขาได้ บอกกนาะบอกกาเขาก็ไม่เข้าใจดีแต่ก็บอกไนดะ้สอนได้แล้วต่อไปวันดีคืนดีเราไม่ได้บอกเขาก็อบอกแนมะ่ทำงางันนี่ไปทําบุญได้หน่อยอะไรอย่างเงี้นยนะแต่เราก็ต้องสอนเขาก่อนได้สอนมาก่อนฝุดก็ไปก่อนรุ<ะ>กดก็แม่จะเอพเงิงนี่ไปทําบุญได้นีได้แต่ช่วงนั้นอย่างเขายังไม่ได้ดูเพราะมัะนยังไม่ได้ออกมาจากความที่ชมเ่อน เขาบอกคือเขาไปบ enfin ่อยกว่าเขาพอวันนึ่งเราทำเป็นไม่ทำเปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สอนเขาไม่ได้อะไรเรฉยๆไปแล้วเขาบอกแม่เอาทำไมแม่ไม่เอาเงินนี้ไปทําบุญเงี้ยแสดงว่าเขาเขาอยากจะทำค่ะอือได้ค่ะแล้วก็อันนี้หนูก็มีคําถามเทนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันเสาร์นี้หนูจะไปที่วัดหลวงพ่อค่ะถึงวันที่สิบเอ็ดนะคะมไปอยู่นะจะลอาไปอยู่ด้วยูละ ใช่ค่ะยังไม่เคยยังไม่เคยไปอยู่ว่ดโอเคดีก็เหมือนกันแหะอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันมันก็เป็นที่สงบหนูว่าที่มันคือถ้าเราไปอยู่ที่วัดหนูว่ามันมันมันสงบแล้วก็มันก็ได้เยอะกว่าที่เราอยู่ที่บ้านเนี้ยถูกครับดีมาได้กันดีได้มาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะอ๋อหนูหนูจองไปแล้วค่ะโอเค ไม่ค่อยว่างเลยค่ะหลวงพ่อใช่ครับพวกเยอะแฟนคลับเยอะขึ้นเยอะขึ้นวันที่ว่างหนูตามตั้งเป็นช่วงหน้าเป็นเดือนนะป้าบอกป้าปู่บอกว่าไม่ใช่ไม่ว่างค่ะแล้วพอดีบอกมาว่าช่วงเนี้ยได้ได้หนึ่งห้องก็เลยรีบรีบจองแล้วก็ลาลางานเลยค่ะหลวงพ่อดีไม่อนื่องจากจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาก็ได้นะ หนูคว่าต้องได้คะ่ะคืออย่างน้อยมันไม่มีอะไรมามากว น, นเราอะค่ะใช่ใชค่ะคือเราไม่ต้องเหมือนเราตัดเราหยุดทางนี้ไปเลยอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็ได้ทําได้เต็มที่อ่ะเหมือนเหมือนที่หนูไปอยู่วัดที่อื่นมาอย่างเงี้ยคะ่ะก็เหมือนตัดไปเลยไม่ต้องติดต่อไม่ต้องออออะะไไไรรรรงงงงงัััั้้้้้้้นนนมมม่่่่่ตตตยยยยยกกกบใคคคเเเเเลลลลททวววืชาาาาาถีห็ ส่วนส่วนมากบางทีไปอยู่อย่างนั้นมันก็บางทีมันก็กินแค่มือนึง อ, อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีอาจจะกินน้อยหรืออาจจะอดไปทั้งวันทวันทั้งวันค<า>่ะเพราะว่ามันเหมือนถ้าตรงข้งอคะ ถ, ถ้าเราไปถึงจุดที่เรารู้สึกว่าโอ้มันมันเหมือนสว่างในใจอย่างเงี้ยค่ะมันมันอยากจะต่อไปให้แบบอยากคือใจอ่ะมันอยากทําแบบอยากปฏิบัติให้เยอะที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็หมดด้วย กำลังสติของเราเนี้ยมันก็ได้ได้ประมาณหนึ่งแต่หนูก็พยายามที่จะแบบให้มันเยอะที่สุดอะค่ะปฏิบัติมากพยายามทําให้มากที่สุดค่ะหลวงพ่อวันนี้หนูมีเท่าเนี้ยค่ะหลวงพ่อสาธุสาธุกับขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะสาธุค่ะคุณหมอสุทัศนีเจริญปฐุาณีธรรมสถานท่านพระจารย์เจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคําถามค่ะ โอเคคุณปุ้ยอยากรักแซมเบอร์รักแซมเบอร์ก็รูกแซมเบิร์เนี่ยรักแซมเบอร์ค<ข>่ะร<ข>ักแซมเบอร์ค<ข>่ะพระอาจารย์ค่ะอาจารย์สบายดีไหมคะสบายดีจ้าวันนี้คุณปุ้ยหายแล้วครับเป็นโควิดมาค่ะ <laughs> อาจารย์ระวังติดนะคะเพราะติดแน่ๆไม่ต้องระวังมันช่วยไม่ได้ <laughs> อันนี้มันคิดเหลือเกินถ้าไม่ติด น, นี่ไม่ตึดก็แสดงว่าไม่ทันกาลไม่ทันสมัย คือมันก็ไม่หนักนะพูดถึงหนักไหมหนักค่ะพูดถึงว่าแตกต่างจากกวัดธรรมดาไหมมันก็มันก็แตกต่างเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับร่างกายของคนอย่างอย่างเราเราก็เราก็ว่าหนักนะแต่ว่าตอนนี้หายแต่ว่ามันไม่ช่วยแบบมันไม่ได้หายไปเลยเพราะว่ามันยังข้อ ย, ยังชั่วขึ้นนะคะและอาทิตย์หน้าก็จะไปทํางานยมก็เลยเอาเวลาเนี่ยที่เหลืออยู่อะสร้างบุญสร้างบา ร, รมีปฏิบัติธรรมไปเลยค่ะครดีมากนะ ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสไถูกต้องค่ะใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสแบบเราไม่ได้โกหกอ่ะแต่เพราะว่าเราใช้วิกฤตอ่ะไม่ยมก็ปฏิบัติมาคือตื่นตั้งแต่ตีสองแบบอย่างเมื่อวานเนี้ยก็โมโหตัวเองเพราะว่าปกติแล้วจะตื่นตีสองมานั่งสมาธิมาสวดมนต์แบบยา ว, ยาว อสวดยอดประกันยมชอบสวดยอดประกันแล้วก็ยมชอบสวดชินธรรมชรนสวดทุกบทอ่ะสวดสวดอะไรหน้าอะไรหน้าที่หลวงปู่ทวดอ่ะและแต่แต่ทีนี้เมื่อวานยมโมโหตัวเองว่าตัวเองตืงต่นสายก็เลยไม่ออกไปไหนจนกว่าจะนั่งสมาธิเสร็จจนกว่าจะสวดมนต์เสร็จอืยมก็เลยเอเอรู้สึกใจมันโลง่งๆใจมันเบาๆมันมีแบบ คือมันไม่คิดอะไรมากค่ะยอดีค่ะยมก<ร>็สบายพยายามส่วน<อ>บ่อยๆส่วนเยอะชายยมก็บอกกับตัวเองบอกว่าเราต้องทำเพิ่มถ้าอาทิตย์นี้เราตั้งตั้งสัจจะเอาไว้ว่าเราจะทำกี่ชั่วโมงอาทิตย์หน้าเราต้องทำเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มเเรื่อยๆอืมค่ะจะเรื่ยก้าวหน้าใช่และพอดีตอนช่วงเนี้ย สวันเนี้ยโยมตั้งสัจจะไว้ว่าโยมจะสวยดยอดพระกรันไตรบิริโภศครบสามสิบเจ็ดจบและโยมสวดมาได้แล้วในสองวันนะโยมสวดมันได้ต้องหลายจบแล้วค่ะเหลืออยู่แค่สิบจบอ่อเาเอาเลยไว้เต็ทีนะใช่ค่ะเพราะว่าโยมก็รู้ว่าเออเรามีโอกาสแล้วแต่มันไม่มีวัดเพราะเราอยู่คนเดียวเรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นเลยก็เลยต้องใช้โอกาสอย่างนี้ถามว่าเหงาไหมบอกไม่เหงาหรอกเพราะว่าฟังคนนู้น คนที่มีคู่มันมีปัญหาแล้วแบบเออเรารู้สึกเราก็เป็นหนึ่งในโชคดีนะที่ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลุยในการสร้างบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่ตอนที่โยมไม่สบายมากๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโยมก็ขอตั้งจิตขอกับองค์สมมาสัมพุทธสัมพุทธเจ้า ว, ว่าขอให้โยมอ่ะหายอย่างเป็นปาิหารเพราะโยมต้องการจะสวดมนต์ถึงโยมไม่สบายโยมก็ลุกขึ้นมาสวดมนต์ค่ะโยมก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิเหมือนเดิม แบบบางทีมันแบบนั่งนั่งนั่งอยู่มันก็โค้งตุ่มไปอยู่รุกขึ้นมาอีกออแบบแต่มันก็หายกลับมาได้แบบเป็นแบบเหมือนปฏิหารนะเหมือนแบบอย่างโยมป่วยวันหนึ่งคนอื่นเขาจะป่วยเจ็ดวันแต่โยมจะป่วยแค่สองวันแล้วก็หายเลยอย่างเงี้ยเพราะโยมขอตั้งอจิตอธิษฐานขอไว้อออืืแต่โยมไม่ต้องการหรอกเพราะว่าโยมบอกแล้วว่าไม่ต้องการเห็นนรกเห็นสวรรค์ขอแค่ว่าจิตนิ่งพอ ดีมากดีมากผมก็ได้ได้พระอาจารย์นั่นแหละเป็นกำลังใจปฏิบัติตามมาโอเคดีปฏิบัติต่อไปนะปฏิบัติต่อไปขอขอพรด้วยค่ะพระอาจารย์วันนี้ให้พวามแปลกๆเอาตาเหี่ยงตโนดาเถหน้าอืมฮึวันนี้ไม่ไม่ไม่ให้ร้อไม่โยนะไม่ให้ร้อไม่โวยไม่ให้สวยนะให้เป็นที่เพื่อของตัวเองให้ได้ดีกว่า เพระาะเวลาถึงเวลาจริงๆเงินทองช่วยเราไม่ได้นะความรวยความร่ำช่วยเราไม่ได้มีแต่ตาเหตุตโนโยธสติ<น>ปัญญาของเราทนนะใช่พอโยมโยมก็เ อ, อรู้สึกว่าโยมเรียกเป็นภาษาพระไม่เป็นหรอกแต่ว่าเมื่อก่อนโยมเป็นคนกลัวผีแต่เดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าโยมรู้สึกว่าอย่างสมมติเมื่อก่อนเนี้ยเราจะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าไปฟ้าหาอผู้ชายแต่เดี๋ยวนี้ โอเราเห็นผู้ชายแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยนึกถึงเวลาศพมันเน่าแล้วขึ้นอืดเป็นยังไงวะเออเราก็นึกถึงตรงนี้เราก็เลยอเออแล้ว ม, มันมันก็อยู่ๆมันก็ไม่อยากได้อะไรอย่างนี้เลยใช่แต่เป็นคนชอบแอบมอง <c oughs> <c oughs> นิสัยไม่ดีค่ะยังบาปอยู่กันไปไปไม่ถึงพระโพธิสัตว์แน่เลยโบยชอบ<า>แอบมองแอบมองที่ไหนแล้วที่หไหนแอบมองท่ไหน ดัรดันดันดันขอให้พระอาจารย์สุขภาพทาตุขันแข็งแรงค่ะขอให้ถูกไวยทั้งวันนะครับขอบขอบขอบคุณค่ะคุณตายจากพัทยานาเกลือหอมกล่าวนมัสการคระอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์มาล่วงพลาดกันดีดีใช่ค่ะพระอาจารย์เพื่อนคํายกันเยอะแยะสนุกดีนะ ค่ะค่ะพระอาจารย์คนที่กิศทิศเพิ่รรงกลับจากวัดไปเนี่ยมาอยู่หลายวันนะว่ <c oughs> ารชการครับพอาจารย์ครับก็ไม่จริงๆไม่มีคําถามอะไรครับอาจารย์ครับมาอยู่วัดมันก็เห็นหมดก็ได้หมดแล้วนะครับก็ไปไปไปบนเขาครั้งนี้ไปสามวันสองคืนครับแล้วมีมอีอันหนึ่งครับราอาจารย์ขออนุญาตเล่าให้พระอาจารย์ฟังคื อ, อนั่งแล้วรู้สึกว่า สงบแล้วก็เลยแช่ไว้ น, น, นานๆเหมือนที่พระอาจารย์บอกครับ mm hmm. แล้วก็คราวนี้ได้เปิดว่าในหนังสือจากคุราแล้วก็เอาไปอ่านในบทที่พระอาจารย์สอนเรื่องสังขารในการปรุงในการพิจารณาเหมือนคนคํารถพาไปวัดหรือว่าพาไปดูหนังไปเที่ยวครับ mm hmm. แล้วก็เป็นการที่สังขารก็คือการคิดปรุงขึ้นไปแต่เราปรุงเพื่อพิจารณาทางด้านปัญญาเวลา ผมนั่งครั้งนั้นที่สงบมากๆแล้วพอออกมาก็เลยลองดูครับลองคิดถึงเรื่องในที่พระอาจารย์สอนก็คือดอ่ินน้ําลมไฟถึงตงัวก็แก่เกลียดตายนิจธรรทุกข์ขันธหน้าตาขึ้ น, นป <ะ S 2> ไปทางนี้ไหวๆต่อไปมันก็จะติดเป็นนิสัยพไปทางทยลัคนิจธรรทุกขนันธหน้าตาครับมันก็รู้สึกว่าเข้าใจมากกว่าที่เราเคยฟังฟังมาครับ แต่แต่ก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่สุดมันยังไม่ถึงว่าแบบเข้าไปลึกๆในใจแต่รู้สึกว่าเออมันมันเข้าใจคิดบ่อยๆต้องคิดบ่อยๆใช่แล้วพอเจอเหตุการณ์พอเห็นเหตุการณ์ก็บอกนี่แหละนั่นเนี่ยมันไม่เที่ยงนะเนี่ยมันเป็นอนัตตาเนี่ยดีดีร่างกายก็เจ็บขึ้นมาป่วยขึ้นมาอย่างนี้มันเป็นอะไรมันเป็นตัวเราของเราที่ไหน ใช่ครับ 3, นะอันนี้ชาจาังทุกขังนะัตทานี่เห็นชัดขึ้นมากเลยครับชัดไปเรื่อยๆต้องดูเปรียบเทียบของจริงด้วยอย่าเพียงแต่คิด ท, ทักทีอย่างเดียวตอนแรกตอนแรกผมก็ยังไม่มั่นใจว่า เ, เป็นเพราะว่าเราฟังบ่อยๆหรือเปล่ามันก็เข้าใจนะเหมือนฟังแล้วเข้าใจแต่พอครั้งนี้เราได้เหมือนนั่งคิดกับมันนะครับ จริงๆการเดินปัญญาก็คือการนั่งคิดของมันใช่ไหมครับอาจารย์คิดทางนะคิดทางใจครับยคิดทางทางฝ่าย่างปัญญาถ้าอย่างนี้เวลาเราเออ่ในบางครั้งที่เรานั่งสงบเนี่ย อ, อพอเราออกมาเราก็คิดในทางปัญญาได้แต่เวลาที่เกิดเราบางครั้งเรานั่งแล้ว ร, รู้สึกเราหลับตาแล้วเราอยากจะคิดทางปัญญานี้ได้ไหมครับหรือว่าควรจะถ้าเรานั่งเพื่อความสงบไม่อยากคิดอ แต่ถ้ า, านั่งถ้าคิดทรรางปัญญาเราให้เจ็ก่อนต้องใหคิดนล้วพิจารณาความเจ็บว่าเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาเลยเพรา ะ, ะ, ะที่ผ่านมาเคยสังเกตตัวเองบางครั้งเวลานั่งแล้วสงบสงบสบางทีมันจะเหมือนจะวนกลับมาคิดเรื่องทางปรราัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไ ม, ไม่ไม่ควรคิดแบบนั้นควร น, นะคให้ออกมาก่อนดีกว่าวช่จริงเวลานั่งต้องทำให้มันสงบสงบเป็นนาน ในนีไ้ไปค้ามาพิจารณาแล้วออกมาทีแล้วก็ที่พระอาจารย์เคยอสอนไว้ก่อนที่ผมจะไปขึ้นเขาที่ผมกลัวงูอะครับเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่าลองเดินบนทางจงกรมแล้วผมก็ถามว่าจุดเทียนหรือไม่จุดเทียนดีแล้ว mm hmm. คราวนี้ผมก็เลยลองไม่จุดเทียนดูครับอ mm hmm. มันมืดมากครับก็เลยต้องกลับมาจุดเทียนเหมือนว่าจุดเทียนทางฝั่งหนึ่ง mm hmm. อ่ แต่ก่อนหน้านั้นจุดสองฝั่งนัดเราเลยลองดับจุดเทียนแล้วก็ลองเดินอยู่มันมืดมากแล้วก็ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยกลัวครับไ ม, ไม่ไม่ได้กลัวมากครับแต่ก็ยั ง, <อ>งไม่กลัวเลยยังมันถูกกัดยังมันก็ตายอย่างอ่ายังไม่ว่นใจเหมือนกันว่ามันจะเราได้เอาชนะมันได้หรือเปล่าครับก็มันเฉยงกลัวอยู่ว่าไม่ยังไม่ชนะมันเฉยๆมันไม่ค่อยกลัวครับมันไม่กลัวแต่ก็ยัง ยังไม่แน่ยังไม่แน่ยังไม่ใจอาจจะต้องไปหาวิธีมันต้องกลัวมันต้องกลัวสุดๆแล้วก็ยอมยอมนะต้องเกิดความกลัวคิดว่ามูอาจจะอยู่ข้างล่าข้างหน้าขึ้นไปนะแต่ก็ใจก็สู้อ่ะมันอยู่ข้างหน้ามูก็จะด่าไปเนี่มันจะกัดให้มันกัดมันจะตายให้มันตายถ้าปลงได้แล้วมันจะมันจะจิตมันจะดิ่งเข้าสู่ความสงบเลยอืนี่มันจะหายกลัว ตอนที่เดินเข้าไปที่มืดที่สุดมันเหมือนแบบใจมันอยู่กับพุทโธพุทโธตลอดเลยครับมันเลยไม่ได้ไปแวบคิดในเรื่องว่าเออฉันยอมตายก็ตายมันไม่ได้คิดแบบนยังไม่ได้ใช้ปัญญายังไม่ปดกอ๋อมันยังอยู่แค่พุทโธขั้นสติอยู่ทั้นสติมีสติมันก็ไม่กลัวแต่พอเอาเพลสติมันก็กลัวได้ถ้าท่านปัญญายอมตายแล้วอันนี้มันไม่ไม่ไม่ไม่ไม่กลัว สติไม่มีสติพุโทโธไม่มีพุโทโธมันไม่มันเฉยแนละ้วพระอาจารย์ครับคุณคำหลังสุดท้ายวันนี้ได้เปลินได้เมีคลิปของพระอาจารย์สอนบนเขาเจ็ดปีที่แล้วมันเด้งขึ้นมาก็เลยเข้าไปฟังที่พระอาจารย์เทศพระอาจารย์มีพูดเกี่ยวเรื่องอุปจารสมาธิครับนกานั่งอัปนาแล้วก็ถอยวันนิดนึงเพื่อให้มันมันก็จะเข้าไปจุดที่เป็นออุปจาะประตอบอะไรเราที ถามสอบถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราไปอยู่ที่อัปนาคือสอบถามมพระอาจารย์ว่าอุปจาระสมาธินี้ฝึกได้ไหมครับคงยังต้องมีอาจารย์เพราะว่ามันไม่จะเป็นเหตงที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเห็นครูบาอาจารย์ท่านเราคนที่เข้าปฏิจาระด้นนี้น้อยมากน้อยคนอาจจะมีแค่ประมาณทั้งห้าคนจะไม่มีวิธีฝึกใช่ไหมครับ มันอาจจะมีในอดิตชาติก็คืออจะฝึกมากับอาจารย์บางรูกที่รู้วิธีโอแต่ถ้ามาฝึกกับครูบาอาจารย์ที่เป็นผ้าหลานได้ก็จะไม่สอนถึงแม้ท่านจะรู้วิธีเพราะถ้ามันเป็นสมาธิที่ผิดไม่เกิดประโยชน์ต่อวิปัสสนาต่อปัญญาต่อการเจริญปัญญาท่านก็จะไม่สอนท่านมืนถ้าเป็นท่านจะมีแต่จะห้า อย่างูตาม้าบัวมนลูกศิษย์คนหึ่งคุณแม่ฉีแก้วเนี่ยเธอชาอบไปทางอุปจาระยางน้ะครับท่านท่านต้องคอยห้ามออไปแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ อ, อเุเบกขาไปแล้วก็จะกลายเป็นเป็นเป็นปนู่น้องของกิเลสไปในเครื่องมือของกิเลสแต่เราห้ามไม่ไป งั้นถ้าถ้าไปเจอกรบาอาจารย์ที่มุ่งไปทางบังผลนิพพานทุกลบท่านจะไม่สอนตรงนี้แต่เมื่อท่านอย่างรู้วิธีท่านก็จะไม่สอนอเพราะไม่ยําเกรงมันไ ม, ม, นไ ม, ม, นไม่มันไม่เป็นประโยชน์กลับจะเป็นพิษเป็นภัยเลยนะต่อผู้ปฏิบัตินี่อจะเป็นเหมือนแบบเทวทันเทวทันแค่ได้หน้าพิญญาแล้วก็ ห, หลงตัวเองว่าแค่ตัวเองเก่งอง อาจารย์ใจนะขอบคุณครับอาจารย์ครับน้งองภาสนาเชิญวันนี้ก็มาคิวหลังเลยมาเช้าเลยเข้าเช้าค่ะแต่ว่าสงสัยคงคิวยาวคนเข้ า, เ, าเยอะอย่างนี้ค่ะแต่ไม่เป็นไรรอได้ค่ะก็ยังคงความสงบแล้วก็ความสุขความสุขอยู่ในแบบในใจได้ตลอดนะพระอาจารย์ดีมากมากเลยค่ะแล้วก็ แล้วก็การพิจารณาค่ะพระอาจารย์รู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติคือมันไม่ฝึกมันไม่มันไม่เหนื่อยเหมือนครั้งแรกๆที่ตอนแรกๆที่ออกมาจากกับเขาซีอีโอใหม่ๆนะค่ะก็มองลดมันยังว่าปัญญามันน่อหมุนันต่อไปก็เป็นปัญญาอัตโนมัติต่างๆหมดไม่ต้องไปไม่ต้องไปบังคับไปสั่มันมันจะคิดของมันเองมันเพลินถ้ามีปัญญาแล้วมันจะเพลินใช่ แล้วมันก็ทําให้สงบด้วยพระอาจารย์รู้สึกเลยว่ามันมีความสุขมากมากเลยแล้วก็คือตอนนี้เอ่อมันเริ่มแบบมันเริ่มก็มองใจว่ามันเอจะจะสู้ระบบความอยากนะพระอาจารย์มองว่าถ้ามีความอยากจะลองเปิดมันต่ครา น, นี้ตอนนี้มันยังไม่มันยังไม่เคยเพิ่มขึ้นมานะคะความอยากเพราะว่าเราดูสัญญากับความจริงคือมองสัญญากับความจริงตลอดแล้วก็มองอบัติเโกลตลอดก็เลยยังยังมันยังไม่มีให้สู้ก็ก็นั่งสมาธินั่งรักเอาไว้ค่ะแล้วก็เพิ่ม เข้านอนเช้าก็คือจุดเทียนแล้วก็เดินพอพอนั่งสมาธิเสร็จลงมาแล้วจุดเทียนเดินข้างล่างนะคะก็เห็นแต่ไม่เห็นแบบเออเฮ้ยชีวิตเราเข้าไปอยู่คน เ, เดียวนานๆถึงยัเห็นความอยากโผล่ข้นมาคือคนเดียวนานๆโดยเขาที่หนูใส่อยู่วันได้แค่ประมาณแปดเก้าวันเพราะว่าน่าจะไม่งา น, นต้องเหลือทั้งปีสองปีอะไรง <laughs> <laughs> จำเดือนหรอ อุย้ยถ้าถ้าอยู่วัดมันจะมีความอยากหรอเปล่ะอาจารย์ดูอยู่วัดดูวัดมันถ้าอยู่คนเดียวไงมันเดี๋ยวมันก็อยากคิดถึงแฟนคิดถึงโนกคิดถึงอะไรขึ้นมาจริงจริงเริ่มปล่อยมันถ้ามันอยู่กยใกล้มันก็ไม่อยากแต่ถ้ามันไม่ได้เห็นหน้าเห็นตามก็อาจะคิดถึงก็จอยากนะอแต่แล้วรู้สึกว่าเหมือนค่อยๆปล่อยได้เพราะว่าเหมือนกับว่าเราไม่ใช่มีอารมณ์เหมือนสมัยก่อนแล้วเราทําหน้าที่แล้วก็ค่อยๆสอนเขาให้เขอยู่ด้วยตัวเองคือการสอนที่เขาอยู่ด้วยตัวเองในขณะที่ทำบริบบทยาวถ้าสอนตีเรียนน่าจะอยู่คนเดียวะ นานๆไ่ถึงล้วนก่นนาิเลสมันหมดเรี่ยมันตายไหมอ๋อค่ะได้พระอาจารย์ก็ค่อยๆฝึกทําไปค่ะก็<ม>ตอนนี้ก็คืออย่างเราไปทำแปดเนี่ยคือคื อ, คอจริงๆแล้วตัวสามอันแรกพวกรับยศสรรเสริญเนี่ยคือโอเคไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เอาแนละ้วแต่ว่าเรื่องสุขทุกตอนนี้เริ่มเข้าใจพระอาจารย์เพราะมาคุมอจอตนะใช่ไหมคะก็เลยดูว่าพอเรารู้แล้วว่ามันเป็นเหยื่อที่พระอาจารย์บอกไอเหยื่อไปเบ็ดเน่ยก็ก็คือมันเลยดูสัญญาของความจริงอ่ะพระอาจารย์ทําให้คุมไรง้อยู่ เดี๋ยวจะลองจับเวลา น, นะครับอาจารย์ขอสักสาต้องไม่เสีย <3 S 2> อะไรต้องไม่เสียอะไรนอกจากกินข้าวแล้วก็ไม่กินอะไร น, ะนอกจากน้ําป่าจริงๆก็ไม่กินแล้วนะคะตั้งแต่เ<อร>จออาจารก็อะไรก็ไม่ดูรูกเสียงลูกก็ไม่ดูเสียงก็ไม่ฟังเลยเล่นกตารเปียโนเพระาะอาจารย์ตั้งแต่เจอพระอาจารย์ก็ไม่เล่นเลยคือขึ้น อ, อไปเลยทีวีก็ไม่ดูคือไมู่นึกตามนึเสียงกินน้ำตาลใ่แต่เสิ่งที่จำเป็นเท่านั้คือน้ำเปล่ากับอาหารได้ค่ะอาจารย์ ก็เดี๋ยวเตรียมเพราะตอนนี้มีหน้าที่ประชุมเรื่องของช่วยอาจารย์อยู่เดียเด๋ยวปลายเดือนก็จะไปอาจารย์เดี๋ยวไป้ำเต่าก็แต่ว่าไปสองคนนะคะเพราะว่าพระอาจารย์ุมีแบบว่าให้ไปสองคนก่อนก็เลยเดี๋ยวไปสองคนก่อนด้ะได้ับแฟนนะไปกั<ะ>แฟเขาอยู่เานักสันาห์ที่ได้สองชั่วโมง น, นะพระอาจารย์เขาสู้วช่วยกันช่วยกันเด็กฉนนั่งได้สองชั่วโมงแล้วดีมากเลยเดี๋ยวขลังจะไปเขาเชียวพระอาจารย์เขาขอไปช้าเตาก่อนค่อยกลับมาเขาเชียวนโอเคค่ะหมดแล้วค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวถ้ต่าเราจะไปเมื่อไหร่ทําต่ ไปน่าจะไปไปเดือเพราะพอประชุมประชุมเสร็จปุ๊บอาจารย์เขาให้ไปช่วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้คือเหลือแค่ช่วยไม่ไม่ได้ทํางานแบบเรื่องรายได้ น, นะหรือช่วยอาจารย์แล้วก็ไปเดือ น, นะคะอาจารย์ไปประมาณแปดวันจะอากดไปด้วยนะคะก็คือว่าถ้าเกิดขึ้นคงจะมีที่แต่ถ้าไม่มีที่ก็ไม่เป็นไรก็ปรับกฎได้เพราะว่าเตรียมเต็มพร้อมค่ะอาจารย์โ <Okay. S 2> <laughs> <laughs> อเขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีค่ะหมอเวียนชมบุเร่ วันนี้ไม่มีคําถามนะคะเข้ามาจานแล้วก็มาขอฟังธรรมเจ้าค่นะในใบที่คุณวัชีวัชีวัชีวชีอาจารย์บ้นไหนกลับมาสการพ์พระอาจารย์ครับกันนี้เข้ามาเป็นครั้งแรกครับอยู่ที่ไหน อ, อ๋อผมอยู่เชียงรายครับพระอาจารย์เ อ, อวันนั้นได้มีโอกาสครั้งแรกที่ได้พบพระอาจารย์ไปใส่บาตรวันที่หนึ่งครับ แล้วก็พบคุณหมอวีรภพันธ์ด้วยครับไปติดตามท่านในในส่วนของโควิดมาก่อนนะครับก็รู้สึกประหลืมรใจมากครับอาจารย์ก็วนเข้าไปในวัดแล้วก็จึงเพิ่งทราบว่าพระอาจารย์ช่วงนี้ไม่ได้พบญาติโยมใช่ไหมครับพบทางออนไลน์อย่างเดียวใช่ไหมครับก็ออนไลน์ตอนที่ออกมาฉันตอนเช้าระเบิตรบาดอ๋อครับผม ก็ช่วงนี้ก็ได้ทดสอบข้อสอบใหญ่ครับพตั้งใจจะจะไปกราฟอาจารย์ทั้งสองสามปีช่วงโควิดนี้ก็ไม่ได้ไปเลยครับพึ mm ่ง hmm. ครั้งนี้ไปครั้งแรกเคยเคยเรียนกับเรียนถามอาจารย์เรื่องของสี่ห้าที่ที่ที่ตั้งใจว่าจะรักษาครบห้าข้อนะครับก็ผ่านมาสามสีป่ปีตอนนี้ก็ยังที่เรียนมานั้นว่ายังยังมีพร่องข้อสี่บ้างที่เรายัง อย่างยังอย่างพูดความจริงไม่หมดในบางเรื่องเพื่อไม่ให้มันมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับอาจารย์ถ้าไม่พูดความจริงไม่ไม่ถื อ, อว่าโกงนะครับคือทําเป็นแต่ยารพูดความไม่จริง น, นั่นแล้วก็ครับเาพูความจริงครึ้งหนึ่งแล้วอีกครึ่งเราไม่ได้พูดนี่ก็ไม่ถื อ, อว่าโกงครับใช่ครับในการพูดความจริงไม่หมดครับ rak. เอ่อเอ่อวัะนั้นหลังจากที่ได้ใสบายพระอาจารย์นะครับก็ รู้สึกปลื้มใจมากพระอาจารย์ก็นักถามว่ามาจากไหนก็รู้สึกปลื้มใจมากตั้งใจว่าจะอยู่ที่นั่นอีกสองสามวันปรากฏว่าต้อ ง, ต, องต้องกลับบ้านด่วนก็พอดีคุณพ่อก็ก็เสียในคืนหนึ่งถัดมาจากนั้นนะครับท่า <Okay. S 1> นอายุเยอะแล้วแล้วก็เสียพวกโควิด อ, อันนี้ก็อยากจะอยากจะเรียนพระอาจารย์ว่าก็ตั้งใจว่าถ้าถ้าเจอด่านที่หนักแบบเนี้ยอ่าจิตใจจะอยู่ได้ไหมพอไปยืนดูศพพ่อก็ก็รู้สึกว่าที่เตรียมมานานก็ เขาใช้ได้ครับอาจารย์ไม่ได้บูดวายอะไรมากถ้าเราหมั่นพิจารณาบบวันแล้วจันมันก็จะเตรียมตัวเตรียมใจรับเหตุการณ์ครับผมจริงจริงอยากจะกลับเรียนอานอาจารย์หลายข้อแต่ตอนนี้ตื่นเต้นมากครับได้ได้พบอาจารย์ก็ขอกลับขอบพระคุณพระอาจารย์มากครับเดี๋ยวโอกาสต่อไปจะเได้เปลี่ยนคําถามให้ดีครั้งหนึ่งครับทุกคนทุกวันพูดน่ใจเข้ามาได้ทุกคนสาธุกับขอบคุณวิสาจากสวิตเซอร์แลนด์ ใชนคุณทวิศน์หายหน้าไม่ได้ในครานี้จำไม่ได้แลเนี่ยจาไม่ได้แล้วค่ะกลับสมาธิการปรารย์ค่ะโยมติดโควิดครับอาจารย์พัชรินมีนาค่ะค่ะก็ไม่ถือไม่นเรื่องใหญ่ไที่ทวิศน์และก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แลใช่ไหมไม่ไม่ไม่เป็นเรื่องใหญ่แล้วค่ะแต่ แต่พอดีโยงก็ร um. ่างกายไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยแบบว่ามีอาการลองโควิดยาวอยู่ค่ะอาจารย์ก็เลยฟังรับฟังอีกข้างนอกค่ะอาจารย์แล้วต้องต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลหรือแบบตอนนี้ไหนอาอไม่ค่ะอยู่ที่บ้านค่ะอาจารย์ักษาที่บ้านนะค่ะก็ค่ารักษาอยู่ที่บ้านตอนนี้ที่ตอนนี้ที่ใช้สารเขาเขาไม่บังคับให้ให้ใส่หน้ากากหรืออะไรแลใช่ไหมเขาปล่อยปล่อยหมดแล้วใช่ไหม ไม่ค่ะอาจารย์ตอนนี้ปกติทุกอย่างค่ะอาจารย์คือเป็นปกติตั้งแต่ค่ะคือไม่มีคือตอนนี้ไม่มีจพทย์แบบว่าไม่มีข้อห้ามอะไรเลยค่ะพอาจารย์ตอนนี้คือปกติเลยโลบานไปโรงพยาบาลคลินิกก็ไม่ต้องใส่ค่ะคือเมื่อก่อนยังมีแบบถ้าไปโรงพยาบาลหรือคลินิกอต้องใส่ อันนี้ก็คือว่าให้เปิดเสรีได้นอกเสาร์จางบางคลินิกที่เขาขอความร่วมมือแค่นั้นค่ะแต่ไม่ได้เป็นกฎตายว่าจำเป็นต้องใส่จำเป็นตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่แล้วค่ะอาจารย์เข้าประเทศเข้าสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้ค่ะไม่ต้องส่เข้าสวิก็ไม่ต้องต้องมีใบไม่ต้องมีได้ค่ะอาจารย์ค่ะตอนนี้เปิดแบบเต็มที่ต้องดูแลตัวเองเองค่ะอาจารย์ตอนนี้ ค่ะปกติม<ด>ีอะไรไหมห า, นะายเรียงหายเป็นปกติหรือยังค่ะหายแล้วค่ะพระอาจารย์คิดว่าแต่ยังยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมแต่ก็หายคิดว่าดีขึ้นมากค่ะพระอาจารย์ค่ะพอดีโยมมีคําถามค่ะพระอาจารย์ว่าการที่โยมคิดคิดว่าถ้าเกิดเราเวลาเรานั่งภาวนาอย่างนี้เราเรา เรามีความคิดว่าถ้าเราสู้กับเวทนาได้นั่งนานๆได้มันจะมันจะดีกว่าที่คือคือมันจะเป็นฐานของการที่แบบเราจะแบบเมื่อร่างกายเราอดทนเราอดทนต่อความความเจ็บปวดได้แล้วเราก็น่าจะมีใจที่ไปแบบต่อสู้กับกิเลสได้มากขึ้นอันนี้โยมคิดถูกไหมคะอาจารย์ถูกต้องต่อไปร่างกายเราไม่ต้องเจ็บไข้ได้ด้วย เราเจ็บตัวนั่นปวดตรวนี้แต่ถ้าเราฝึก อ, อยู่กับเวทนาได้ต่อไปเมื่อเราเจ็บปวดไม่รู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อ น, นไปกําเลยค่ะค่ะแล้วทีนี้โยมมีคําถามต่อว่าโยมได้ยินบางท่านที่เป็นนักภาวนาท่านบอกว่า เ, เราไม่จําเป็นจะต้องอดทนนั่งภาวนานานทรามานร่างกายให้เจ็บปวดเราเราคิดใช้ปัญญาเอาก็ได้อย่างเงี้ยโยมก็เลยคิดว่า ใช้ปัญญาไปตัดความเจ็บปวดเนี่ถ้าเกิดมันมีความเจ็บปวดขึ้นมาจริงๆเราจะไปใช้ปัญญาตรงนั้นได้ยังไงในเมื่อเราล่างกายยังนไม่ได้อันนี้ใช่ไหมการหันว่ายน้ําโดยไม่ลงน้ําเนี่ยมันจะไปว่ายน้ําเป็นที่ไหนนะใช่ไมหันว่ายน้ำโดยการอ่านหนังสือวิธีว่ายน้ํำมาทําอย่างนั้นทางนี้แต่ไม่เคยลงน้ำแล้วมันจะไปว่ายน้ําได้คิดตามปัญญาว่าเมตนาไม่เที่ยงเป็นเรา ปล่อยวางไม่ต้องไปยุ่งกับมันถึงเวลาจริงๆริเจอมันปล่อยได้จริงหรือเปล่าอ่ะอืมมันก็ต้องซ้อมมันก็ต้องเดินเจอของจริงใช่ไมอื hmm. มันคนที่พูดอย่างนี้ทนายมันไม่เคยปฏิบัติเลยอย่าไป็นความคนที่ไม่ปฏิบัติคนไม่ปฏิบัติมันมันหาข้ออ้างแก้ตัวไปอย่างนี้เองเพราะตัวเขาไม่อยากจะปฏิบัติ สติก็ไม่เอาสมาธิก็ไม่เอาสติก็ไม่เอาสมาธิไม่เอาปัญญาลูกเดียวเลยลูกไปปัญญาก็กลายเป็ความคิดขี้โม้ไปเลยผมไม่กลัวเสือหลังเนี่ยพอไปเจอเสือไนี่ยมันใหญ่เลยมันกยตอนเจอเวทนาขึ้นมาเนี้ก็ทรมานนะบนนั่นเลย งั้นไม่อดี๋วไปฟังเลยฟังพระเจ้าเลยค่ศึกษาแล้วก็ต้องปฏิบัติคิดแชร์ยอย่างเดียวไม่พอต้องเจอของจริงค่ะพระอาจารย์โยมโยมก็คิดไปอย่างงั้นโยมคือโยมว่าเออตามตามที่ฟังพระอาจารย์หรือท่านเช่นโยมก็เอ้มันมันใช่เหรอมันอะไรอย่างนี้เหรอแต่แต่เมื่อเราฟัเออเราก็ เ, เออแต่เราคิดว่าอย่างนี้แต่เพื่อ มันขาดใจอะค่ะว่าอาจารย์ก็อยากเรียสอนเนีมันมันจะจริงๆมันต้องเริ่มจากอันนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไปปัญญาเลยปัญญาเราจะได้ยังไงยกคิดอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ต้องดูว่าเขาจบหรือยังพอสอนเราเนี่ยเขาเรียนจบหรือยังยังไงค่ะว่าอาจารย์ค่ะคนที่ไม่นั่งสมาธินั่งจานไม่ต้องนั่งไปไปปัญญาเลยไม่ต้องนั่งสมาธิเสียเวลาอกไปนั่งนั่งสมาธิเฉยเฉยไม่ได้อะไร ต้องปัญญาที่จะดับทีเลนได้แล้วมันมีกำลังดับที่ไหน่ะประมาณว่ า, ณาไม่ต้องคือประมาณว่าไม่ต้องนั่งทรมานเอานั่งแบบแค่เปลี่ยนอันนี้ก็ได้เปลี่ยนเมื่อยก็เปลี่ยนได้อะไรอย่างนี้แล้วถ้าเกิดเวลามันเปลี่ยนไม่ได้เวลามัน <laughs> เต้นอะไรขึ้นมานมนปวยกระดูกนจะ <laughs> ไปเปลี่ยนยังไง โอเคนะไม่มีอะไรนะมีอะไรไหมเครับอ่าานี้กันนะอะคุณบรลิกาต่อค่ะปาาราจย์เผื่อมีโอกาสโอเคคุณบรลิกาอยู่ระยองเหรใช่ไหมเ<ไ>ป่ไก็ได้ยินนะพูดนาเลยก็ ว, วันนี้ก็ขอมกับ น้ำมันสกัดพระอาจารย์เจ้าคณะแล้วก็ฟังคำพระอาจารย์ไม่มีคําถามไหมคะพระอาจารย์ไม่มีเลยับยไปที่คุณสารสริทธิ์นะใช่ไหสารสริทธิ์อยู่ข้างบนนะใช่อยู่ที่ไหนคุณสารสริทธิ์ยังไม่ได้เปิดไหม่เลยไม่ได้ยินต้องเปิดไหม่ครับเปิดอ่าเปิดแล้วอ่ะดับอีกหน้ากดใหม่ กลับนมันตสการครับพระอาจารย์ลาไปเลยครับผมลบก้นสอบถามหน่อยนะครับสมมุติแบบว่าทําสมาธิเราตามดูลมหายใจนะครับพระอาจารย์ตามดูลมหายใจไปได้สักพักหนึง่งคําภาวนามันหายไปอยู่แล้วครับแล้วคราวนี้ยมันไปมันพาเราแบบพิจารณาข้างในเองคือแบบว่าให้พิจารณาแบบไม่ถูงแบบว่าไม่ถึงถ้านั่งสมาธิเพ่ครับสงบ ท, งงที่นัมันอยู่กับคำบริกรรมไปแค่อย่างเดียวยังไม่พิจารับครับ ก็ค<ะ>ือจะเรจะไม่มีวันเชิงอกได้ครับก็คือพอแบบพอออกจากสมาธิมามันมันสว่างเหมือนไฟนีออนแบบมันไม่อยากหลับอ่ะครับพระอาจารย์ออมันแบบมันเหมือนแสงไฟนีออน ข, ขาวๆไม่รู้ไม่ไม่สำคัญอะ่ะตันที่ว่ามันเป็นไม่เบคาวออกมาปะครับใจใจวางเฉยได้ไหมปะไม่รักช้ำโกรธหรปล่าครับและคือที่แบบสมมุติถ้าออกมาจากสมาธิอย่างที่พระอาจารย์สอนนะครับ และคือตอนที่แบบใครคือผู้รู้เนี่ยตรงเนี้คือแบบมันต้องตอนจังหวะไหนครับที่ถามว่าใครคือผู้รู้แบบตอนที่เริ่หยุดคิดไม่ต้องถามแล้วมันก็จะเห็นทุเรศเองครับคือ <c ười> ผู้รู้ก็จะขึ้นมาเองใช่ไหมครับว่าใช่ผู้รู้เหมือนถูกความคิดมันบังไม่มองไม่รับพอพอผู้คิดหยุดไปก็เหลือแต่ทูเรู้ครับครับอันนี้ไม่ต้องถามไม่ต้องถา มันถ้าจิต น, นิ่งสงบหยุดความทิ่แล้วมันก็จะเปลี่ยนไหมครับพระอาจารย์ขอบคุณครับชเจา ก, นะา ร, าจากรุงเซนต์ธอนจ่เวลาซิเวอร์สิงหรืาอยู่ซิลเวอร์สริงหร<ไ>ือาใช่นะซิลเวอสปริงที่เดิมค่ะพระอาจารย์อของของโยมวันนี้ก็แบบคุณซาเจ้าคาอยู่เซนอนอยู่ที่ซิวอร์สปริงใช่ค่ะจริงๆโยมก็อยากจะคอนเนคกับเขานะคะเพราจริงๆ ติวอ s ช i n g ก็ไม่ได้ใหญ่อะ ค, <ช>ค่ะก็น่าจะอยูอแบบ่แต่เนียใกล้เราวันไหนเข้ามาแล้วลองแชทกัาดูได้เรา ง, งได้ค่ะเาไปค่ะคือคุณวายช่เปิดแชทให้หน่อยนะสงแชทัข อ, ขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะคือของโยมวันนี้ก็จะคล้ายๆกับคุณมารีกับคุณทวิสาค่ะโ<ม>ยมรู้สึกว่าการพิจารณาปัญญาเนี่ยให้พิจารณาไตลักษ์หรือว่าพิจารณาธาตุต่างๆเนี่ย แต่ถ้ามันไม่เกิดข้อสอบจริงขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ลงซึ้งลงไปที่ใจเหมือนพอพอเยอมเยมเจอข้อสอบแล้วอยมมันจะขึ้นมาเองว่ามันจะขึ้นมาถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงมันจะขึ้นมาหนึ่งเนืองอยู่ในจิตนะคะใช่ป่ะมันเป็นจิงแค่เราเห็นแล้วพอมันรู้ปุ๊บเนี่ยมันซึ้งโยมไม่รู้จะใช้คําพูดมันซึ้งลงไปที่ใจมันเข้าใจจริงมันเข้าใจเข้าใจแล้วมันจะฝังใจแล้วไม่เดิแล้ว มันกลายเป็นว่าก่อนหน้านี้โยมอาจจะนั่งสมาธิได้ไม่สงบมากเท่าไหร่นักแต่เมื่อเกิดความซึงใจตรงนี้มันไปช่วยให้การนั่งสมาธิของโยม<ด>นั่งดได้ดจริ ง, <ด>รงไหมคะพัด จ, จริงจริงปัญญาสมาธิมันจะสนับสนุนกันซึ่งโยมเองก็แปลกใจว่าอ้าก่อนหน้านี้เวลาที่เรามีความทุกข์คือโยมเห็นความทุกข์แล้วยมก็พิจารณาว่าความทุกข์นี้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันก็ดับ แม้ว่าตัวลูกเหล่านี้ก็ไม่ยมยมจะพิจารณาอย่างนี้เนืองๆอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วมันก็ทําให้สติเราดีขึ้นโดยเฉพาะช่วงเช้าช่วงเย็นช่วงที่โยมปฏิบัติเนี่ยมันเวลาโยมอาจจะปฏิบัติแค่ช่วงหนึ่งแต่ว่าสติมันจะดีดีมากขึ้นสักสองสามชั่วโมงมากกว่านั้นแล้วพอเราปฏิบัติแล้วเราเริ่มเห็นคําว่าอารมเริ่มเห็นสติของตัวเองที่มันมีมากขึ้น แล้วเห็นคําว่าปัญญาที่มันซึ้งลงไปในจิตเนี่ยมันทําให้เรามีสมาธิที่ดีขึ้นแล้วการตัดสินใจในการใช้ชีวิตการตัดสินใจในเรื่องต่างๆของเรายมรู้สึกว่าโยมตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วสงบมากมันชัดเจนขึ้นมันเห็นมันเห็นเหตุเห็นผลจากการตัดสินใจของเราทําอย่างนี้มันจะจะเกิดขึ้นทำอะไรอย่างนี้อยากได้จะเกิดขึ้นค่ะพระอาจารย์แล้วมันเหมือนกับว่า อย่างอย่างกรณีของลูกโยมเนี่ยก็จะมะีคนทักว่าเขายังอยู่ในวัยที่ต้องการการออกกำลังกายการออกไปนั่นไปนู่นไป น, น, ไปนี่แต่ด้วยความที่เราเนี่ยเราชอบปฏิบัติมันเกิดคอน FLICT ในการใช้ชีวิตนะคะแต่แลพอคิดได้ดังนั้นเนี่ยโยมก็มาคิดว่าถ้าให้ดีก็คือเราต้องยอมรับความเป็นจริงตาบใดก็ตามเพราะเพราะนั่นคือสิ่งที่ทำให้โยมทุกข์หากยอมยอมรับความเป็นจริงว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะเราไม่ว่าจะเป็นความอยากหรือความไม่อยากคือโยมเอาคาพูดของพระอาจารย์มาสอนตัวเองเอะค่ะว่าที่เราทุกข์เพราะเราไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องการให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเรายอมรับความเป็นจริงว่าเขาจะเป็นอย่างนี้ก็เพราะเขาเป็นอย่างนี้นแล้วเราจะไม่ทุกข์พอคิดได้อย่างนั้นปุ๊บโยมก็คิดว่า ได้ถ้าหากเขาจะต้องการไปเที่ยวไปเล่นอยากจะไปน่นไปนี่ซึ่งขัดกับความคิดของเราแต่เรายอมรับความเป็นจริงว่าเราจะต้องทําให้ได้โดยที่เราใช้สติในการทํากิริยาต่างๆอย่างนั้นต่อไปอย่างนี้เนี่ยคือยมห่วงแค่ว่าแล้วตัวเรามันก็จะไม่กลับมาสงบเหมือนเดิมแม้ว่าเราจะมีสติแต่มันก็จะไม่ไม่เท่ากับที่เราคาดหวังอะคะ่ะอาจารย์หมายถึงช่วงที่จะต้องออกประกเขาใช่ไหม ใช่ขอพระอาจารย์ก็ถือว่าเป็นการทําบุญไปก่อนนะทําหน้าที่ของแม่ที่ดีไปค่อนอืมอแล้วับสภาพของเราเราเร า, เร า, ย, า, ารยังมีกรรมครับเรายังยังมีหนี่ต้องใช้อยู่อันนี้ที่เราใช้หนี่ไปใช่ค่ะใช่ครับแต่แต่กำไรอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องยอนขาดทุนบ้างชีวิตไ <c oughs> ม่ต้องกำไรไม่ต้งขาดทุน <c oughs> แต่พอฟังคำพระอาจารย์แล้วเราก็รู้สึกว่า เวลาเรามีไม่ได้เยอะเราชีวิตเราเรายังไม่รู้เลยว่าถ้าเราปฏิบัติทั้งชีวิตแล้วเราจะไปได้มากน้อยแค่ไหนมันก็แอบเสียดายแต่เราก็ยอมรับความเป็นจริงพอใช้สมุถ้าเรายอมนั่งรอยอมทําหน้านเราก็จะมีความสุขในการทํานั้นๆได้นะคะค่ะเราก็จะรู้สึกกับความสงบคือยอมรับกับมันแล้วก็ใช่พอทำนั่นนั่นก็จะไม่เครียดจะไม่ทุกข์กับการที่เรานั่งไปทําในสิ่งที่เราไม่อยากทำแต่ต้องทำ ใชค่ะพระอาจารย์ก็ตอนนี้ก็โยมก็ใช้วิธีนี้ไปก่อนก็นรักษาใจเองแล้วก็เข้าใจว่าเออเราก็อยู่ได้ไม่ว่าใครจะเป็นอะไรยังไงเราก็อยู่ของได้อะค่ะมันก็รู้อะค่ะบางทีเรายังมีหน้าที่อยู่นะครับว่าบ า, ง, างทีเราก็ขึ้นทางเดินบางทีเราก็มาอยู่ใต้ทางเดินก็ถ้าวันไหนมีโอกาสโยมก็จะรีบขึ้นทางเดวนใช่ขึ้นทางเดินมันก็ได้ไปเร็วมันขึ้นไปได้แล้วก็อยู่ข้างล่างไปก่อนก็ต้องยอมรับ ตามนับนับสภาพไปอย่างนั้นแหละค่ะพระอาจารย์ก็เลยจะไม่เครียดนี้ไม่ว่าจะอยู่ทางเดียและวอยู่ขางล่านก็จะไม่เครียดค่ะคือยอมยมก็จะยอมรับว่าทุกมันมีอยู่แล้วเราก็เราก็ยอมรับว่าเออมันก็มีอยู่แล้วเราก็ทําตัวง่ายให้ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้ก็เท่านั้นนะคะเท่านั้นแหละค่ะพระอาจารย์ก็ประมาณเนี้ค่ะวันนี้ที่โยมคิดได้แล้วก็เราสามารถไม่ทุกข์กับทุกสถานการณ์เราทําให้ได้ ก็จะอยู่บ น, นทางเดินน่อยูข้างหน้าเรกาก็ต้องไป่ทุกข์ก่อนใช่ค่ะพระอาจารย์แต่ก็ยังยินดีกับการปฏิบัติธรรมยังรู้สึกยังรู้สึกเสียก็ไม่เป็ไม่เสียหายอำไมแต่ <c oughs> ก็ต้องก็ต <c oughs> ้องต้องทาําใจว่าเมื่อไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ต้องทําใจ <c oughs> ค่ะค่ะก็ถ้ามีโอกาสยงก็จะรีบค่ะแต่ถ้ายังไม่ได้เราก็ทําเท่าที่ได้ไปก่อน อ, อ, อย่างเงี้ยอมีหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลโลกให้เขาให้เวลาเขามาก ค่ะพระอาจารย์ยอมรับไม่ไม่เลือมาสร้างปัญหาให้กับเราต่อไปนะอย่ผงก็อยากจะให้เขาเข้ามาทางนี้แต่ถ้าเกิดเขายังไม่เข้ามาเราก็ต้องคิดว่ามันเป็นมันยังกำลังทางค่ะค่ะยังไงไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงค่ะพระอาจารย์ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพระอาจารย์การเข้ามาฟังธรรมของพระอาจารย์นี่อันยิบไมมันยิบเยอะมากจออมากเดี๋ยวก็ตรงเดี๋ยวยังไม่ถึงเกียวนะมันยิบอย่าเพิ่งพูดนะ ค่ะโอเคค่ะนมัส ก, การเจ้าค่ะเป็นกำได้ดึงเบาเป็นกำได้ดึงเบ า, เเบาสุโปไทยค่ะนมัส ก, การเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้มาร่วมฟังธรรมเจ้าค่ะไม่มีคําถามเจ้าค่ะโอเคไม่ได้สมชายคุณสมชายต่ออยู่ที่ไหนอยู่อยู่แพนซิลเเนียอนี้เขาว่ามาีมีแบกกลาวผิดไปอยู่บ้านเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ทํางาน ออ oh, ครับกลับ uh, สวัสดีครับเ uh, mm hmm. มื่อกี้เห็นฟังจากเซ l v e r Spring w ิ s ว i ช g t o n d ดีซีจากผมก็ประมาณสักหกร้อยกว่าใหม่7เจ็ดร้อยกว่าใหม่ผมอยู่ทางโนดหน่อยแกอยู่ทางเซา์หน่อยผมก็เลยฟังเปินไปหน่อยสวัสดีครับคือผมไปบายออฟซี bye, off, มาผมก็รู้สึกดีขึ้นหลังจากนั้นก็ เข้าปาร์ตี้ไปวัดนี่แหละฮะไปโน่นไปนี่ติดโควิดเข้ามาอีกแล้วก็วอย่างที่ท่านอาจารย์พูดนั่นแหละมันสมัยใหม่มันตัดเอามัางก็ผมไปบูธใหญของจอร์นสันมันจอร์สันนะอะสองครั้งแต่ก็ยังแต่ก็ไม่มากครับแต่ก็พออยู่ได้อมานี่ผมก็เลยขอเวลากัจกของบริษัทว่าขออาทิตย์หนึ่งให้เต็มๆไปเลยไม่ต้องไม่ต้องมายุ่งครับ ดีใ <c oughs> จได้รักผ่อนนี้ไม่ีโอกาสได้พัองต่อยาอย่างนี้ครับขอบคุณท่านว่าอาจารย์ติดติช่ฉยอาหารเป็นทุลักเล่ดด้วยอคื อ, อก็การการรักษาสินห้าแล้วการปฏิบัติมาไม่ได้กินเหล้าและพูดจานี่ผมรู้สึกดีใจขึ้นมากครับรู้สึก หมายถึงว่าสบายใจขึ้นมากเลยที่ไปหาหมอหมอบอกว่าแอลกอฮอลนอผมบอกบอกได้เต็มร้อยเปรเนเลยว่าโนเลยนะครับก็อันนี้ก็พยายามจากท่านนั่นแหละพยายามจะทำให้ท่านเข้าใจหรือว่ารู้สึกก็เลยผมก็เลยดีขึ้นจากนั่นมาเรื่อยๆครับ ดีมากยังทำต่อไปนะอย่าเลิกนัะไม่ใช่ทําเดี๋ยวท่านก็กลับไปทําใหม่ไม่ได้แล้วนะครับครับจะจะไม่ทาจะไม่กลับ<ม>รู้สึกร่างกายจะดีขึ้นกว่าเก่าเปล่าใช่ไหมครับอับแอลกอฮอล์มันจะไม่ไม่ค่อยรู้สึกจะอยู่ ใ, ในตัวหรืออะไรนี่แหละครับดีขึ้นมากพูดแล้วก็ลูกลูกสาวลูกอะไรนี่แหละถึงลูกพูดถึงลูกที่ที่แก่ของแก่พุ่น ผมก็ปล่อยครับเมื่อก่อนยี่สิบปีของเด็กเนี่ยป่อยเขาบอกว่าจะไม่ทันเขามีคนเขาบอกมามีพวกบอกว่าเขาให้ผมเขาให้ผมเป็นโรงเรียนเลี้ยงลูกถึงสามเดือน <c oughs> เขาหาว่าเราเลี้ยงหรือไม่เป็น <my> ครันผมเคยเออเอางั้นเขาเอาเอาไปโอเค you want to do do <c oughs> ครับก็เลยปล่อยให้ดูนะ อะครับปล่อยไปเราก็เคียดอย่างที่เราอยากได้ให้เขาเป็นแต่เขาก็ผมก็เลยว่าเออผลสุดท้าย เ, าเขาไม่ใช่เราะเราไม่ใช่เขาเหมือนกันได้อะผมก็เลยว่าเออตามท่านอาจารย์สมาน อ, อตามท่านอาจารย์สุชาติดีกว่าจะได้จะได้บังคับใจตัวเองให้ให้ลัง่ะ ให้ระงับไฟมั่งแล้วก็มีความสุขบางครั้งไปมั่งคือตอนนี้ผมก็ไปวัดทําบุญทําอะไรนี่แหละผมจะเตรียมว่าจะเตรียมเสบียงไว้นี่แหละครับมันจะพอหรือเปล่าจะทันเวลาไหมอ่านิ่มๆทำนั่นทําี่ยอะเสร็จทันถ้าทํำเยะก็ทันทำเยอะก็ทันแต่เรื่องสมาธินี่ไม่ได้อยู่กอบเวลาอยู่ที่อะไรมา ตอนนี้มีเท่าไหร่ทำได้ทำไปก่อนเลยไม่ต้องไปรออยไม่ต้องเป็นก๊าซไม่ไม่ต้องไไม่ต้องผ่อนส่งเอามันแบบเอานแบบใจแคชเลยไม่ต้องอินสตาลเอ่น <laughs> งั้นก็ต้งเอาเัินลีทรายถอนออกมาส่โจงเลยได้มาไปนะอันนั้นที่เราไม่ใช้ก็จ่ายไปเลยทำบุญไปเลยขนาดนั้นเลออขนาดนั้นจะตายไปก็ไปไม่ได้แล้วจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ด้วยใช่ไหมก็ถึว่าครับผมอแกบอกว่าไอ้เพื่อนบอกว่าเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบห้านี้ดูเพื่อนแกสิเจ็ดสิบเจ็ดอะไรนี่เขาอยู่ไหนอะเดี๋ยวนี้เขาบอกไอพูดให้เรากลัวด้ว่ยด้วยเยเนี่ย ไ mm hmm? no. um, ั่เราอานสติให้รู้ว่าไม่ไม่มีอะไรแน่นอนแล้วพอวันนี้แล้วมันจะไปขึ้นหมืตาเป็นหนุ่มไม่ได้แล้วอ๋อครับก็ผมก็ขอบผมก็ยังจะถามอาจารย์หอยเอะท่านอาจารย์ให้ขอขยับยับยั้งไปหน่อยได้ไหมขอเวลาอีกวันสองวันค่อยตอนนั้วแต่คุณเนี่เราไม่ได้บังครั้งไะเพื่อนๆคุยๆกันอ่อ น้าแต่คุณคุณจะทำมากทำน้อยทำเมื่อไหร่เนี่ยอยู่ที่คุพร้อมเมื่อไหร่คุณจะทำจะตามคำวันเมื่อไหร่การการถือสินนี่ก็เป็นบสบียงอย่างหนึง่งการให้ให้ทานก็เป็นสบียงอย่างหนึง่งสินมันเป็ น, นเป็นการจองจองที่พักถ้าไม่ถ้าไม่ถือสนีนก็จะไปอยู่ที่ต่ำถ้าไม่ถือสีนนี่ก็จะไปอยู่ที่สูง ให้สินให้ทานด้วยอะไรด้วยฤทถาแต่นะาครับโอเคนะตอนนี้กับนนะบสารังไงอย่างไยหลายคนต้องใหยให้เดียวไหนคุณเอยคอนเจอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมเอ็นเจย์นั่นนปอนด์ใช่ไหมาบนรัชการพระอาจารย์ค่ะค่ะอยู่โตเกียวค่ะนีงไง วันนี้ไม่มีคําถามค่ะพอดีเมื่อ ว, วันซืนไปรับวัคซีนเข็มสามมาเคลียร์เ น, นี่ยฉีดอะไรเข็มสามไฟเซอร์เหมือนเดิมค่ะอ่าใช่ทั้งสามเข็มเลยใช่ค่ะเพราะว่าอแฟนไปฉีดโมเดอร์นากระตุ้นมานเขารู้สึกเป็นไข้หนักมากเลยก็เลยกลัวล่ะเอาเป็นไฟเซอร์แทนไฟเซอร์ดีกว่านะดีค่ะไม่มีแพ้ไม่แพ้อะไรนะ ไม่แพ้ค่ะแต่ว่าครั้งที่สามนี้เป็นค่อนข้างหนักกว่าครั้งครั้งหนึ่งครั้งสองค่ะเจ็บระบบไปทั้งตัวนะคะเจ็บตามข้อค่ะอาจารย์อันนี้หายแล้วนะค่แล้วค่ะจับน้มัสชะการค่ะอาจารย์ค่ะมาให้ปลอดภัยนะไม่ไม่ต้องติดโควิดน้อก็เลยนะะชาทุกค่ะคุณชุมาตาจากเดลัสเท็กซัช่ กลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้คุณพ่อและลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะขอร่วมฟังเจ้าค่ะโอเคเอ็มบัติบันจุต่อเลยจ right, <laughs> ีบถงคิววันละจีบถามนมัสการเจ้าค่ะอาจารย์กี้เพ<ง>ิ่ ง, งพอเข้ามา<ง><ง>รอบนึงแล้วก็ออกมันต้องไปทำงานแล้วก็เข้ามาใหม่ค่ะส<ง> <laughs> บายดีไหมคะพระอาจารย์ดีดี ค่ะวันนี้ได้คุยกับคุณปางวะไลแล้วนะคะพอดียมคือดูยังดูตั๋วอยู่อะค่ะว่าจะยังไงจะได้ไปหรือเปล่าถ้าได้ไปก็เดี๋ยวจะแจ้งคุณปางวะไลกลับไปค่ะไม่มปเปปัญหาอะไรค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะวันนี้ยมก็ยมก็ไม่มีอะไรคร่ะวันนี้เหมือนกับว่าบางทีเราก็พยายามถือตอนนี้ก็คือถือสีห่ห้ไม่ต้องพยายามแล้วมันก็คือถือสี่ห้าแต่ทีนี้มันพอมันมีเกิดเรื่องขึ้นมาอย่างเช่น อ <laughs> um, พอดีเพื่อนร่วม ง, งานเดินมาโดมก็บอกว่าอ๋อยอมออนรับโอนอยู่เออก็เลยบอกว่าคิดว่าออย่างทําไมคนเราต้องโกหกบางทียมก็มองว่าเฮ้ยมันเหมือนกับสมมติโยกมันมีคนสองคนอย่างเงี้ยค่ะถ้าคนนึงเขาเรื่องเยอะมันก็อาจจะทําให้คนหนึ่งต้องสร้างสิ่งที่มันแบบโปกตคตัวเองต้องโกหกขึ้นมาทั้งที่เขาอาจจะไม่อยากก็ได้ ยมเคยมองเออถ้าถ้าคนเราอยู่ด้วยความอารมณ์มาลวยกันเข้าใจกันมันก็จะเลี่ยนปัญหาขึ้นมาได้เยอะเหมือนกันอย่างเช่นลูกยมไปสายอย่างเงี้ยค่ะก็ครูก็จะส่งอีเมลคือมันไม่ได้เหตุให้มันสายแบบรถติดหรืออะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนนะคะครูก็จะส่งอีเมลทาไมลูกเธอมาสายอะไรเงี้ยรถติดไม่ใช่ข้ออ้างอะไรอย่างเงี้ยข้ออ้างได้อย่างเดียวคือต้องไปหาหมอสมัยเมื่อก่อนยมก็จะแบบอ่ะเขียนไปเสร็จไปแบบ เออเขียนใบบอกว่าโอเคลูกไปหาหมอทั้งที่ลูกก็ได้ไปแต่เพราะว่าเราก็เลยแบบทำไมจะต้องตอนนั้นรู้สึกผิดนะคะแต่ตอนนี้ละเออก็เราก็ปรับเวลาให้ไปเร็วขึ้นถึงเขาจะเรื่องเยอะแต่ถ้าเราไปให้มันเร็วขึ้นจมันก็คือแบบก็เลยมองว่าเออการไม่โกหกนี่มันคือสิ่งที่ดีสำหรับในทั้งสีลทั้งห้าข้อหายว่า มันจะ เ, เป็นตวเมันเด็กับตัวเราเราจะได้ปรับปรุงตัวเองด้วยตื่นเชา้าจะได้ถึงนใ้มันเนนนนรว็วมใชหมทใช่ค<ล>่ะใช่คือโยมก็เลยมางว่าเออมันก็การถึงศีลมันช่วยทําให้เราเปลี่ยนการใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบการดํารงชีวิตให้เป็นคนที่มีคุณภาพดีขึ้นจริงๆนะคะโยมก็จะพอถือศีนห้าไปให้เรื่อยๆตลอดชีวิตนะคะอาจารย์ เป็นมาตรฐา น, านของมนุษย์ค น, คนที่จะเป็นมนุษย์สมบูรณ์นี้ต้องมีสีหน้าถ้า<ช>ต่างกันนะ<ช>้รถ้าขาดสีหน้ามาหลายก็เริ่มแไปเป็นในราชาเริ่มไปเป็นผีแล้วใช่จ้าขาพระอาจารย์ชายชายโ ย, ยมก็เลยได้เราก็เลยวันนี้ก็เลยพยายามจะมาฟังแบบออกไปทํางานเป็นมงเออรีบเข้ามาฟางพระอาจารย์อยากได้ยินเสียงพระอาจารย์เหมือนเป็พนพรแต่ละสัปดาห์ของโยม ค่ะยมยมมีกระปุกมีกระปุกสมาธิแล้วนะคะแล้วจางเี่นั่งยมก็เอาเกลังใส่หยอดไว้ค่ะหยอดไเลยหยอดไว้เดี๋ยวหยอดล่วงหน้าไปหนึ่งอาทิตย์นะหยอดไปกี่เซนหยอดทีละดอน่ะทีละหนึ่งดอนต้องทีละสิบสิบยี่สิบมันจะได้มันจะได้ไม่ไมกล้าขาดเลยโอ้ทีสิบยี่สิบ เออเนี่ยวต้องต้องดูก่อนตามตามมาตรฐานปรับเปอร์เซ็นต์ตามรายได้ค่ะอาจาอย์ค่ะไม่มีอะไรแจะค่ะอาจารย์รักษาสุขภาพนะคะแต่อีกขอเราให้กับนักสักกระก่อนคุณเศาัชกรอะไรม่ทราบนที่ไหนยังไม่ได้เปิดไมเลยคุณเภสัต้องเปิดไมก่อน ดีดีผมไหมครับใได้ยินแล้วเป็นเป็น<อ>ปนกระชากรอยู่ที่จังหวัดแพ้ครับอยู่อำ<อ>เภอหนองมึงไข่ครับเป็นอําเภอบ้านนอกของอจังหวัดแพร<อ>แห่งหนึ่งแต่ก็เป็นไปด้วยประรชากรพแพ่นี้เป็นเป็นเป็นเป็นจังหวัดที่สวยงามนี่ใช่ไหมครับแพ่เป็นจังหวัดที่สวยงามใช่ครับผมเป็นจังหวัดที่ทุกคนสามารถเข้ามาเที่ยวกัก่อนได้ แล้วเป็นจังหวัดที่สงบมากที่สุดติดอันดับอ่า 1-10 ของประเทศไทยครับเกิดที่นั่นเลยนะเกิดที่นั่นเลยนะผมเกิดที่นี่ครับเกิดที่นี่แล้วก็เกิดโตที่มาตาแล้วก็ไปเรียนที่กรุงเทพครับศุดภการจากจากจากประวัติที่คุณแม่เล่าให้ฟังนะครับเกิดที่โนบาน ช่งมันแท่แล้วก็เติบโตแล้วก็เข้าโรงเรียนเทพพิทักษ์ครับเทพพิทักษ์วิทยาที่จังหวัดแพร่แล้วก็ต่อที่โรงเรียนพิเรียพิเรียาลายจังหวัดแพร่แล้วก็ไปต่อเภสั์ที่หววั ว, ฉ ว, ฉวเฉียวชื่นและไม่เก่งครับที่สูจนประการใช<ม>วันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเข้ามาพบพระอาจารย์ครับนนยินดีทุกการากเป็นครั้งแรกเลยครับแล้วก็ผมติดตามเฟซบุ๊กแล้วก็พราทามต่างๆทั้งหมด โดยคำ ถ, ถ, ถามเลยนะวันนี้มีคำถามไหมถามที่มีก็ส่วนใหญ่จะเป็นการปล่อยวางมากกวา่าปล่อยวางที่ที่ปฏิบัติธรรมที่พระอาจารย์ได้สอนมาผมก็เอามาฝึกที่ที่ร้านยาของตัวเองครับอแล้วก็แล้วก็มันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น ช, ชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันทําให้รู้สึกว่าใจเราสบายใจเราสงบ ได้ปล่อยวางหมดแล้วดีมากใช่ครับต่อไปครับให้อาจารย์ขอบคุณมากนะครับในมรดกการค่ะข้างหน้าเลยครับขอบคุณมากครับจอยต่อจยจากพัทยาเมอช้าพาลูกมาใส่บาตค่ะเม่ช้าพาลูกมาใส่บามันเกิดอ่อคนโตเขาค่ะโต่าค่ะแล้ว็นขึ้นชั้นไหนนะตจะขึ้นชั้นไหนม .6 ค่ะม .6 น่ะ ไม่ดีเขาถามว่าอะไรค่ะก็กล่าวพอาจารย์ค่ะก็ปฏิบัติอยู่นะคะก็พยายามสอนคือคือเจอบททดสอบแบบจะอยู่ตลอดตลอดต่อทุกวันทุกวนักวนก็พยายามใช้สอนตัวเองปล่อยวางปล่อยวางเอาบังคับเขาไม่ได้เราบังคับนะเราเราได้ใช่แล้วเนะขาก็เป็นคนเหมือนว่าชอบให้เราด่าชอบให้เราพูดคำไม่ดีพอเราพูดขาไม่ดีเขาเหมือนเขาชอบก็จะอยู่กันเป็นซาติอยู่กันงงก็จะชอบผู้เหมือนขัดแย้งกันล้วก จะเเหมือนเราบ้าทําบุญก็เราเราเข้าใจว่าการทําบุญอ่ะเรารู้แล้วว่าบุญกระ บ, บาบอ่ะมันมันแค่ติดตัวเราไปมันไม่มีอย่างอื่นเราก็อยากทําบุญอย่างเดียวเขาไม่เข้าใจคือ ท, ทำให้รู้ เ, <ข>เรื่องเขาจะคิดว่ารูภาษาค่ะเราก็เลยคิดว่าแต่ก็ไม่อืแต่ก็ไม่ขัดกันเมื่อเช้าก็เลยเขาบอกว่าทำงานก็เลยไม่ได้ไปก็เลยมากลูกทางใครทํามัน ก็ไม่ขัดกันพอขัดแล้วมันจะทุกข์กว่าใช่อเคไม่มีอะไรนะค่ะไม่มีอะไรค่ะคท่านภพนะทนภพใช่อยู่ที่ไหนครับรมนสการครับพระอาจารย์อยู่โคราชครับมีคำถามหมมีครับว่ามาจ ะ, ะโทครับเคย อ, อยากสอบถามพระอาจารย์นะครับ อ่าเรื่องการฝึกกรรมาฐานนะครับควรเริ่มต้นยังไงครับเริ่มต้นด้วยสติไงต้องฝึกสติให้มีสติอยู่กับตัวพยายามให้ใจห ย, ยุดไปคิดเรื่องราวต่างๆในการทอ่ทรองพุโทโธพุทโธพุทโธไปเต้ด้วยการเข้าดูว่าเรากาลังทำอะไรอยู่าจา จ, จอ่อกันอยู่ว่าเรื่องที่เราทำนาอ่าเป็นอย่างอื่นนอกจากพุโทโธได้ไหมครับก็ดูร่างกายเํากำังแปลงไฟก็ให้อยู่ในการแปลงไฟ กาลรับประธานาธิการอยู่การรับประธานาธารผมอยากจะระ ง, งับโทสะกับกิเลสนะครับพระอาจารย์มีคําแนะนําในการปฏิบัติยังไงบ้างครับโทสะเกิดจากความอยากเรียนรู้ความอยากอยากไปหวังอะาจากใครแล้วมันก็จะไม่โกดไม่กดว่าอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พระอาจารย์ครับเวลาผมนั่งสมาธิครับจิตใจผมไม่ค่อยสงบเลยครับ นั่งได้ก็นั่งได้ไม่นานก็สติยังน้อยอยู่ไหมต้องไปเอาสติตั้งแต่ตื่ น, นจนหลับเลยรเราลืมตาขึ้นมาก็คอยควบคุมจิตอย่าปล่อยให้คิดให้อยู่ให้ดูว่าเรากำลังทําอะไรอยู่กำลังยืนกําลังเดินกําลังอาบน้ำกำลังแปรงฟันเลยก็ให้อยู่กับนั่งกายของเราตลอดเวลาอยู่ในปัจจุบันการฝึกสตินี่ก็คือการอ่าพราจิตการดึงจิตไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องเรา ครับขอบคุณครับอาจารย์โอเคนะเดียวกับคุณพันรพรวุคิับากรงเรียนแล้วเรื่องโรงปิดเทอมอันนี้ครับกลับจากกลับจากรเรียนแล้วครับยังไม่ปิดเทอมแล้วก็ยังปิดเทอมนี้เดียจูนครับอกเดือนวันที่สิวันที่สิบจูนครับไปแล้วครับมีอะไรเ้ยกลับรมาสตรการเจ้าข้าหลวงพ่อเจ้าขา อ๋อตอนนี้ลูกกาลังทุกกับสังขารใช่ไหหลวงพ่อก็คือก็คือตอนนี้แบบปวดกระดูกใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าก็ใจไม่ได้ไปไปทุกประมันก็ปล่อยกระดูกมันเจ็บไปเลยเราไม่ได้เจ็บกับมันเราไปเราไปทุเข้าับมันทำไมเราเป็นผู้รูผู้คิดให้คิดอย่างนี้ผู้ดูผู้ยู่ล่างกายดูกระดู ือว่ากระดูกตอนนี้มันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปรักษาได้ก็รักษาไปกรขนาดนั้นแหละเจ้าค่ะหลวงพ่อก็ก็ก็ไม่ได้ทุกแต่แต่บแบบคือตอนนี้ลูก น, นั่งกับพี่อยากพี่อยากให้มันหายก็จะทุกเจ้าคาะหลงพ่อจ้าค่ะเจ้าค่ะและ้วก็ก็คือตอนนี้ลูกก็จะนั่งกับพื้นไม่ได้นานพอนั่ง น, นานแล้วมันมันจะปวดลูกก็มานั่งเก้า อ, อี้ก็จะนั่งเก้าได้น อ น, นุตั้งไดต้ตามตามควาจเป็นใช่ค่ะแล้วลูกก็ก็เจริญสติก็คือโอเคก็พยายามไม่ได้ไม่ได้ไปสนใจโอเคหมอจะเจาะจะทําอะไรจะสั่งมาทําอะไรก็ทําแต่ว่าก็ไม่ได้ทุกทําตามหน้าที่ของหมอลูกก็ไม่ใช่หน้าที่ก็คือรับรู้แล้วก็ลูกก็จะพุดโธของไปตลอดตลอดทั้งวันเจริญสติทำยืนเดินนั่งนอนแล้วค่ะต้อง จบด่าไม่มีสติตลอดเวลาแล้วค่ะถ้านั่งสําหรับที่าที่จะนั่งได้นั่งบนเก้าอี้ก็ได้นั่งขอบเตียงก็ได้แล้วค่ะเพราะว่าพอลูกนั่งก็ลูกก็พยายามนั่งแต่พอรู้สึกว่าโอเคไม่ไหวลูกก็จะลุกมานั่งเก้าอี้แทนจค่ะถ้านั่งไม่ไหวก็ลูกก็มาเดินลมๆไปแล้วค่ะก็ก็เดินทําอะไรก็จะพุดโธไปแล้วก็รู้มีสติว่าทักกับแล้วค่ะ ก็คุณมรินแมไปคิดทั้งน่้เจ้าค่ะใจก็ไม่ได้ไปทุกจะเป็นอะไรโอเคผลจะออกมาอะไรยังไงก็ก็เฉยเฉยที่ยอ่เราไปครคุณมาครับกขาไม่ได้เจ้ค่ะหลพอเจ้าค่ะขอไปคิดโอเคนะอะนีกอนนะคุณทายาอทยทยังก่เสษนี่ยจะทำอะไร ครับศาตราภค์ชื่อจริงๆชื่อทายานะครับโอทายาครับผมครับก็กราบนักสงฆ์นะครับจะถามปัญหาในการนั่งสมาธิพื้นฐานหน่อยนะครับเมื่อกี้ฟังมหลายๆท่านก็คือในการนั่งสมาธิเนี่ยก็ข้ามนั่งกัรู่บรลังอะไรเนี่ยนะครับอันนี้เวลานั่งทับปวดเมื่อยเราก็ต้องทนกับความปวดเมื่อยกับอยู่ความปวดเมื่อยมันอันนี้ถูกต้องไหมครับ ถ้าอยากจะนั่งนั่งต่ออยากจะได้ได้ผลมากก็ต้องนั่งต่ออย่าไปขยับอยู่กับความเจ็บปวดอันนั้นใช่ไหมครับใช่แต่ต้องอยู่ด้วยสติคือจิตเราต้องท้อมพุทโธพุทโธพุทโธไปครับครับไม่อย่างนั้นเราจะอยู่ไม่ได้เราจะรู้สึกาาทรมารย์ใจอ๋ อ, อก็คือทับปวดก็ปล่อยถ้าปวดไปเพราะฉะ<น>ื่องในขั้นนั่งเราก็คือนั่งกันมองหนังหลังตรงปกติใช่ไหมครับ อย่าไปอย่าไปอยากให้ความปวดหายหร่ออยากไปอยากลุกอยาอยากหร่ออยากให้ความปวดหายมันจะทรมานใจครับแล้วในการท่านั่งเนี่ยเราก็ควรจะนั่งหลังตรงต้องไหมครับก็เวลาเริ่มต้นกตั้งแต่ให้ตรงท่าที่ท่าที่อยากเป็นได้ถ้าพอนั่งนั่งมันจะงอหรือจะเอ็นไม่ต้องไปคำนวอย่างเัี้ยไม่ต้องไปปรับปล่อยให้มันเอ็นลงไปเองใช่ไหมลงมาเอง มันจะเสียสมาธิถ้าไม่ถ้ามาคอยปรับนั่งการมันจะเสียสมาธิอ๋อคือด้วยบุคลิกของผมเนี่ยผมเป็นคนหลังครอบแล้วผมก็ก็ปล่อยมันไปมันจะอดโน้มตัวข้างหน้าใช่แต่แต่ไม่ควรจะไปปรับท่านั่งฝืนเพื่อความสมดปล่อยมันโน้มไปก่อนแล้วค่อยปรับแต่ว่าเวลาผมปล่อยแล้วผมรู้สึกสบายอะครับมันเลยสบายเกินไปใจครับก็เราต้องการสบายแลนะนั่งสมาธิต้องให้ใจเราสบาย ครับคโอเคางนั้นผมก็ปล่อยตาบุคลิกมันมันจะโค้งงอมันจะก้มหน้าก็ปล่อยมันไปใช่ปล่อยมไปจนกว่งมันจะลงเท้าลงไปแล้วค่อยลุกขึ้นมาตั้งเลยขอบคุณครับขอบคุณครับคนพิมพิดาเกับสุดท้ายแล้วเวลานี่ในคนกาสการกับอาจารย์หคุ่ม ค่ะเข้ามารายงานตัวค่ะยังปฏิบัติอยู่ตลอดจะกลับสิ้นเดือนนี้แล้วค่ะตอนนี้ก็เลยแบบค่ะก็เลยออกไม่มีกับตัวแล้วเนี่ยสบายนะกลับมาะุ๊บแต่พอดีหนูเป็นค่ะแต่พอดีหนูเป็นโควิดไปแล้วค่ะนี่เพิ่งกำลังดีขึ้นค่ะคอาจารย์เสียงงแหบอยู่ค่ะอาการไม่นรุนแรงใช่ไหมค่ะมันก็จะคล้ายๆหวัดค่ะเป็นกันทั้งบ้านเลยค่ะลูกพ่อแม่ค่ะค่ะก็ค่ะหนูกับ นพาก็มาเยี่นกมางใจแล้วก็ัไปแน่นอนค่ะพระอาจารย์ค่ะหนูก็ยังปฏิบัติบูชาพระอาจารย์ทุกวันนะคะโอเคุจ้ะค่ะกลับขอบพระคุณค่ะคุือเวลาสินไม่ได้เจอกันนานเป็นยังไงสบายดีนะกลับนมัสการค่ะจากบริลินใช่ไาจารย์ากเดรสเดนค่ะรนค่ะยมสบายดีค่ะท่านพระอาจารย์ยมก็ปฏิบัติไม่ขาดเลยค่ะยิ่ง อาจจะปฏิบัติมากกว่าเดิมด้วยซ้ําเพราะวา่ายมอยู่กับผู้รู้ได้นานขึ้นแล้วพอทําอย่างนี้ได้นานขึ้นนะคะท่านพอาจารย์ปรากฏว่าเวลาที่ได้ปฏิบัติจริงๆเป็นเวลาที่ยมนอนค่ะท่านพระอาจารย์คือทุกวันนี้ยมก็นอนน้อยลงมากเลยค่ะบางวันแค่สองสามชั่วโมงนะค่ะแล้วก็มันก็จะรู้สึกตัวตอนนอนตลอดเวลาค่ะก็อยู่ไปรู้ไปเรื่อยๆค่ะก็ดีดีค่ะแล้วเม่ตืตัวตวลอดเวลา ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อก่อนอาจจะคิดมากเวลาไปทํางานเพราะว่ามันจะไม่ได้ปฏิบัติใช่ไหมคะแล้วพอเวลา<ม>สติเราอยู่กับรู้ค่ะ<ม>ผู้รู้เราก็จะเด่นขึ้นเด่นขึ้นฐานมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะพอทําความรู้สึกตัวมันก็จะรู้สึกขึ้นมาทีเดียวค่ะการการภาวนาก็เลยง่ายขึ้นค่ะท่านอาจารย์<ม>แล้วพอทําได้อย่างนั้นค่ะทําได้อย่างนั้นมันก็ทุกที่ทุกเวลาก็กลายเป็นที่ปฏิบัติตทำของเราได้หมดที่สติอยู่ที่ ใช่ค่ะมันก็เลยคือยมก็ไม่ได้เครียดมากมายกับการที่ไม่ได้นั่งเป็นประจำมานะคะเพราะว่ายมรู้ว่าถ้ายมนอนเมื่อไหร่ยมก็จะได้ภาวนาเมื่อนั้นนะคะพอพอทําไปสักสี่ห้าวันร่างกายมันไม่ไหวมันก็จะชดดาวตัวเองทีนึงก็หลับยาวไปทีนึงคะ่ะแล้วก็เริ่มต้นใหม่นับหนึ่งสองสามี่ห้าหกใหม่เพอะมันไม่ไหวมันก็นอนยาวทีนึง อ, อะไรนะคะได้ได้ไม่เป็นไรค่ะก็ โยมก็ไม่มีอะไรนอกจากสติที่อยู่กับผู้รู้ได้นานขึ้นค่ะแล้วผู้รู้ก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะฐานมันค่ะได้วิจัยวางปล่อยวางด้วยเดิพิจารณาทางปัญญามาตนาที่อย่างไม่เทียงเป็นทุกข์ไม่ไเยี่ยมสำหรั่ะเหมือนเหมือนมันก็เหมือนเป็นของมันเองค่ะท่านอาจารย์พอ เ, เราอยู่กับผู้รู้เราจะรู้ว่าความความเย็นจากการปฏิบัติธรรมเป็นยังไงมันจะละอย่างอื่นไปเองอ่ะค่ะอได้ยังละถูต้ง ค่ะมันจะไม่ค่อยอยากจะไปหาปัญหาเรืออะไรหรือมันก็คือจะช่างมันช่างมันปล่อยปล่อยผ่านไปเลยอย่างนั้นนะคะมันแหกทําลน่ามันทำงปร่าเราจะใช้พลังกับธรรมะเราไม่อยากได้อะไรนะค่ะยอมทําตลอดค่ะท่านพระอาจารย์แต่ว่าเวลามันไม่พอดีที่จะได้เข้ามามิ팅ตลอดค่ะเขได้กันดีเข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะมีโครงการกะดับลงไทยมากเมื่อยอืม จริงๆยอมกลับไปปลายปีที่แล้วนะคะไปฟ้องไข่คุณแม่ครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าไปแบบว่าต้องไปกับตัวที่เมืองไทยด้วยแทบจะไม่เหลือวันหยุดอะไรเงี้ยค่ะก็รีบไปรีบกลับค่ะปลายปีนี้ยอมอาจจะกลับไปอีกสักครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ไม่มีการก่อแล้วที่นี่ใช่ค่ะจะได้แบบเดินทางไปไหนได้ค่ะโอเคบ้านที่บ้านอยา่ที่ไหนที่เมืองไทยมีจังหวัดไหนอยู่จังหวัดน่านค่ะน่านค่ะทางเหนือนะ ติดตกั บ, บหน้ายังไม่น่นแพรในติกใช่ค่ะแพร่ก่อนแล้วถึงน่านค่ะอโอเคมีอะไรอีกไหท่านพู้อาจารย์คะเวลาที่เราอยู่กับรู้ได้นานๆแล้วเราสติที่มันอยู่กับรู้ะคะ่ะแล้วมันมีความคิดอะไรที่มันมันลอยขึ้นมาหรือว่าเรายมไม่รู้ว่ามันจะพูดยังไงอะคะ่ะมันจะเป็นความารู้ที่มัน เให้รู้ทันกันแล้ว่ันให้รูว่ามันเป็นของไม่เที่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปค่ะไม่ว่าจะเป็นความจริงเรื่องอะไรที่เราจะรู้เป็นการณีพิเศษก็อย่าไปหลงติดกันค่ะให้ดูเฉยบางทีมันก็หลอกล่อเหมือนกันนะคะเหมือนแบบดึงดูดให้เราอยากรู้อยากเห็นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพียงแต่ว่าโยมยังบังคับ ให้มันเห็นเรื่องเห็นมันจะมาของมันเองนะคะก็เลยต้องมันเป็นด้านน้าตาเราห้ามันไม่ทด้มันจะมาเมื่อไ่ก็มาบางทีอยากเห็นก็ไม่มา <c oughs> ค่ะค่ะอย่าไปติดไม่มีอ<น>ะไรค่ะติดนล้วแล้วเดมันทุกเวลาไม่มาคไม่มาเขาเรียกว่ามันมามันไม่มาเขกว่ามันไม่มะอยู่กับตัวรู้ตลอดเวลาอย่าไปอยู่กับสิ่งที่เรามูม ถ้บบรารย์เลยอยูอนนี้มันจะ่อยทุกอย่างได้ไม่ทุกกับทุกอย่างได้ค่ะมันต้องห่าห้ามใจเหมือนกันค่ะท่านอาจารย์คะ่ะถ้าตามก็จะไปคะ่ะมันไม่สามารถอยู่กับรู้ได้ะ ค, ะค่ะใช้ปัญญาสอนม็นไตาแล้วมันไม่เทีย่ยมตามมา้วเดี่ยเป็นทุกข์ค่นะหมดคำถามค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณค่ะแล้วเราจะปรากฏขึ้นท่านไหนข้างหน้าพระเจ้าบอกว่าดวงเป็นอนิจจทุกข์ฐานอนัตตตาย แสดงว่าเราจะไม่ปล่อยผู้รู้เราจะอยู่กับรู้ใช่ไมคะไม่ว่าอะไรจะกอยามันเกิดว่ดับมันไม่ใช่เป็นของจริงของจริงก็คือตัวรู้ตัวเดียวค่ะเข้าใจค่ะการขอบพระคุณค่ะโอเคนะคโอเคทีนี้ถึงข่าวของ f a c e b o o แล้วเชิญคุณามีคำถามมี่คำถามมีทั้งหมดสิบเอ็ดคำถามจากทาง Facebook และ YouTube ค่ะอะไย คำถามที่หนึ่งจากคุณต้อมกราบเรียนถามพระอาจารย์ด้วยความเคารพครับธรรมชาติคือธรรมะจริงไหมครับส่วนตัวผมเข้าใจว่าธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าครับเลยคาว่าธรรมะมันมีหลายความหมายไงมันมีทั้งคาหมายว่าธรรมชาติก็มีหมายในคำสอนพระพุทธเจ้าก็มีหมายถึงสิ่งต่างๆทั้งหลายก็มี บางทีพระเจ้าบอกสัพเพิทำมาหน้าตาเนี่ยธรรมาทึ้งสรรพสิ่งสัรสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นอนิจจทุกขังหน้นตาตาเะฉะนั้นมีหลายความหมายและต้องดูว่าเวลาที่มัมนโผล่ขึ้นมานี่มันมันมีความหมายอย่างไรดังนั้นไม่นต่อมิตรละ ก, กับคนเหนื่อยคนหนึงบอกว่าเป็นคำสอนคนนึ่งบอกว่าเป็นธรรมชาติมันก็ถูกได้ดกันต้องต้งสองฝ่ายนั คำถามต่อไปจากคุณนิระวาลเรียนถามพระอาจารย์มีครั้งหนึ่งพิจารณาร่างกายแล้วรู้สึกว่าร่างกายเป็นเหมือนดินน้ํามันที่ปั้นขึ้นครับรบกวนสอบถามพระอาจารย์ช่วยแนะนําครับน้ำมันก็เป็นอย่างนั้นนะมันมาทำมันอย่างยินน้ำมันไปแล้วเดี๋ยวมันก็แยกตัวจากกันพิจารณาว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราเราเป็นคนเราเป็นคนดูแลรักษามันเท่านั้นเอง แต่เราห้ามมันไม่ให้มันแก่เก็บตายไม่ได้คำถามต่อไปจากคุณดีมเราจะชนะกิเลสนิวรความลังเลใจได้อย่างไรครับก็ต้องศึกษาธรรมะบ่อยๆมากๆฟังเทศน์ฟังธรรมกับสาวนของพระพุทธเจ้ามันเดี๋ยวคําสงสยัยต่างๆก็จะหมดไปคำถามต่อไปจากคุณนัด คนฆ่าตัวตายมีวิธีทําบุญอย่างไรให้ถึงผู้ตายดั้งได้บ้างไหมครับ เ, ออเวลาเขาตายแบบนี้เขาต้องไปตกนรกอยู่ตอนนั้นเขาเล่าสรบุญอะไรไม่ได้ดังนั้นจะส่งไปก็ได้แต่่็คงจะไม่รับไม่ค่อนปติดคุปปะก็แม่ในคุปก็แม่คนส่งของก็ไปต้องรองมาเป็นขอทานก่อนพอกจกคุก ม, มาก็้วจะเป็นขอทานยากจงังตอนนั้นเขาก็จะมารับส่วนบุญได้ คำถามต่อไปจากคุณศักดิ์แต่ว่าน้อมกราบนมสการพระอาจารย์ครับกราบเรียนถามสองข้อครับข้อที่1ตอนเป็นเด็กอายุประมาณ 4-5 ขวบจำได้ว่าเวลานอนจะมีอาการเหมือนจิตมันหมุนเร็วมากเป็นบ่อยๆมันคืออะไรครับก็อาการของจิตจิตบางทีมันก็สงบบางทีมันก็มีอาการแปลกๆก็ให้รู้เจยๆไป ส่วนในะั้นมันจะเกิดขึ้นตอนที่ก่อนที่เราจะหลับมันมีการสแสดงมวดลายแล้วของมันไปอย่างได้อย่างนั้นเราให้รู้เถิงเฉยไ ม, ไม่ต้องไปตื่นตตกใจคาถามที่สองการนั่งสมาธินานๆไม่ยอมเปลี่ยนอิริยาบถและบังคับจิตให้นิ่งๆเป็นการทรมานกายทรมานจิตไหมครับฟังมาจาก YouTube ผู้สอนท่านว่า เป็นอัตตะกินนาธานุโยกใช่ไหมครับไม่ใช่แล้วเป็นกา ร, รุบจิตขกจิตให้นิ่งไม่เหมือนกับการที่เราเอาของแหลของคมมาทิ่มทิ่มปากทิ่มทิ่มคางอะไรที่จะเป็นการทํามา น, น่างกายโดยไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรให้กับประโยชน์ให้กับจิตใจแต่ตอนที่เรานั่งานานๆไม่ให้ขยับอะไรนี้เพื่อบ้งคับให้จิตมันนิ่ง น, นี่เราทำประโยชน์ให้กับจิตใจเรวเรียกว่าเป็นการภาวนาคำถามต่อไปจากคุณสระสิทธิ์ขอรบกวนสอบถามครับทำสมาธิไปจนถึงความสงบระดับหนึ่งแล้วตามดูลมหายใจแล้วหลับตาในมองดูภายในโดยไม่ส่งจิตออกนอกจนเกิดแสงสว่างเหมือนไฟนิออนแต่มีความสุขมากครับขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำครับ ก็ไมมีอะไร น, น่าทำถ้ามันสุกมันสมบูรณใช้ได้คําถามต่อไปจากคุณสราวุธทําอย่างไรถึงได้ชาตหนึ่งครับก็ให้มีการท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆดูดูลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆก็จะได้ชาตที่งมีวิทย์ตนบวิจารณ์คถามต่อไปจากคุณพันชิตกราบนมัสการครับการดูเวทนาดูอย่างไรครับ ก็ดูว่าเวลาร่างกายมันมีความรู้สึกมันมีอยู่สามชนิดด้วยกันเวลาหิวข้าวเราก็เรียกว่าทุกขเวทนาเวลากินข้าวอิ่แล้วก็เรียกว่าสดเวทนาเวลาไม่หิวไม่อิ่มก็เรียกว่าเวทนาการรมกลางมันมีอยู่สามเวทนามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนาตามอาการขอยงร่างกายคำถามต่อไปจากคุณเอกวิทย์ ได้ฟังจากพระอาจารย์ตอนที่พระอาจารย์อยู่วัดป่าบ้านตาดไม่ได้ถามปัญหาธรรมะจากหลวงตาเลยเพราะพระอาจารย์เข้าใจในธรรมะที่หลวงตาแสดงแล้วตอนช่วงที่พระอาจารย์กลับมาที่วัดยานพระอาจารย์ได้ถามปัญหาธรรมะจากหลวงปู่หรือหลวงตาอีกไหมครับหรือพระอาจารย์ปฏิบัติเองรู้เองเห็นเองเป็นอากาิโกที่พระอาจารย์เน้นย้าบ่อยๆครับก็ได้ความได้คาตอบมาจาก คำสอนสอนะคำสรนสน่ากับสรรถ้าท่านมาคอยสอนต่อไปทา่านเองคำถามต่อไปจากคุณแบรนสอบถามพระอาจารย์ครับยิ่งปฏิบัติธรรมเข้าวัดยิ่งเห็นว่าตัวเองทุกข์มากขึ้นกล่าวคือเพราะเห็นว่าเจ้ากรรมนายเวรจะมารอรบกวนตลอดแต่รู้สึกปล่อยวางมากขึ้นเห็นความเป็นไปรู้สึกว่าเฉยมากขึ้นตามด้วยครับ ขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำครับก็ถูกแล้วน่า่ปล่อยวางได้เท่าไหร่ก็แสดงว่านี่ก้าวได้เท่านัา้นมีคำถามใหม่ขึ้นมาหนึ่งคำถามค่ะจากคุณบุรภากราบนมัสการครับหลวงพ่อผมฝึกมาสักระยะหนึ่งเริ่มจากการสวดมนต์แผ่เมตตาทำสมาธิบ้างแต่ก่อนสวดมนต์ก็สวดเป็นบาลี มาช่วงหลังๆได้หนังสือสวดมนต์พร้อมคำแปลพอผมสวดบทพาหุงมหากาพร้อมแปลแล้วมันอึดอัดเหมือนจะร้องไห้น้ำตาคลอเบ้าแรกๆสวดต่อไปไม่ได้เลยครับมาหลังๆเริ่มสวดไปได้เปลี่ยนจากจะร้องไห้มาเป็นขนลุกซาบซ่านตามตัวและหัวใจแทนอย่างนี้คืออะไรครับ มันไม่ไปเชื่อหรอกเรก็ไม่รู้มันไมเชื่ออะไรมันก็รู้ว่ามเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันถ้ามันไม่ทําให้เราทุกข์ใจก็ไม่ต้องไปคำวอนคำขึน้นถ า, ถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคมีใครอยากจะถามอะไรไมหมเหลือเวลานิดหน่อยประมาณสิบห้านาทีใครอยากจะถามอะไรก็ยกมือได้นะตอนนี้มันโอกาสฟรีแล้วใครยกมือขึ้นก่อนก็ก่อดบันทม่ได้เลยมีไหมเอ่ย ไม่มีใครอยากจะถานแล้วนะทานถนนนะามีอะไรมียกขึ้นคุณอนแคปอะไรเปิดมาเป็นเดีนนะ่ยวขึ้นมากรบนรมัตส ก, กันทอาจารย์ท่นค่ะพอดีเห็นว้มีใครถามเมื่อสักตอนช่วงต้นใช่ไหมคะค่ะเห็นมีออพี่สักคนเนึ่งเขา พูดเรื่องอ่าสีห้าขึ้นมาใช่ไหมคะว่าถ้าทําผิดศีลหรือว่าอ่าสิไม่ครบจะทําสมาธิสติไม่ไม่คไม่ดีทีนี้ก็เลยมีคําถามว่าแล้วถ้าในกรณีที่แบ่งบางคนที่เขาเคยผิดศีลทั้งหมดหรือว่าผิดบางข้ออย่างเงี้ยคะ่ะมันมันควรจะยังไงดีคะไ อ, ะอะความผิดมันก็ยังคงอยู่ทดีไม่เกี่ยวแล้วแต่ปัจจุบันเช่นตอนเนี้อ๋อถ้าปัจจุบันเรา ตอนทนี่เราไม่ได้ไปขโมยของขเราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์เราไม่ได้ปไปพื้นผิดตัวแหวนี้เราไม่ได้ไปอไไกองอบไข่ไม่ได้เดือดชุราแล้วก็มีสิทธิ์นั่งสมาธิได้อ๋อค่ะอาจารย์วันนี้มีเท่านี้ค่ ะ, ะถ้าตอนนี้คุณนั่งหรือถ้าคุณนั่งหรือเมาหรือคมณก็นั่งสมาธิไม่ได้่ได้ไหม ถ, ถ้าตอนนี้เดือดชุราก็จะนั่งสมาธิไม่ได้ เพราะมันจะเหมือนเบาเป็นอ่ะแต่ถ้าไม่ไม่เดินชลามมันก็ไม่เบาเพราะว่าไม่ได้ค่ ะ, คะเพราะว่าเคยได้ยินมาว่าอะไรนะคะถ้าทําผิดศีลก็ไม่มีทางที่จะทําสมาธิได้ก็เลยมีคมําถามในใจอ้าวแล้วถ้าคนอ๋อมันมันเป็นอดีตไปแล้วประการไปแล้วนอกจากเวลาที่ต้องรับผลของของของการผิดศีลเช่นนั่งไปติดทุกข์ติดตารางนี้ป็าจะทําให้นั่งสมาธิได้ลําบากกว่าค่ะ แต่ก็ยังมีโอกาสนั่งได้ถ้ามีเวลามีห้องมีที่ที่เรายูทุกครั้งวันเดียวนี้เราก็ยังนั่งสมาธิได้อ๋อค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์โอเคคะถูกคือคำว่าสีนี่หมายถึงกายวาจาที่สงบนั่นเองกายไม่ได้ทำอะไรวาจาไม่ได้พูดอะไรก็ถือว่ามีสีนั่นอย่างตอนที่เราพวกนี้เราพ ว, พวกที่พวกเรากำลังฟังทำอยู่นี้เราก็มีสีกันทุกคนใช่ไหมเพราะตอนนี้เราไม่ได้ไปทําอะไร ไม่ได้เป็ฆ่าสัตว์ไม่ได้ไปรักทรัพย์ไม่ได้ไปพูดผิดตัวไอ้นี่ไม่ได้โกหกไม่ได้ไปเดือบชัวร์แล้วก็มีสีกันทุกคนนะั่ครบกันทุกคนอ๋อเพราะว่าตอนนี้ทำอาชีพเป็นเซลอยู่ใช่ไหมคะอย่างสมมุติอตอนช่วงเช้ามีบางอย่างที่อาจจะพูดกับลูกค้าไม่หมดหรือพูดกับทางเจา้านายไม่หมดก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราเร า, เราผิดสีกโกหกมุสาไปแล้ว ตอนช่วงเย็นจะนั่งสมาธิมันจะดีไหมเราก็เลยลังเลอะค่ะอาจารย์ไม่เกี่ยวกัน่ะเรานองนั่งดูเลยค่ะ ข, ขอบพระคุณค่ะนอกจากลูกค้าก็จับปอดหายได้แล้วเขาโรับท์เรื่องคนวณมาจับเราไปขึ้นลงขึ้นขาแล้วก็นั่งสมาธิไม่ได้อ๋อแค่เป็นเล็กเล็กนิดหน่อยเพื่อพวกเรื่องราคายเนี่ยค่ะโอเคก็เป็นเวลาก็มันผ่านไปแล้วผ่านไปค่ะ ครับขอบคุณค่ะพระอาจารย์ใครตอบคนเกิดนะคนเกิดปั้นไปเกิดครับครับคุณพระสังอาจารย์ครับเดี๋ยวที่จะไปพัทยาครับอาจารย์ครับเอ่ออยากจะถามพระอาจารย์ครับว่าเออผมจะไปเอ่าใส่บัตรพระอาจารย์ได้ที่เขาเรีกตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรครับบ้านอำเภอนน้อสอร์ถ้าไม่มาจากพัทยามันต้องนายน้อยนามาสเตอประมาณกี่โลนะ ที่เราบอกวา่าอยู่วขว้ามือก็จะมีซอยนาจอมเทียนสามสิบเป็นจุดเริ่มตน้นนาซอยนาจอมเทียนด้ว้นาจอมเทียนนะครับสามสิบซอยนาจอมเทียนสามสิบอยูออ่มีที่จอดรถใช่ไหมครับอาจารย์ช่วงนี้ลำบากเลยเพราะเขาทำถนนเียวะรถเป็นเป็นถนนอ ย, นนอยู่อยู่ยด้านเดียวมีสองเลไปกับ<อ>แล้วก็กลเลี้ยวเข้าไปในซอยได้แในซอยจะมีที่จอดรถ เข้าไปในซอย oh. ้านจ้าเทียนสามสิบมีเห็นเห็นในปากซอยจะมีร้านเซเวกับร้านบิซีอยู่สองข้างเซเว่นนะครับและเห็นเหมือนแล้วตรงข้ามกับวิทยาลัยเทคนิคให้วิชวิทยาลัยการเกษตรวิทยาลัยการเกษตรครับก็ตรงนั้นคือบมก็ไปซื้ออาหารถวายได้ใช่ไหมครับได้แล้วนั้นจะมีแม่คการหักแม่าขายของอยูอ๋อครับ กถ้าจะไม่ผิดแล้วประมาณอาจารย์เริ่มซื้อของในร้านเซเว่นะซื้อของในร้านมิกซีได้ครับถ้าอาจารย์เริ่มบินธมบาตตั้งแต่หกโมงใช่ช่วงนี้ประมาณห้าในห้าห้าสิบสิบนาทีก่อน6กโมงโ<อ>แต่ก็สามารถขับรถไล่ตามไม่ได้เพราะเดินทาเป็นธรรมบตรประมาณสี่สิบห้านาทีด้วยกันส5ิบห้านาทีนะครับฮอน่าจอมเทียนสามสิบนะครับ ได้ครับเลยโร ง, งนนแนมมิสซาดาบามาว า, า, า, าสติโลบอ่กว่าอยู่ขวาเบลรเลีล้ย ว, ว, วขวาวอาจจะต้องยูเทินหน่อยสุดสุดท้ายที่พรอาจารย์บินบัจะเสร็จประมาณเจ็ดโมใช่ไหมครับก็ <c oughs> ประมาณคร่าวๆก่อนนั่นพระมาสี่สิบห้านาทีก็ประมาณสักหกงสี่สิบอ๋อครับแต่เหมือนวัานนา้ที่จะคนเยอะใช่ไถ <พา S 1> ้าสาที่เยอะีเจ็ดโมงก็ยังกจะเสร็จอาจะเจ็ดโมง อ๋อโอเคครับจะจะจะจะไปตามตรงที่อาจารย์แนะนาครับครับขออีกคำถามหนึ่งครับอาจารย์เห็นเคยเคยเห็นคีิปของหลวงตาบัวที่ท่านแบบเดินจงกรมนะครับทีนี้เหมือนท่านเสร็จงเหมือนท่านจบกิตไปแล้วครับการเดินจงกรมของท่านนี่คือ <S <S สาธิตให้เราเห็นเนี่ยท่านทำเป็นกาแสดงราธิตเป็นการแสดงให้เราเห็นกัน ท่านไม่ได้เดินเพื่อฆ่ากิเลสท่านเดินเพื่ออาจจะเป็นการพักผ่อนในระยะบวไปในตัวออกกําลังกายไปในตัวด้วยอือครับเหมือนเมื่อก่อนเคยไปทาบุญกับท่านนะครับวันที่กระท่ายเขาเปื่อยนะครับจะนานแล้วแต่ก็คือว่าทางท่านไม่เข้าใจ e เลยนะครับถ้าไม่ได้เด ja ินเพื่อฆ่ากิเลสท่านเดินเพื่อหนึ่งเป็นทํากันเป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้เราสองทางการอาจจะใช้เวลานั้นออกกําลังกายไปในตัว เพราะการดึ่มจงกงนี้ทำให้อายุยาวยาวนานสร้างกายแข็งแรงโดคภายค่ยเจ็บน้อยไม่เบียดเบียนท่านยังอยู่ได้ทั้ง90กว่าปีใช่ครับ96ใช่ไหมถ้าจะไม่ผินะถ้านั่งนั่งนอนนอนก็ไปเลยเพราะั้นพวกคนที่นั่งนั่งนอนนอนพวกหมูทั้งหลายเนี่ยอายุ60ก็ไปแล้วอ๋อ10เข็บเห็นด้วยเลยครับใช่ครับอาจารย์ ขอบคุณมากครับโอเคเอาเวลาสินี้ต่อคราบในรอบนึงท่านภระอาจารย์คะการปฏิบัตินะคะที่โยมทําอยู่โยมจะแน่ใจได้ยังไงคะว่ามันยังอยู่ในทางอะคะ่ะมามาถูกทางแล้วไม่ได้ถูกอะไรหลอกไปทางอื่นที่ไม่ใช่ทางตรงอ่ะคะ่ะแล้วก็มันไม่สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราไม่สร้างความทุกให้กับเรา ให้แต่ความสงบให้ความนิ่งให้อุเบกขากำลังวัตถุขค่ะถ้าเรายางยึดยังติดยังอยากยังได้นู่นยังชอบนั้นชอบนี่อยู่ว่ายังหลงทางถ้ายังรักก็ยังหลงถ้าอยาก ช, ชังก็ยังหลงต้องไม่รักไม่ชังถ้ายังกลัวก็ยังหลงความอยากอยากเห็นอยากเห็นอย่างนี้ก็ยังไม่ใช่ใช่ไหมคะอยากไม่ถึงค่ะค่ะแสดงว่า เราก็ไม่ควรจะเห็นอะไรหรือว่าเห็นเราก็ไม่ควรจะใส่ใจอะไรอยู้กรู้อย่างเดียวตัดตัาทั้งสามไปการมาตันทาวภาตันหาวิภาตันหาให้ไดค่ะค่ะเข้าใจให้เป็นอูปแบบค่จากใจว่ารู้เห็นอะไรก็เฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายใครจะด่าก็ไม่เสียใจไม่โกรธใครจะชมก็ไม่ดีใจมันเื่นเต้นค่ะมันไม่เคย เหมือนทุกอย่างเป็นศูนหมดไม่มีไม่มีคุณค่าอะไรกับจิตใจของเราไปชอบมันก็จะเสียใจเวลามันหมดไปชังก็เสียใจแล้วกรากฏนะพอไปชังก็ไม่สบายใจอา้าไปใจแม่เสียงลูกเสียงลูกเสียงลูกชายค่ะลูกชายค่ะวถามพ่อไปไหนพูดไทยไปหรือเปล่าฟังได้ค่ะแต่พูดไม่เป็นค่ะานพ่อจันค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะสาธุจ้ามีใครอีกไหมอยากจะถามอะไรอยากจเฟซบุ๊กหนึ่งค่ถามครับเฟชนมีคำถามใหม่หนึ่งคำถามเ้าค่ะจากคุณประยูนเวลานั่งสมาธิจิตรวมเร็วและนั่งได้แค่สิบนาทีจะสะดุ้งตลอดควรทำอย่างไรดีคะก็พยายามฝึกสติให้มากขึ้นแสดงว่าสติเรายังมีกำลังน้อยสงบอยู่แต่สงบไม่ได้นา ก็ต้องฝึกกติถ้ามันสะดุ้ขนาดที่นั่งอยู่ก็รู้อเฉยๆไปแล้วก็นั่งต่อไปไม่ต้องไปทํำอะไรล้วเป็นเรื่องปกตินะนั่งกายมันก็จะสะดุ้ก็เริ่มันถ้านั่งต่อไม่ได้ก็นั่งต่อไปถ้ายังเฉยยังเน่นอยู่ได้ก็นั่งต่อไปหมดล้วใช่ไหมถามหมดแล้วใช่ไหมโอเคทีค่ว่าคาไม่มีใครยาจะถามอะไรแล้วมั้งนะนะแต่เราคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ขอให้ท่านนำเอาเสิ่ที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป mm hmm. เธอ